โอเคสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาสนทนาทาําตอบคำถามกันวันนี้เด็กชายพีรศิษฐ์เาาาชิญเชิญมีอะไรถามเลยพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมพม่อไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยค่ะพะดีพดีหนู ปฏิบัติแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมันก็เริ่มเริ่มสงบขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอพอพอสงบสักพักอะ่ะมันเหมือนมันออกมาจากออกมาจากข้างในอะ่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนมันคิดคิดถึงตั้งกายเราอะไรเงี้ยค่ะว่าตั้งแต่ผมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ดำแล้วก็หงอกก็ขาวอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอถ้ามันสงบเนี่ยมันไม่ควรให้มันคิดเนะี่ย ค่ะมันจะเว็บเว็บออกมาแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ต้องต้องต้อภาวนาต่อไปค่ะดูลมเลื่พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจอย่าให้มันคิดค่ะเสร็จแล้วหนูก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็ไปพุทโธพุทโธต่อไปเรื่อยๆค่ะเอ่อทำเพราะเวลาเราทำสมาธิเราต้องการหยุดความคิดต้องการให้จิตนิ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยเฉยค่ะอ่า ว่าตอนนี้เราต้องการฝึกให้จิตรู้เฉยๆให้ให้จิตหยุดคิดยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปพิจารณาทางปัญญาค่ะไว้รอให้เราชำนาญทางสมาธิก่อนหยุดคิดได้ก่อนแล้วต่อไปเราค่อยไปคิดทางปัญญาต่อไปค่ะต้องทําคนละขั้นตอนกันคือให้ให้ให้ได้สมาธิก่อน นานตอน่อใช่ไหมคะใช่ให้มันเนี่งนานๆไม่ให้มันคิดใมันสักแต่ว่ารู้ใจสบายใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชฉ่งไม่กลัวไม่หลง <ฮะ S 2> ไ, มไม่วู่นวายไปกับอะไรต่างๆค่<ฮ>ะวันนี้ให้ได้ก่อนค่<ฮ>ะไม่ใช่พอนั่งสมาธิไปพอจิตจะเริ่มสงบก็เริ่มคิดอมันก็ มันก็จะไม่มันก็ไม่สงบใช่ไหมครับมันก็ไม่สงบมันก็คิดแต่คิดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อดับกิเลสไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้มันไม่มีกําลังคเห็นนั่งสมาธิอย่าไปคิดให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พูดก็ดูลงต่อไปพูดโทต่อไป แต่ว่ามันค่ะคือตั้งแต่ที่หนูคุยกับหลวงพ่ออ่ะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนอนที่หนูว่านั่งไม่เคยนั่งได้นานเนี้ยมันก็เหมือนว่าคือตอบตอมาต่อมาเนี้ยมันจะนั่งรู้สึกมันนั่งได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์เป็นชั่วโมงถ้ามีสติมันก็นั่งได้ค่ะให้มีสติให้มันนั่งนานให้มันนั่งเฉยเฉยไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไรให้ให้สงบเลยใช่ไหมคะให้สงบให้เด้งศักดิ์แต่ว่า เป็นอุเบกขาให้นานๆเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดี <ฮะ S 1> แต่อย่าหลับนะ ต, บต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะหลวงพ่ออันนี้คือการฝึกสมาธิ <ฮะ S 2> อย่าไปคิดทำปัญญาอย่าไปคิดร่างกายอาการสาสิบสองเรื่อยเังไม่ใช่เวลา <ฮะ S 2> อยาจะคิดเดี๋ยวรอออกจากที่นั่งสมาธิแล้วค่อยมาคิดได้ เพราะตอนนี้อยากจะคิดอาการสาริสองก็คิดได้เมนยัเป็นจะต้อเข้าไปในสมาธิค่ราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิต้องการให้หยุดคิดเนี่ยค่ะหลวงพ่อราราจะให้อยู่กับลมไปดูพุโทโธไปไม่ใช่อยู่กับพุโทโธไปค่ะหนูหนูใช้ใช้พุโทโธไปอะ่ะหลวงพ่อพก็พุโทโธไป อ, อย่าอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งพุโทโธอย่าไปคิดเรื่องอื่น แล้วแล้วอย่างเนี้ยเวลาหนูทํางานทําเกี่ยวกับตัวเลขเงี้ยมันก็จะหยุดพุดโทโธไปค่ะหลวงพ่อเออใช่ถ้าต้องใช้คฝากคิดกับงานก็ต้องต้องหยุดพุดโทโธไปก่อนชั่วงขา่าวค่ะแต่พอช่วงที่ไม่ได้ใช้อะไรหนูก็จะนึกนึกถึงพุโทโธอย่างเงี้ย<อ>ถือว่าได้<อ>ใช่ไหมคะใ ช, ใช่ใช้พุโทโธหยุดความคิดแต่เวลามีความจําเป็นต้องคิดก็หยุดพุดโทโธแล้วก็คิดเรื่องที่ต้องคิดค่ะหลวงพ่อพอคิดเสร็จก็ ก, กลับมา ใช้พุโทโธต่ออยาให้มันไปคิดองที่ไม่ต้องคิดคะนะนะเวลานั่งก็เหมือนกันเวลานั่งก็ให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจนกว่า ม, มันจะนิ่งไม่คิดอะไรแล้วก็หยุดพุดโทโธได้แต่พอมันไปคิดต้อก็ต้องใช้พุโทโธอยู่มันหม่หนูมพ่อครับพอดีเมื่อวันจันทนระ์น่ะหนูมีความทุกข์ในใจและทีเนี้ยหนูก็มา น, นึกถึงว่า เออจะทำยังไงให้มันอยู่กับไอ้ทุกข์ที่มันเกิดนับปัจจุบันในใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันทุกข์มากเลยหนูก็พยายามสงบสติแล้วก็คือสามทุ่มกว่าแล้วหนูก็เลยมามานั่งสมาธินี่ค่ะกว่ามันจะทำใจได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะหลวงพ่อใช่เพราะว่าเราหยุดความคิดไม่ได้นั่นเองใช่เราอย่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจค่ะ ก็เรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อนั่นแหละนั่นก็เกิดความอยากให้มันดีให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราหนูหนูก็นึกถึงที่หลวงพ่อสอนหนูงบอกว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะเราอยากไม่ให้ลูกเป็นแบบนี้ อ, อยากให้อยากให้คนในครอบครัวเราให้ดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยหลวงพอ่อแล้วพอมันนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อหนูก็เออเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นแบบที่เราอยากอยากจะได้มันก็เลย ไปขมใจไม่ลงพอมันนึกได้เงี้ยมันก็เลยเหมือนค่อยๆดาวอารมณ์ลงมาค่ะหลวงพ่อยอมรับว่าทาอะไรเขาไม่ได้ค่ะเขาจะเป็นอะไรก็ต้องยอมรับสภาพไปคตอนนี้ก็นอนหลับปุ๋ยสบายเราขับไปนอนไม่หลับคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อเขาสบายเขาไม่เห็นตู้กับเราเลยเราขับไปทุะทั้งสองคนเลยค่ะหลวงพ่อเขาสบายกันให้เราก็นอน นอนไม่หลับ ก, กว่าจะกว่าจะเวล า, ามันทุกข์มาหลวงพ่อแล้วมันก็เลยเออแล้วหลวงพ่อสอนนะทําไมเราฟังแล้วเราทําไมถึงไม่เอามาทําอะไรเงี้ยมันก็ยอนอยุดคิดไม่ยอมหยุดคิดจนอยากค่ะแล้วอพอ<ช>มันโตหนูก็เลยเออพอ น, นึกเสร็จหนูก็มานั่งสมาธิแล้วก็ใช้พุโทโธนึกถึงที่หลวงพ่อบอกไอ้ทุกข์เพราะว่าเราอยากนี่เองอยากอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยแพอนึกได้มันเหมือนมันก็เริ่มคลายลงมาค่ะหลวงพ่อ แล้วทุกครั้งต่อไปถ้าอยากก็บอกว่าแล้วเราไปเปลี่ยนก็ได้หรือเปล่าเห็นไหมค่ะหลวงพ่อมัน เ, เปลี่ยนไม่ได้ ไ, ไปอยากทำไมอยากให้ทุกไปเปล่าค่ะก็ปล่อยไปเรื่องของเขาไปเรื่องมุ่เรื่องบาปเรื่องกรรมของเขาไปค่ะเราก็ทำเท่าที่เราทําได้ค่ะหลวงพ่อเนี่งต้องฝึกสมาธิเยอะๆถึงจะหยุดความอยากได้ค่ะ อ๋อยาเพราะพอทุปกปั๊ก็พุทธโถพุทธโถแบบกล้ามเดียวมันก็จ ย, ยุดได้ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะหนังสือหลวงพ่อเล่มมหาเศรษฐีหนูอ่านจบไปแล้วแล้วเสร็จแล้วหนูก็มาต่อที่ว่าเปิดใจเปิดธรรม อ, ะอ่ะดีดีมากมากเลยคะ่ะหนูอ่าน อ, อ่านถึงสองร้อยต้นต้นแล้วคะ่ะก็เหมือนก็เข้าใจอ่านเสร็จแล้วก็ที่มาฟังหลวงพ่อแล้วก็ที่ไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่ออธิบายดีมากๆเลยคะ่ะหนูก็เริ่ม โอเคแล้วอ่ะพยายามมาหนังสือไปมันใช่มันจะให้ความรู้กับเราให้เรารู้วิธีปฏิบัติกับจิตใจของเราค่ะมีมีมรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะดีค่ะหนูชอบค่ ะ, อ, ะอ่านแบบดีมากๆากเลยค่ะหลวงพ่อหนูไม่เคยได้เจอหนังสือที่อธิบายได้ละเอียดแบบนี้ค่ะหลวงพ่ออยู่ที่กงเทพใช่ไหมอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะอยู่มุทากาใช่ ใช่ค่ะพุทธกาศกับหลวงพ่อพอดีเออวันวันศุกร์วันศุกร์เนี้ยหนูถึงจะกลับไปหาแม่ที่นครนายกท่านหลวงพ่อโอเคค่ะห <Okay. S 1> ลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อเคยมาอยู่แถวศรีพญาด้วยที่หนูอ่านในหนังสือศรีพญาแถวพุทธกาศากาศ็เคยผ่านไปพุทธกาศมันมีทางทางวงรถไฟใช่ไหม ใช่ค่ะมีมีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆคอนโดเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นทางรถไฟวิ่งแบปเข้าไปคลองเตยมัน่เป็นทางรถไฟค่ะตอนนี้หนูก็อยู่ตรงแถวแถวเออยันาวาค่ะหลวงพ่อที่ทํางานนะคะหลวงพ่อยานาวาก็สาธรบางรักวัดวัดใช่ค่ะวัดศิริญาใช้วัดวัดยานนะคะอืวัดยานวาใช่ค่ะไปอยู่ใกล้ๆกัน แไม่ได้อยู่มานานแล้วอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กห้าสิบหกสิบปีมาแล้วค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเกิดที่โรงพยาบาลเซนหลุยหนูก็อยู่เยื้องยังตรงข้ามซอยเซนหลุยนะคะหลวงพ่อสาธรเเซนหลวยตอนั้นนะพ่อแม่เขาไปอยู่ที่ท่าน้ําสาธรเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะหนูก็จะเดินแถวเนี้ยไปไปแถวสาธรค่ะอูหลงพ่อหนูอ่านพราะว่าหลวงพ่อแบบอยู่ใกล้ใกล้แถวแถวเนี้ยแต่ว่าหนูเกิดพศสิบสองอ่ะหลวง สงพ่อหนูบวชหลวงพ่อบวชหนูยังได้ไม่กี่คนได้หกขวดเราบวชสิบแปดใช่ค่ะหลวงพ่อเก่งมากเลยหลวพ่ออยู่ตอนเป็นเด็กอ่ะพ่ อ, พอหลวงพ่อให้ไปอยู่ตรงไหนหลวงพ่อก็ไปอยู่คนเดียวได้ อ, ะอ่ะก็ไม่รู้ในสัยมันมันไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ค่อยชอบจะไปต่อต้านใครผู้ใหญ่สั่งให้ทําอะไรก็ทําไปตามเขาสั่งค่ะ แล้วหนูไปเซิร์ชชื่อโรงเรียนเซเว่นเดหนูไม่เคยได้ยินเลยหลวงพ่อหนูไปดูอ้าวก็ยังยังมีอยู่นะคะหลวงพ่อแถวสุขุมวิทสุขุมวิทตเอ็ดหกสิบสามใช่ใช่ค่ะเถวแนั้นหกสิบสามค่ะหนูก็ไปเซิร์ชดูดูหมดทุกอย่างที่หลวงพ่อเขียนในแล้วนะหนูดูว่าโกหกเขาเปล่าเลยหนูจริงเข้ามาไม่ใช่หนูเพราหนูไม่เคยได้ยินว่าเอ่มีด้วยเหรอลงเรียนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็เรียน เรียนโรงเรียนพานนี่อยู่แถวแถวห้วยขวางอะไรเงี้ยหนูก็จะผ่านคลองตันผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคะหนูก็ไปไปดูว่าเอ๊ะมีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดูถึงอ่านถึงที่หลวงพ่อไปอยู่เมืองนอกไปเที่ยวแบบไปทํางานร้านอาหารแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ามีมีเสพยาเสพติดกัญชาหนูก็งงอ้มีด้วยเหรออะไรเงี้ยที่หลวงพ่อคือหนูอ่านหมดอะ่ะคือหนูตืน่นเต้นมากเลยพราแบบอ่านถุก ทุกอย่างเลยหลวงพอ่อนดูหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้เสพจริงๆอ่ะมันก็แบบลองก็ลองของนะพอพอ่อหลวงพ่อเด็กมาอะไรต้องลองพวกนี้ก็ต้องลองตามเขาไปตอนสมัยหนุ่มหนุ่มหลวงพ่อหล่อเหมือนเหมือนหน้าเหมือนยมแม่หองหลวงพ่อเลยห น, นี้เ <นะ S 2> ห็นในรูปอ่อแล้ววันนี้กินลูกยอยอยู <c oughs> ่เนาะใช่หนูบอกว่าหนูอ่านจริงหนูตั้งใจแบบเออแบบแล้วมันก็ได้ความรู้ได้อะไรเงี้ย อ่านถึงประวัติถึงวัดที่หลุงพ่อมาอยู่วัดวัดยานที่ชมบุรีอะไรเงี้ยอ ก, ก็อ่านไปเท่กันนะอค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติไปนะครับอันไห น, นเป็นประโยชน์อ่านแล้วได้ประโยชน์ช่วยในการปฏิบัติก็ไปใช้ค่ะหลวงพ่อเป้าหมายอยู่ที่การปฏิบัตินะค่นะเดี๋ยวจะให้คนอื่นก็ได้ถามาบ้างนะ ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชื่ออะไรเพ่อชื่อเด็กชายพิเศษนี้เขไม่ใช่ชื่อหนูใช้ใช้ซูมของลูกพราเขาต้องเรียนออนไลน์ทีนี้หนูหนูชื่อมารีค่ะหลวงพ่อมารีอยู่วุฒากาลเนี่ใช่ค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสาธุอาจารย์ผมคือมีอะไรจะพูดไหมอาจารย์ไม่โอเคอาจารย์ต้องเปิดไมค์ถ้าจะพูดไงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็ว ค่ะพระอาจารย์ค่ะัครบเหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะพอเป็นผู้ฟังค่ะเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาใช่ไหมเข้าค่ะเข้าจนจบเหรอค่ะของฝรั่งก็ก็สนุกดีค่ะสนุกอีกรูปแบบนั้นนะค่ะจะได้เรียนรู้ค่ะได้ประสบการณ์ดีค่ะมีคําถามอะไรที่หลากหลายดีโอเคค่ะสวัสดีทั้งสองคนเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปท่านต่อไปนะคุณพาสนา จากนนทบุรีใช่ไหมจากกรุงเทพค่ะพระอาจารย์กรุงเทพอโอเคอยู่ทถาไหนกรุงเทพอยู่แถวพุทธมณฑลนะคะส่ยสี่พุทธมณฑลสายสี่มีอะไรไหมวันนี้ก็เอมีความรู้สึกว่ามันน่าจะจะเหมือนกับเดี๋ยวลองว่าให้ฟังกะเจริญก้าวหน้าขึ้นก็คือว่าปกติเนี่ยก็จะทําตอนตอนตอนนี้ทําเพิ่มขึ้นที่พระอาจารย์บอกคือพอสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เจริญปัญญาใช่ไหมคะก็คือให้นั่งให้นั่งล่ะ หลังจากสมาธิสองชั่วโมงตอนเช้าเสร็จแล้วก็ให้นั่งต่อจนกระทั่งมีเจ็บเพราะว่าเราต้องการพิจารณาทุกเวทนาในขันเพราะตอนนี้กาลังพิจารณากายกับเวทนาใช่คะพระอาจารย์ mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าพอถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเนี่ยออพอได้สมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีความเจ็บภายในสองชั่วโมงจะนั่งได้พอเราเลยมาจากสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเจ็บ แจะเจ็บไม่ค่อยเยอะมันก็จะใช้มันก็จะใช้ปัญญาพิจารณามันก็พอไหวแต่มีวันมีวันหนึ่งอะท่าอาจารย์มันไม่มันเข้าสมาธิยังไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนในสองชั่วโมงแรกอะมันก็อุกอบเจ็บมากเลยท่อาจารย์พอเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมาดูลมมันดูไม่ได้ก็เลยลองใช้ปัญญาหมายถึงว่าลองใช้แยกแยกกายอะค่ะใช้ปัญญาแล้วก็ใช้อริยะสัตว์กับใช้อริยะสัตว์กับไตรักอะมันก็กลายเป็นกลายเป็นว่านั่งได้คือมันเหมือนกับแยกส่วนว่า มันเจ็บแต่มันก็คือเจ็บธรรมดาจากเดิมที่มันเจ็บเยอะๆอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะทุกขเวทนาเปนมีหลายระดับก็พยายามลองตั้งใจการเจ็บแต่ถ้ายกายเจ็บแต่ใจไม่ทุกกับความเจ็บนั้นถ้าไปถ้าไม่มีความอยากทั้งความเจ็บหายไปความทุกข์ใจก็ยังไม่เกิดคความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราว่าจะอยากกับเรื่องอะไรก็ตามอยากพวกนี้ใจมันก็จะทุกขึ้นมาทันที ไปหะยาบไปหยาบให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามอนัตตาสัพเพตมานัสตาอันนี้แสดงว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปัญญานี้่มันจะแก้ได้แบบตรงจุดแล้วก็แบบเร็วกว่าสมาธิที่พระอาจารย์เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันแก้ได้ตอนทีถ่ถ้าถ้ารรู้จักใช้ปัญญาก็ปัญญานี่ดีกว่าสติก็รู้สึกว่ามันมันหายพระอาจารย์เขามีคําถามว่า พอเราออกจากสมาธิเอ่อเจริญปัญญาเนี่ยเราเจริญได้ทั้งวันไหมคะคืนแบบนึงว่าเราต้มีใจรักษาสติสำหรับปัญญาไหคะคือพิจารณาไตรลักษณ์แล้วก็เรื่องของเกิดแก่เจ็บตายไม่ไม่คือพิจารณาแล้วไม่หดหูนะฮะจางคือมีความรู้สึกว่าพิจารณาได้ไม่มีปัญหาอะไรได้ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเลยทั้งวันเลยใช่ไหมคะสำหรับการรักสตินี่คะหรือว่าจนกว่ารู้สกจิตมันมันมันฟุ้งหรือว่ามันมัน แล้วการจะพักก็หยุดชิดเนื่องว่าเจริญสติไปแทนเนื่เข้าไปนั่งสมาธิต่ออย่างนั้นก็เข้าใจที่พระอาจารย์ให้กันบ้านคือมันจะมีการบ้านและข้อสอบตอนนี้กําลังทําข้อสอบเรื่องของเวทนาเพราะจะต้องการที่จะผ่านเรื่องของทุกเวทนาในในขันให้ได้ก่อนอแล้วก็ทํากันบ้านเรื่องของเรื่องของรูป เรื่องของกายละละกายอ่ะพระอาจารย์การ้ายก็คือพิจารณาโมลนาลุสติก็คือว่าเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรดาถูกไหมพระอาจารย์ก็ทำการตายความตายก่อนแต่ทำแต่ทำข้อสอบความเจ็บอยู่นั่งกายก็ต้องดูมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดินน้านมไฟพ่อแม่เป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเพียงแต่ไปรับจากพ่อจากแม่ตอนที่อยู่ในท้องนั่นเองเราคือจิตผู้รู้ผู้คิดที่สองกระแส วิญญาณไปเกาะติดอยู่ที่ตาผออู้จมูกร่างกายร่า ง, งกายกเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นเ ร, เราเพียงแต่รับรู้แากความหลงที่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยเจ็บไปกับร่างกายถ้าเรารู้ว่ามันร่างกายเจ็บแต่เราเป็นผู้รู้เราไม่เจ็บเราเป็นเหมือนคนดูหนังเน่ะคนที่คนที่สแสดงในจอเขาเจ็บแต่เราไม่เจ็บหรอกแต่เราไปเจ็บขเขาใช่ไหมเวลาดูหนังเน่ย ไปเจ็บไปทุกกับตัวแสดงเพราะเราชอบชอบไม่ชอบอะไรเข้ามาแล้วชอบไปเป็นกับเขาอะไม่เคยรู้จักไปอยู่เฉยๆรู้เฉยๆดูเฉยๆไม่เป็นพอเห็นอะไรแล้วมักจะเต้องไปชอบกับเขาเป็นรักไปชัากับเขาไปมีความรู้สึกไปพร้อมกับเขาเราต้องฝึกเจิตให้ให้หนีออกจากสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรูบ้ ปล่ยให้เาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นเขาเราไปควบคุมบงังคับไปสั่งเขาไม่ได้เนี่ยขยาะก็จะทําทให้ใจเราทุกข์ ก, ก็เข้าใจมากขึ้นตอนนี้อ่านของพอระอาจารย์เทศถึงสามร้อยการที่สามร้อยเลยค่ะในในในจุดลธรรมนําใจะคะ่ะอืมแล้วก็อีกอันนึงนะคะพระอาจารย์คือเข้าใจคําที่พระตจอว่าให้ให้พิจารณาความให้ตัดความอยากเพราะว่า ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นตัวเองก็นั่งสูงแล้วบางทีก็จะมีแบบเอ้ยทำคนทําอะไรไม่ไม่ต่างใจก็จะบอกว่านั่งจะโกรธได้เร็วแต่คราวนี้พอตะก่อนเนี่ยก็คือรู้นะคะอาจารย์เคยอ่านหนังสือรู้ว่าต้องมีความเมตตาถึงจะชนะความโกรธแต่ว่ามีความรู้สึกว่าความเมตตามันชนะความโกรธไม่ค่อยทันเพราะมันโกรธมาแล้วมันเมตตาไม่ค่อยทันแตพอพระอาจารย์บอกความอยากอะ่ะความอยากมันมันเป็นต้นเนี่ยคือแบบเอ้ยคราวนี้เห็นเลยว่าพอเราไม่อยากให้เขาพูดดีกับเราไม่อยากให้ก็อะไรเนี้ยมันมัน คือมันมันมัน้มันจะไม่แบบชึบนะอาจารย์แต่ว่ามันน้อยลงเลยคือมันมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเอยมันเอาชนะความโกรธได้มันไม่ใช่ทําเมตตาอย่างเดียวมันต้องตัดความอยากก่อนตรงนี้เลยก็เลยเข้าใจพระอาจารย์ว่าเออตรงนี้มันมันมันมันทันกว่านั่นต้นเหตุเราไปที่ต้นเหตุค่ะถ้าเราไปเมตตาเราไปตัดที่ปลายเหตุไม่ทันรู้แต่ไม่ทันเพราะความอยากอยากไปอยากทําใจให้เป็น อุเบขาศักดาว่าหรือว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้ปล่อยเขาว่าไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาชมแล้วเข า, ขาไม่ชมเราก็ไม่ทุกข์เราก็าไม่โกรธเขาแต่ถ้าเราหวังให้เขาชมเราวันนี้แต่งตัวสวยหรือกันอย่ากให้เขาชมเราก็ไม่ช ม, ชมชนี่อโกรธขึ้นมาอย่กไปอยาก แล้วความโกรธจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดแล้วก็ไปเปลี่ยนใจซะใหม่ไปเปลี่ยนอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาดีทําต่อไปนะไปอยาเนี่ยอริยสัจสี่ก็สแสดงต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากยอยากได้นูน่นได้นี่อยากเป็นนูน่นอยากเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ทุกข์ ต้องตัดตัวนี้ตัดตัวความอยากนี่ร่างกายของเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทุกข์กันเลยเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปตายก็ต้องปล่อยมัน ต, ต, ตายไปทั้งนั้นเองเฉยๆทาใจเป็นอยู่เบากาอห็นได้ทำเทำส่า okay. ตอนตอนเย็นก็ทำได้มากขึ้นแล้วนะคะตอนเย็นก็เริ่มจะพิจารณาปัญญาตามคือตอนช้ชาตอนนี้เชา้ากลางวันแล้วก็เย็นเริ่มเพิ่มเวลาขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือพระอาจารย์เยอะขึ้นต้องทำต่อตอาจารย์เดี๋ยวจิ้ตจ้าว อ, อะไรกันหน่อยใช้าธุอจารโอเคอเคือเวลาทินีจากเยอเยอรมันประเทศเยอรมันเป็นยังไงเปิดใหม่ได้ป่านวยังปิดอีกแล้วเปิดใหม่ กดใหม่กดอีกทีฮะ iPad มันม่อะมาแล้วค่ะเก่าในัฒนธรรม่ะท่านวันนี้ทำงานที่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะยังทํางานอยู่ที่บ้านค่ะแต่วันนี้โยมย้ายลงมาข้างล่างค่ะเพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านหมดเลยต่างคนก็ต่างใช้มุมข้างบนนะคะวันนี้โยมเลยถอยลงไปอยู่ข้างล่างค่ะเออดีค่ะมุมของเรา ค่ะจะได้ไม่ต้องใช้หูฟังค่ะจะได้พูดได้เต็มที่ค่ะท่านอาจารย์คะยมไปอ่าฟังเทศที่ท่านเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเรื่องการออกจากใจพบอะค่ะยมฟังแล้วก็วที่ท่านพูดว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในการที่จะออกจากใจพบต้องเดินมกักเดินผลอะไรเงนี้ยค่ะเราต้องใช้ศีลสมาธิเพอท่านพูดว่าศีลระดับไหนสมาธิระดับไหนมันพุดขึ้นมาเลยอะค่ะท่านแล้วก็ขำในความไม่ค่อยรู้เรื่องของตัวเองด้วยค่ะ เขาทอนพูดมาแล้วก็มันเหมือนเหมือนได้กําลังใจอ่ะคะ่ะก็เลยตั้งใจทําค่ะก็อตอนออกจากสมาธิตอนเย็นใช่ไหมคะก็ตั้งใจจะลองดูเวทนาไปว่าจะตัวเองจะจัดการยังไงกับมันอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่วันนั้นสมาธิเหมือนไม่เป็นใจอะคะ่ะท่านเพราะว่าโยมอาจจะยังไม่ชํานาญนะคะพอมันถอนออกมาแล้วชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะโยมตั้งใจว่า แต่ดูว่ามันเจ็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เจ็บนะคะเจ็บปกติอะคะ่ะแต่ว่าของยมพอยมเอาความรู้สึกไปไว้ที่แสงนะคะมันก็ดันวูบไปสงบอีกรอบนึงเลยอนะคะท่านไปเหมือนเข้าเบคไคร์อีกรอบนึงยมออกมาก็เด้งออกมาอุย้ยถึงเวลาทําอาหารแล้วเลยคะ่ะยมก็ดูเอา้ามันก็ผ่านไปแล้วสองชั่วโมงคะ่ะวันแรกไม่เป็นใจวันที่สองเป็นใจมากเลยคะ่ะเข้าสมาธิไม่ได้เลยคะ่ะคราวนี้ก็เลยต้องเจ็บนานเลยคะ่ะ ค่ะก็เลยรู้ว่าสมาธิมันก็ไม่เที่ยงค่ะวันไหนอยากให้มันเข้ามันก็ไม่เข้าให้เราวันไหนไม่อยากให้มันเข้าลึกมันก็ลึกอะไรเงี้ยค่ะท่านอก็เลยวันนั้นก็ตอนเช้าก็เลยได้เจ็บนานค่ะท่านก็นั่งดูมันไปเรื่อยๆค่ะดูความอยากที่ดิดดิ้นอยากไม่ไม่อยากเจ็บแล้วก็อยากจะออกอยากสมาธิค่ะอืก็เจ็บนานอยู่เหมือนกันค่ะท่านต้องหยุดความอยาก ใช้สติอยู่กับพุทโธหรือก็ไปหาที่แสงที่เราเคยเข้าไปก็ได้ไม่ไม่ถือว่าเป็นการหนีใช่ไหมคะท่านถ้าฝึกสมาธิก็ไม่หนีเพราะต้องการเข้าสู่ความสงบแต่ถ้าฝึกปัญญาก็ถือว่าหนีท่านถ้าฝึกปัญญาก็ต้องไม่ไม่เข้าสมาธิไปศึกษาดูธรรมธรรมชาติของความเจ็บว่ามันน่ากลัวจริงๆริงหรือเปล่าทนไม่ได้ยอมรับสภาพไปใช่ไหมคะดูมันไปค่ะ มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเราก็รับรูปของมันไปเพียงแต่เราไปรู้แบบดิ้นเรารู้แบบอยากจะหนีอยากจะให้มันค่ะดิ้นดิ้นค่ะมันแบบสะบัดเลยอะค่ะไอ้ที่เราเจ็บอยู่อะค่ะเราเปลี่ยนดิ้นิ้รู้แบบเฉยๆมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้รับรู้บบมันก็เห็นไหมก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมมันก็เจ็บของมันเราก็รับรู้ของมันไปเพียงแต่เราไม่ชอบอยากให้มันอายมันก็เลยทรมานใจยเราต้องมาแก้ดูที่ตัวไม่ชอบ ออย่าไปไม่ชอบเขาอย่าไปชังเขารักเขาดูลองชอบก็ดูเพราเวลาเราได้ของที่เราชอบเราจะไม่ทุกข์เพรว่าเราจะดีใจใช่่ค่ะใช่ค่ ะ, <ม>คะเหมือนอยาก<ม>อยากไปอยู่กับสมาธิเลยค่ะโอ๊ยวันนี้สมาธิมมไม่ช่วยเราเราเข้าไม่ได้เราต้องอยู่ควา ม, มเจ็บอย่างนี้ยค่ะท่านแต่ก็ดีค่ะได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าสมาธิก็ไม่เที่ยง ม, ม, มันก็ไม่ได้ดังใจเราเหมือนกันใช่เราอยู่ความเจ็บจะได้เห็นตัวต้นเหตุ ข, ของความทุกข์คือความอยาก <c oughs> เสร็จแล้วพอวันที่วันที่โยมที่มันเข้าไปเป็นอุเบกขาสองรอบอะค่ะปกติโยมไม่เคยทําได้อย่างนั้นนะคะท่านคือถ้าออกมาแล้วเจ็บก็คือเจ็บอะค่ะสักพักหนึ่งก็จะออกจากสมาธิเพราะมันจะเกินเวลาที่โยมเคยทําเลยค่ะแต่วันนั้นมันเข้าไปอีกรอบนึงพอถึงกลางคืนนะคะท่านอาการที่ท่านเคยบอกโยมว่ามันเป็นอาการของจิตนะคะมันเด่นชัดมากเลยโยมก็นอนไม่ค่อยจะได้ค่ะมันละเอียดมันเป็นคลื่นมันแบบ สว่างเรืองเลื้งอะคะ่ะโยมก็เลยเอ า, เอาจะเป็นก็ชั่งมันค่ะแต่งก็นอนภาวนาไปจนจนมันแบบหลับไปเองอะไรเงี้ยค่ะโอเคดี <Okay. S 1> ไม่ได้ต่อต้านค่ะแล้วตอนเช้านะคะที่มันนั่งไม่สงบแล้วก็ความเจ็บอะคะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่สองสาวันนะคะพอ อ, อีกวันนึงมันดีขึ้ น, นะคะ่ะท่านโยมก็เอาไอ้สติจดจ่อพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วสิ่งที่มันหดเข้ามาะคะ่ะท่านมันทําให้ตัวโยมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะมัน หดเข้ามาแล้วมันเป็นแน่นนะคะท่านเหมือนอะไรไหลกลับเข้ามาในตัวเราแล้วมันหดแล้วมันแน่นแล้วมันหนักมันกดนะคะสิ่งนั้นมันคืออะไรเหรอคะท่านก็การของจิตเนี่แหละการจิตค่ะจิตมันผลิตอาการแปลกๆหลายหลากหลายชนิดเหมือนเป็นเราดูภาพยนตร์เออเป็นจิตเป็นผู้กํากับการแสดงมันก็มันก็มันก็จัดอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราล่อเราเราก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับ อารมณ์ที่เราใช้อยู่ <c oughs> กพุทโธแล้ว อ, อยู่กับลมแล้ว อ, อยู่กับแสงของเราไปอะไรอย่างอื่นก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจมันมาก็รับรู้ว่ามันมา <c oughs> มันเจริญตราขณะนั้นมันก็ไม่สามารถทําลายจิตของเราได้ <c oughs> แล้วเราก็เฉยๆไปอย่าไปต่อต้านอย่าไปอย่ากเพราะบางทีถ้าของชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไปพอมันไม่อยู่ก็เสียใจ ของไม่ชอบก็ต่อต้านอยากให้มันหายไปพอมไม่หายก็ทุกข์อีกงั้นเฉยๆดีทีสุดรับรู้ไว้เฉยๆสักตะว่าไปสักตะ ว, วารู้ไปค่ะถ้ามันไม่ยอมสักตะ ว, วาก็พูดโธพูดโทให้มันหยุดให้มันสักตะ ว, ว่าอย่าให้มันไปต่อต้านอย่าให้มันไปอยากไม่มีอะไรค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมายมก็ปฏิบัติได้แค่นี้ละคะ่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันข้อสําคัญการปฏิบัติมันก็เหมือนกับเดินทางขึ้นเขาลงห้วยบางทีก็ขึ้นเขาบางทีก็ลงห้วยบางทีก็ยากบางทีก็ง่ายเนี่ยข้อสำคัญมีความรู้สึกยังมีความรู้สึกนะคะท่านเวลาวันอังคารหรือวันจันทร์หรือวันอังคารเลยค่ะแรงมันใกล้จะหมดแล้วค่ะยังว่าดีๆเดี๋ยวจะถึงวันพุธละเข้ามาก็เหมือนได้ชาร์จพลังนะคะท่านวันพุธก็ฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยค่ะดี ก็ตอนนี้ต้องใส่ต้องคอยาเติมต้องเคยตอนเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆตอนสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกมาอบรมอยู่เรื่อยๆสี่ห้าวันห้าวันท่านก็เรียกมาอบรมทีก็พอไปได้ฟังเทศฟังธรรมก็เกิดพลังเกิดกำลังใจเกิดอะไรกันนานกว่านี้ก็จะหมดแรงอะค่ะถ้าไม่ได้เข้ามาถ้าไม่ได้เข้ามาก็ดูดูของเก่าก็ได้เน้อ ใ ช, ใช่ค่ะ<ด>ยมก็อย่างนั้นนะคะท่านค่ะ <c oughs> วันไหนไม่อยากทําก็ต้องเปิดเปิดไทําขึ้นมาฟังทันทีอะไรเงี้ยคะ่ะดูแลมันจะช่วยเราเกิดเกิดกําลังใจขึ้นมาใช่ค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสาธุท่านต่อไปคุณสายทิพย์อาจารย์สายทิพย์จากมหาสารคามเชิญกลับนวัตสการพระอาจารย์ค่ะ ก็อาทิต <labs> ย <K grammar throat> ์น no ี้ก well ็น like ั <guided us> ่งสมาธิแต่ว่าก็ไม่ได้อ่าได้สมาธิมากนะค่ะแต่ก็สงบดีช่วงนี้จะพิจารณาเรื่องของความตายหรือการพัดพากมากขึ้นทําใจให้ยอมรับมากขึ้นค่ะหมายถึงว่าเรามองเห็นเราก็เออก็ธรรมดาก็ทําใจได้มากขึ้นดีนี่ทํำเยอะต่อไปที่รู้สึกเฉยๆเวลาใครตายก็มันก็เรื่องธรรมดาเหมือนคน เมอนพ้าทิศขึ้นผ้าทิศตกมันก็เริ่มธรรมดาไม่ได้ไปตื่นเต้นเวลาผ้าทิศขึ้นเวลาผ้าทิศตกเราก็ไม่ได้ไปร้องผมร้องห่ายใช่ไหมค่ะเริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครมากไม่ไม่เอาจิตใจไปมีสุขมีทุกข์อะไรมากค่ะปล่อยป่อยวางๆแล้วแต่จะจะเป็นไปแต่ว่า ในส่วนความช่วยเหลือเราช่วยแต่ว่าเราไม่ไม่คาดหวังว่าเขาต้องดีหรือเขาจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่เราจะช่วยเราไม่หวังอะไรจากเขาเราทำด้วยความเมตตาทาเพื่อทาบุญไปใช่ค่ะเหมือนแบบเราเป็นญาติคือญาติกันเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเรามีกำลังเราก็ช่วยเมื่อไหร่ที่ไม่มีเราเราก็ไปแล้วน่าอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถึงเวลาที่หมดเวลาที่เราจะช่วยได้ก็ต้องช่วยตัวเองนะ แต่ณเวลานี้เรามีกําลังช่วยแล้วเขายังไม่แข็งแรงก็ช่วยไปก่อนแล้วเขาจะเป็นยังไงหมายถึงว่าเขาจะดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าเราเมตตาเขาน่าจะค่ะแล้วก็คุยกับคุณคุณพ่อค่ะช่วงนี้ใช้กุศโลบายเอาหนังสือมาวางไว้ในบ้านเป็นหนังสือธรรมะแล้วก็คุณพ่อก็ก็อ่านแล้วก็ได้แบบเหมือนได้ได้คุยธรรมะกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะ อนี้<ช>ต้อ ง, องให้เขาให้เขาสนใจดีกว่าดีกว่าประยัดเยียนให้เขาใช่ค่ะก็เลยวางวางแต่ดูคุณพ่อก็ดูสนใจมากขึ้ น, นแล้วก็กลัวการฆ่าสัตว์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คงทำได้แค่นั้นเพราะว่าบางทีถ้าเราพูดเยอะเขาจะต่อตาอ้านเพราะว่าไม่เอาเออขอศึกษาษด้วยตัวเองเออชอบแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็ปล่อยไปไปตาม ตามกรรมตามวา ส, สนาแต่ว่าถ้าเราพอจะช่วยอะไรได้เราก็เหมือนเป็นกุศโลบายช่วยคนที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าขา้ถามเราก็ค่อยพูด้วถ้าบางทีก็อยากจะรู้อะไรก็ค่อยตอบไปแล้วไม่ถามเพื่ปล่อยเข้าไปค่ะตอนนี้ก็ก็ก็ทำแบบที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะก็คือไม่เสือกออไม่ยุง่งไม่ยุ่งมากคือจะไม่ตายยังไงถ้าเขาไม่เอาเป็นกรรมเปล่า เรื่องของเรามีมากมายไม่สนใจเรื่องว่าเรามีมากมายไม่สนใจเดี๋ยวไปยุ่งกับของเขาม่ก็จะเป็นทุกข์ให้ตัวเองเปล่าๆอะไรเงี้ยค่ะกิเลสของเราก็เยอะเหลือเกินอยู่แล้วไม่มาสนใจคอยบ้านเราก็โศกโผกไม่สนใจมาคอยเก็บคอยกวาดไปมัวไปเก็บกวาดบ้านของคนอื่นเขาทํำไหมเห็นบ้านคนอื่นโลกค่ะบ้านตัวเองเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เลยหันกลับมาดูบ้านตัวเองมากขึ้นก็ ก็มาพยายามที่จะเพราะว่าเราต้องเหมือนตอนนี้คือกลัวเรื่องของของบ้านตายชีวิตนะคะก็คือเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาพิจารณาเรื่องนี้ให้มากขึ้นให้ให้ใจเป็นกลางมากขึ้ น, นะคะ่ะแล้เจ็บไข้ขได้ป่วยด้วยอาการความเจ็บไายได้ป่วยด้วยเดี๋ยวไปโลกนั้นโลกนี้ ใช่ค่ะเหมือนพยายามฝึกใจว่าถ้าเราป่วยถ้าเราเป็นมะเร็งเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะทําใจยอมรับยังไงหรือว่า hmm. ถ้าตอนเราแก่เราไปไหนไม่ได้เราจะทําใจยังไงถึงจะไม่ทุกข์ hmm. อะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้ฝึกฝึกในเรื่องของ่อการกา ร, การวางอุเบกขาอะไรพวกเนี้ยค่ะ hmm. มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ตอน hmm. ตอนต่อไปค่ะเวลามันเป็นอะไรก็ปรับใจรับกับสภาพไปค่ะ ไปไม่ได้ก็ไม่ไปอยากจะไปนู่นมานี่ไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไปมันเจ็บอยากใช้ให้มันเจ็บให้มันหายเจ็บมันไม่หายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปค่ะตอนนี้ก็มีความเหมือนไม่สบายอ่าร่างกายมีเจ็บมั่งก็ก็ช่างมันเจ็บก็เจ็บทําไงล่ะก็แล้วแต่มันอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกใจแบบนี้มากขึ้นมันเป็นอนุตตามันเป็นเงินดินฟ้ากายเราไปก็กลุมมบังคับมันไม่ได้ค่ะ แล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นเราก็ดูความเสื่อมของร่างกายไปด้วยค่ะก็ทําใจยอมรับมันไม่ไม่ทุกแต่มันค่ะอก็จะจะฝึกใจด้านนี้ยค่ะส่วนสมาธิก็ก็นั่งนั่งไปเรื่อยๆค่ะทุกวันพยายามนั่งพยายามนั่งด้วยอย่าไปพิจารณาอย่างเดียวเวลาไม่เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาเวลานั่งสมาธิก็หยุดพิจารณาค่ะ ทำใจให้สงบค่ะพยเยาให้สบายค่ะก็พยายามไม่ไม่สวิงใจมากค่ะอยู่กับความอยู่กับความนิ่งๆสบายๆจักกาว่ารูยอมรับกับทุกอย่างที่ปรากฏมาให้เรารับรูค่ะก็ฝึกทประมาณค่ะไม่มีคำถามเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะมีแต่ปฏิบัติต่อไปค่ะโอเคค่ะ S <S <S เห็นหม อ, อไปที่ท่านต่อไปนะสาทุค่ะขอบคุณหมอแอนหมอไอโฟนหมอแอ น, ชนเชิญพูดได้เลยแต่เสียงไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินโอ้เจ้จาคกล่าหลวงพ่อนะเจ้าคะได้ยินแล้วดังไปไหมเจ้า ไ, ไม่ไม่ไดังกำลังดีอ๋อจะกล่าวหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยแม่ตาสอน ส อ, อนคือหนูยังไม่แน่ใจว่าหนูจะพิจารณาเรื่องธาตุสีให้ให้เป็นคนได้ยังไงค่ะเราก็คนเรามันมาจากไหนล่ะมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมจากจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปใช่ไหมจากอาลมที่เราหายใจเข้าไปใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นธาตุทั้งนั้นถ้าขาดพวกนี้ร่างกายมันก็กำลเตบิบโตขึ้นมาไม่ได้อยู่ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ มันก็จากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟที่เข้ามาในร่างกายในรูปของอาหารในรูปของเครื่องดื่มต่างๆในรูปของลมหายใจในรูปของความร้อนที่เราได้รับจากทางแสงแดดนี่เห็นไหมมันก็เลยมาทำให้มีปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายผลิตออกซิเจนิตไนโตรเจนผลิตสารต่างๆขึ้นมากลายเป็นเซลล์เป็นอะไรแล้วก็ เป็นอวัยวะต่างๆขึ้นมาใช่ไหมมันมาจากธาตุสีนี่ใช่ไจากดินน้ําลงไฟแล้วเวลาเราเราพิจาาเนี่ยเราต้องไล่ไหมคะว่าอาสุจิไขะ่ะสบกันเป็นเซลอะไรกเนะก็ได้นุเราถ้าเราจะเราจะจะดูประวัติอะไก็ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันก็ต้องมีไข่มีไข่กับอาสุจิมามาเจอกันก็ค่ะเป็นธาตดิน แล้วเขาเริ่อืมจะต้องไลไล่ไปมันก็ต้องมีท่าของพ่อกับท่าของแม่มารวมกันแล้วพอมันก่อตัวเป็นเซลล์เป็นร่างกายขึ้นมาก็อาศัยอาหารที่แม่หล่อเลี้ยงทางสายสายสะดือนี่ก็เป็นดินน้ำนุ่นไฟอาหารที่เป็นของแข็งก็เป็นนี้ก็เป็นดินใส่วนที่เป็นของแข็งก็เป็นดินส่วนที่เป็นของเหลวก็เป็นน้ํา แล้วก็อาศัยลมหายใจของแม่อาศัยความร้อนในร่างกายของแม่สร้า ง, รางสร้างอาไว้ว่าต่างๆขึ้นมาทีละทีละนิดเพียรหน่อยจนในที่สุดก็ครบ32อาการ ก, ก็พร้อมที่จะออกจากท้องแม่ได้แล้วเพราะสามารถที่จะอ ย, อยู่อาศัยตัวเองได้แล้วไม่ต้องอาศัยแม่ท้องแม่ต่อไป ก็ข้อออกมาแล้วก็เริ่มมาอาหารเข้าไปในมนมก็มีธาตุดินผสมอยู่นมธงนี่ก็เป็นดินใช่หไหมแล้วไปละลายน้ําเข้ามันก็เลยเป็นเป็นน้ํานมจริงมันก็มีทั้งดินมีทั้งน้ําอยู่ในอาหารที่เรารับประทานลมแล้วก็อาศัยลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกความร้อนก็อาศัยอุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยให้มันอุณหภูมิไม่หนาวไม่ไม่ไม ไม่ร้อนเกินไปมันก็พอมีครบสี่อย่างมันก็มันก็มันก็เสริมอวัยวะต่างๆให้เจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็โตขึต้นโ ต, ตขึ้นไปจนถึงขีดเต็มที่นะพออายุกลางกลางคนสี่สิบที่มันก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วเายการรวมตัวของธาสี่มันจะรวมน้อยลง ม, มันจะแยกตัวมากขึ้นมันจะแยกออกจากกันแล้ว มันก็เลยเกิดทำความชราของไปร่างกายชราก็มีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาตามอวัยวะต่างๆเพราะมันเสื่อมมันของเก่ามันเสื่อมนะต่อไปมันก็หยุดทำงานหยุดหายใจหัวใจหยุดทำงานปอดหยุดทำงานอะไรๆระบบทั้งหลายมันก็หยุดทำงานธาตุสีในร่างกายมันก็จะแยกกันออกมาคนตายนี้ถ้าเราไม่เอาไปทำอะไร ก็มตอตนสิ่งที่เห่าไปก่อนก็ล้มนะลมไม่เท่านะล้มไม่เข้าก็ไมีแต่ลมออกเอามาระเหยเป็นกลิ่นเงี้ยเอามาตามถวาบบตา่างๆตามด้วยน้ําน้ําก็ไหลออกมาแล้วไฟก็ไปก่อนนะนมไปก่อนแล้วก็ไฟตามไปร่างกายก็เย็นนะร่างกายไม่อุ่นเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากนัน้นน้ําก็ออกมา จนในนี่นสุดร่างกายก็แห้งกรอบนะหนังก็แห้งกรอบเนื้อก็แห้งไปหมดแล้วทิ้งไปต่อไปก็ผุพังกายเป็นดินไป น, น, นี่คือร่างกายของทุกคนเป็นอย่างนี้เราผู้พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราผู้พิจารณาคือจิตผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นน้เป็นจิต ที่ส่งกระแสะวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสไปตามความชอบตามความอยากของเราเนี่ย ค, คือจิตจิตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปจิตก็จิตก็ไปหาร่างกายใหม่ไปรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ ช่วงที่ไปรอรับก็ไปรับผลบุญผลบาปอยู่ในสภาพของโลกของความฝันอันนี้ไม่มีร่างกายนิจจ์แค่อยู่ในโลกของความฝันถ้าทําบุญบุญมากกว่าบาปก็จะฝันดีมีแต่เรื่องที่ให้ความสุขกับใจถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะฝันไม่ดีมีแต่เรื่องทุกข์มากกว่าเรื่องสุขจนกว่าจอมกาจะได้ร่างกายใหม่แล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่ นการตายก็เป็นการหลับหลับยาวเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายไปแปลงร่างกายไปถ่ายอวัยวะสามสิบสองอ่ะถ้าเอาอวัยวะอะไรไม่ได้ถ่ายเฉพาะอันเดียวเหมือนถ่ายตาถ่ายอะไรอันนี้ถ่ายทั้งร่างกายเลยไปรอได้ร่างกายใหม่พอร่างกายอันใหม่ข้อออามาจากท้องแม่ก็เติมขึ้นมาเรือนตาก็เติมขึ้นมากลับมาอยู่ในโลกของมนุษย์ใหม่ ในถ้ายังไม่พ้นบาปก็า จ, จะไปเกิดเป็นในท้องสุนัข ก, ก่อนได้หน้า ก, กายของสัตว์ก่อนก็ได้แล้เวลาเราอว่าไปว่ากปเวลาเราระหว่างที่เราเราไล่ตั้งแต่เราเด็กจนโตเนี่ยอวัยวะมันเสือบเนี่ยเวลาเราไล่อาการ32ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเจาค่ะเราต้องแยกผมไล่ทีละอวัยวะไม่มคะว่าผม ก็จะมีกเกิดการเจ็บนนตายหมดนี่แหละคไล่ทีละอลันทีละอันให้มันเห็นความเป็นจริงอย่างนีไม่เจ้าค่ะก็ได้ถ้าเราอยากจะดูว่าอวัยวะส่วนไหนอันไหนก็ดูได้ทุกส่วนมันก็มีเจริญแล้วก็ต้องเสือ่อมทั้งนั้นก็คือไล่ไล่ให้มันละเอียดเปทุกส่วนก็ได้ไม่ไม่จําเป็นจะต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ให้รูปปร้ภาพรวมก็ได้ว่าอาการทั้งสามยุดสองที่ เป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องเสืออเเอ่อมอ๋อเราะก็จะไล่ละอ่าไอที่ให้ไล่ น, นี้เพื่อให้เห็นภาพมากกว่าให้เห็นภาพของความไม่สวยงามของร่างกาย เ, เพราะปกติเราจะเห็นแต่ภายนอกเราเห็นแต่แค่ห้าอาการเห็นได้ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เลยถูกความหลงเราก็เลยไปหลงรักร่างกายว่าสวยว่า ง, งาม ว่าเราม้อจะเสริมความงามการเวลาออกนอกบ้านเราจะแต่งตัวให้ดีแต่งหน้าทาปากแทงอะไรให้มันน่าดูหน้าชดมันก็เลยไปสร้างการอารมณ์ให้เกิดขึ้นถ้าเราต้องการที่จะปราบการอารมณ์เราก็ต้องมองให้ทะลุให้มันเข้าไปข้างในใต้ผิงหนังถ้าใต้ผิวหนังยังมีอะไรให้ให้ดูเยอะแยะ น, น, นะมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆ ถ้านึกถึง้าเหล่านะนั้นกามอารมณ์มันก็จะมันก็จะดับไปคือถ้าเรามองเราเป็นอขอไม่สวยไม่งามเป็นตระกูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องเราเราเห็นเราชัดแล้วเนี่ยคนอื่นก็เป็นเรื่องไ่าขึ้นใช่ไหมเจ้าคะคือมองคนอื่นเป็นหลักไม่ใช่มองของเราเนคนที่เราคนคนที่เราไป็รักคนไปชอบต้องไปมองแต่ความจรก็มองของใครก็ได้เหมือนกันหมดนะ ก็เหมือนการศึกษาร่างกายเป็นร่างกายเป็นเป็นส่วนกลางไปไม่ได้ม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นร่างกายของเราหรือของใครก็พิจารณาศึกษาร่างกายเหมือนเวลาหมอไปเรียนอนาตอมนี่ในในโรงพยาบาลที่ในมหาลัยก็ก็ไม่ได้ให้ไปดูว่าเป็นร่างกายของใครเขาให้ดูว่านี่คือร่างกายของมนุษย์ของคนแล้วก็ดูอย่างนั้นศึกษาเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพราะถ้าไม่ศึกษาเราจะเห็นเพียงบางส่วน แล้วเราจะหลงหลงไปรักไปชอบแล้วก็เกิดอารมณ์แล้วก็ต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาพอไปรักไปชอบเขาแล้วก็ต้องมาห่วงมาห่วงแล้วเวลาเขาตายก็เป็นอะไรไปก็เศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ได้ของสวยงามไม่ไม่เป็นสิ่งที่เราน่าจะรักจะชอบเราก็อยู่คนเดียวสบายกว่า ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาแฟนหาคู่ครองให้ทุกข์ไปเปล่ า, านี่คือเป้าหมายการพิจารณาร่างกายมันมีหลายหลายหลายมิติไงพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นดิ่งน้ำลมไฟอย่างที่พูดถึงอันนี้ก็มิติหนึ่งเป็นอนัตตาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตาย น, นี่ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยง แล้วก็ไม่สวยงามก็พิจารณาสุภาื่อตัดความรักความชอบในร่างกายของคนอื่นหรือร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราหลงหลคลั้งคล้ายกับความสวยงามของร่างกายเราอยากให้มันสวยงามก็ดูว่าลัข้างานมันเป็นยังไงบ้างใช่ไก็ได้อันนี้แก้แก้ความรักรักในความสวยความงามของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็ตามตามทีาทั้งหมดเนี่ย มันก็จะมีทั้งธาตุสิปฏิกูลแล้วก็ความไม่ขืนงามเนี่ยรวมอยู่ในการพิจารณาทั้งหมดก็ได้ก็ก็มันก็เป็นเราเราจะแยกเป็นเป็นวิชาวิชาก็ได้วันนี้จะพิจารณาวิชาสุภาษวันนี้จะพิจารณาวิชาอนัตตาธาตุน้ำลมไฟวันนี้จะพิจารณาวิชาอนิจจังไม่เที่ยงก็ได้แล้วพิจารณาทุก็ได้ว่าร่างกายเนี่ยมัน มันเป็นทุกข์เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ปวดก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์อันนี้กใกล้มีหลายมิติเพื่อให้เห็นชัดเจนในใจรักของร่างกายจะได้ตัดความอยากตัดอุปทานความรักความชอบในร่างกายอยู่กับไม่มีร่างกายดี่กว่าพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีทุกข์ตามมาทันที แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าเอ่อร่างกายเราอ่ะเวลาจะตายอะมันมันเหมือนหลับจริงๆแล้วอะเขาบอกว่าธาตุธาตุสี่เวลามันจะแยกตัวจากการมันจะปวดปวดทรมานทุกทรมานมากก็ค่ะมันก็มันก็ไม่เกินขีดของมันนะทุกทรมานที่มันทุกไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ร่างกายมันทุกที่ใจใจเกิดความอยากอยากความกลัวความเจ็บยิ่งทำให้ทุกข์ใหญ่ ถ้าไม่กลัวความเจ็บไม่ทุกข์หรอกเหมือนเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอบอกให้ฉีดยาใช่ไหมอย่างวันทั้งฉีดแล้วใจทุกข์ไปก่อนนะเพราะความกลัวความเจ็บแต่ถ้าทําใจแล้วฉีก็ฉีดสิมันก็เหมือนแค่ปั๊บเดียวทั้เนเองก็ผ่านไปใจก็ไม่ทรมานความตายความเจ็บที่เกิดกับความตายของร่างกายมันก็ไม่มันไม่ทรมานถ้าใจยอมถ้าใจยอมยอมสู้กับความเจ็บยอมรับความเจ็บความที่จะตายตอนที่ใกล้จะตาย งั้นเราก็ต้องฝึกนั่งนั่งให้มันเจ็บก่อนเงเพื่อให้ฝึกให้ใจรับความเจ็บของร่างกายที่ให้นั่งสมาธินานๆเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเพื่อจะได้ซ้อมเวลาตายมันก็จะเจ็บแบบนี้แหละแล้วถ้าเราฝึกได้เราทําใจให้เฉยได้อยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่ทรามานแล้วก็อีกคําถามหนึ่งแล้คะหนูนั่งสมาธิไปแต่หนูก็ เออประมาณชั่วโมงกว่ามันก็จะเริ่มชั่วโมขึ้นประมาณชั่วโมงครึ่งมันจะปวดปวดคาแต่ว่าเออความปวดเนี่ยมันร้อยอะค่ะแต่ว่าใจเนี่ยมันจะรู้สึกปวดแค่ประมาณสิบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่ะยังไม่เต็มสูงก็ค่ะก็เลยรู้ว่าเออที่เราปวดเพราะใจที้ให้หายปวดแต่เราก็พยายามจะแยกแยะอยู่เจ้าค่ะคราวเนี้ยมันก็จะมีสองปรณีคือว่าเราก็จะ สวดมนต์ไปดุข้อกัรสามสิบสองไปเพื่อให้มันไม่สนใจความปวดหรือบางครั้งเนี่ยหนูก็มองความปวดไปเลยเจ้าค่ะว่าเออเอ้าดูว่ามันจะปวดมันปวดแค่ไหนกันนะมันน่ากลัวขนาดไหนกันใจมีสู้เสือใช่แล้วใจเรามันจะมันจะยังไงเอารู้สึกยังไงว่าใจรูสึกยังไงกับปวดตรงนี้อยู่ตามใจอยู่กับมันได้เปล่าให้มันปวดแค่นี้มันเจ็บแค่นี้อยู่กับมันได้เปล่าทําไมต้องไปกลัวมันด้วย แล้วก็แล้วก็วางอยู่กับมันอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ปล่อยมันก็อ ย, อยู่กับมันต่อไปก็คือดูดสองพาสก็ได้ใช่ไหมคะถ้าพาส<า>ที่มันใจเราไม่ไม่ไม่สู้แล้วก็เสวดมนต์ไปหรืออะไรไป<ช>แต่ถ้าเราแบบมันเป็ น, น ว, วิธีให้เราตัดความอยากตัดความกลัวความเจ็บอะไรพอเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บแล้วมันก็ไม่ทรมานใจ มันก็อยู่กับมันได้ก็ปล่อยมันเจ็บเราที่เขาบอกว่าเก็บของมันไปเรื่อยเรื่อยสองชั่วโมงมันก็เจ็บขอไปเรื่อยเื่อยเราก็ดูของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่เราก็สู้มันให้ให้มันหายเจ็บไม่ได้นะคะแม้ว่ามันสังหารเรื่ไปอ่าถ้าถ้ามันดูจริงจริงแล้วถ้าบว่าจิตถ้ามันปล่อยถ้ามันหยุดความอยากว่ามันจะเป็นโุเบกขาขึ้นมาทันทีแล้วมันจะรู้สึกสบายกับอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย ต้องทไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้จุดที่มันอยู่ความอยาก<อ>จุดที่มั น, นววถ้ามันปวดก็คือต้องให้ถึงสุดที่มันไม่ปวดใช่ไหมะครับมันปวดแต่ไม่ทรมานมันปวดแต่ไม่ทุกความปวดไม่หายแต่ความทรมานหายความทรมานใจหายใจไม่ทรมานกับความเจ็บความปวดของร่างกายแล้ก็มีสองวิธีวิธีใช้พุโทโธวิธีเท่าอาการท้ที่สอง หรวอวิธีใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายเจ็บใจไม่เจ็บใจเพียงแต่ผู้รู้ก็ให้รู้ไปร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปพอใจมันยอมรับปล้มันก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากามันก็เป็นอุเบกขามันเฉยๆมันไม่ทรมานอยู่กับความเจ็บปวดได้เอเอขาวงพ่อนี่ไม่ทรมานึงสุตใช่ไหเนาะก็เหมือนตอนที่อราี้ฮะ ไ, อไเ อ, อหมายถึงว่ากายกายเจ็บร้อยเปอร์เซนแต่ว่าจิตอะ่ะไม่เจ็บอยูู่นย์เปเอร์เซนตใช่มครับเออใช่ความเจ็บทางใจเหลือศูนย์เปอร์เซนเจ็บแต่ทางร่างกายแต่บางครั้งาบางครัง้งคว า, าเจ็บบางครัง้งความเจ็บทางร่างกายก็หายไปบ้างก็มีเพราะมันพอดีเจ็งไว้ช่วงจังหวะที่มันจะหายมันก็หายของมันเองอ๋อครับแต่ถ้ามันเจ็บอยู่ในระดับสิบเปอร์เซนก็ยังยังไม่ยังยังยังยังไม่หยุดก็ต้องทําต่อไป ถ้าใจยังไม่หนึ่งยังไม่สบายก็ต้องสอนใจหรือใช้พุทโธด้วยดึงใจออกจากออกจากร่างกายดึงใจออกจากความเจ็บอย่าไปสนใจความเจ็บะพุโทโธพุทโธไปหรือทาอาการสามสิบสองไปก็ได้จนกว่ามันรู้สึกเบาสบาย อ, อ๋อตอนนี้อยู่กับมันได้แล้วไ ม, ไม่เดือดร้อนแนละ้วมันเจ็บก็อยู่กับมันได้ แสดงว่าเรารู้จักวิธีที่จะจัดการกับความเจ็บต่อไปเวลาตายก็ทําแบบนี้เวลาเป็นเรื่องวลาเจ็บไข้ด้ป่วยก็ทําแบบนี้เวลาไปหาหมอเวลาเป็นโรคปวดท้องหรือโรคอะไรมันเจ็บท้องหรือเจ็บตงรงโน้นเจ็บตรงนี้ปวดมันก็ใช้ใช้ใช้ธรรมโอสถแบบเนี้ยรักษาใจไม่ให้ปวดตามไปกับความเจ็บของร่างกาย ก็อีกอันเดียวกันคฝันหเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูอ่ะฝันว่าหนูไปอยู่ในที่ที่น่ากลัวมาสองคืนแล้วหนูก็เลยมาพิ่นราว่าเอ๊ะหนูปฏิบัติไม่ดีหรือว่าจิตมันไม่ดีหรือว่าอะไรหรือเปล่ากพราว่าเออมันอาจจะมีกรรมเก่าบาปที่เราเคยทำไว้มในอดีมันมันมีโอกาสที่จะแสดงผลใช้หนังตัวอย่างให้เราดู ก็เพียงแต่รับรู้ไว้เท่านั้นว่ามันมันถ้าฝันไม่ดีก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกรรมของบาปกรรมที่เราทําไว้มันแสดงผลมันยังไม่แสดงผลเต็มที่มันเพียงแต่มาให้เราดูหลังตัวอย่างเป็นให้เรามาชิมชิมือว่าเนี่ยถ้าเกิดเวลาตายไปมันจะเป็นแบบนี้แต่ฝันแบบนี้ฝันเลื่อนทำบุญการเลื่อนทำบุญท้บุญมันมากกว่าบาปไว้ แล้วบุญจะได้ออกมาแสดงผลก่อนอืมครับญญายฝันว่าเข้าไปในที่มืดๆแล้วแล้วกลัวผีด้วยว่าคือเป็นคนกลัวผีมากนะคะก็แบบเนี้ยเป็นอะไรก็อา จ, จะเคยทําบาปเพราะความกลัวมาลกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็เลยไปทําบาปเพื่อเพื่อทําลายความกลัว มันก็เลยฝังอยู่ในใจของเรางั้นเราพยายามทําบุญเยอะๆเพื่อจะได้เอาบุญให้บุญมันมีกําลังจะได้ออกมาเอาเอ า, เอามาฝันในเรื่องดีๆก่อนก็ทําบุญด้านไหนดีกคะด้านไหนก็ได้เหมือนกันคื อ, อทำบุญทำทานนะครับว่าเสียสละแบ่งปันด้วยความเมตตากรุณา<อ>ทําบุญกับสัตว์ก็ได้ทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ ทำบุญกับคนแก่คนเจลาใครที่เขาทุกข์ยากเหนือยล้อนก็ได้ทํากับวัดก็ได้โรงพยาบาลก็ได้หมออยู่โรงพยาบาลก็ทําที่โรงพยาบาลก็ได้คนไข้เนี่ยที่มาหาหมอเนี่ยก็ลดครึ่งละห้าสิบเปอร์เซนดู ว, วันนี้พิเศษจับฉลาก ด, ดูว่าไหนคนไหนจะโชคดีก็วันนี้ยาทีดเขาแค่ห้าสิบเอร์เซนตก็ได้ทําบุญแล้วไม่ต้องไปทําบุญที่ไกลทําบุญที่ใกล้ตัวก็ได้ หรือหมอพิจาณาหว่าคนไข้คนนี้ฐานนไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ช่วยเขาไปลดราคาให้เขาไปอย่างนี้ก็ได้บุญหมดคาถามแล้วเจ้าค่ะหมอพ่อกับขอบพระคุณนะคะโอเคสาธุจ้ะคุณหมอพิรพัฒเข้ามาหลือเลัไม่ไดเขา้ายู่ข้นอกเจ้าค่ะอยู่ข้างนอกยู่แล้ไม่เป็นไรถามดูเฉเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามมาเดี๋ยวกัจะ แกคุยจะยุ่งกับงานโควิดบางกันางแกกำลังพยายามถูกกค่ะเรื่องสมาธิโอเคนะจ๊คุณวิไลยันะลินทุยันะลินทุไม่ทาว่าจะพูดหรือเปล่าเห็นปิดกล้องไม่เห็นไม่เห็นภาพเลยถ้ายังไม่มีการตอบรับขอผ่านไปก่อนนะไปที่คุณต้อรู้ดาก่อนเนะ คุณท้ารดดาจากสถิิกงการราการค่ะเป็นยังไงงานที่ชอบชอดอาหารปฏิบัติถูกกับการอดอาหารใช่ค่ะหนูว่าเบาดีค่ะแล้วก็ไม่ค่อยง่วงค่ะเอการมีปัญหาเรื่องง่วงนอนก็ลองขัดอดอาหารดูบ้างหนูง่วงตลอดเลยค่ะแล้ว เ, เ, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เออ่เพิ่มการปฏิบัติค่ะอืม แต่มันต่อตา้านนะดูขี้เกียจอะแต่ว่าถึงเวลาก็ลุกอะค่ะออแต่เหมือนแบบเวลามั น, มนที่มันที่เกียจให้นึกถึงความตายวาความตายมันใกล้เข้ามาเรื่อยเยเดไม่ได้ทําใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทํำนะไม่รีบทําตอนนี้เดี๋ยวเกิดเวลาเจ็บไข้แล้วป่วยแล้วตายยมันจะทํายากอันนี้รีบทำซะก่อนพอตั้งสตย์จับปุ๊บมัน รู้สึกทันทีเลยว่ามันแบบขี้เกียจไม่อยากทำปุ่มปอแต่พอถึงเวลาก็ลุกทําอ่ะค่ะออแต่แตทีเนี้ยแบบมันไม่มันไม่มไ ม, ไม่ไม่นิ่งแบบนั้นนะคะก็ออแต่อยู่กับพุโทโธแล้วก็ออพอพอละพุโทโธก็อยู่ลมหายใจไปเกือบเกือบเกือบตลอดที่ทํำค่ะแป๊บไบปแป๊บเดียวก็กลับมาแต่มันออมันไม่ไม่สไมอ่อย่าอย่าอย่าไปวังผลอยู่ที่เหตุที่ว่าทาไป ทำไปถ้ายิ่งไปหวังผลยิ่งไม่ยิ่งไม่เกิดใช่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่เหตุนะเวลาที่เราไปหวังผลคามจีิจิตเราไม่จะมาอยู่ที่เหตุนะไปอยู่ที่ดแต่ดันไปสงบตอนอื่นอตอนตอนแบบไปหวังผลค่ะตอนที่กลางวันบางทีแบบเอสิบห้านาทีแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะก็อ้าวกับใช่เพราะนั้นเราไม่หวังผลตอนั้นเราไม่หวังผลก็เลยสงบใช่ค่ะ มันอย่าใบไม้ปั้นหมายว่าโอ้วันนี้จะต้องให้มันสงบอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สงบใช่ไหมครับสงสัยคิดว่าทําเยอะก็เลยไปหวังมั้งค่ะแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ไม่ไม่นิ่งแบบนั้นคแต่อยู่พุทโธอยู่แล้วก็อยู่ลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ขอให้เรารู้ว่ามันผลอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการมีสติอยู่กับลมนี้อยู่กับพุทโธเนี่ยเจ้าค่ะยังไั่งกลับมาอยู่ที่เหตุดีกว่า แล้วผลมันจะตามาเองใช่ค่ะแค่นี้ค่ะโอเคแวเาขอบพระคุณค่ะอ่าคุณคุณวลระนอตนะจอ่าอ่านไม่ค่อยชัดไม่ทราบชื่ออะไรวีระนอตครับอ้าวีอที่ที่กรุงเทพครับกเคก็มามา z o o ผลแรกครับนอกั้กก็เคยกราบอยู่ข้างนอกครับแล้วก็ ฟังเทศของของหลวงพ่ออยู่ครับมีอะไรไหมวันนี้ก็มาแนะนำตัวเลยนะครับแล้วก็จะขอนาฟังไปเรื่อยๆมาหลังนะคร <Okay. S 2> ับผมเคยธรรมดาบวชตอ น, นดเด็กๆเคยบวชอยู่กับหลวงปู่แบดนนะครับแล้วก็ทําอเบิบาตที่นู่นมาตลอดบวชเป็นเด็กบวเป็นพระบวชเป็นพระตอนยี่สิบหรือีสิบห้าับบวชในกี่พรษาเน่ย บสบสที่ละสามเดือนสี่เดือนนะฮะสองสามสี่เดือนนักจะไหนก็ไปไปแบบปีสองปีแต่ตอนหลังนี้ไปเยอะครับตัวหลังนี้ไปเยอะก็เดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนก็จะได้ไปเองไปได้ด้วยนะทางเขาได้ให้ไปได้คะตอนแรกตอนแรกค่ดว่าเขากลัวโควิดเขาก็ไม่อยากให้คนเข้าแต่ตอนนี้ก็ให้ถ้าท่านให้เข้าได้แล้วตอนต้นเดือนหน้าก็เลยได้ไปครับก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะใช่ครับโอเคสาธุ คุณกัฟกฟี่กอล์ฟจากสุราษฎร์ธานีอภิรักษการครับเ อ, อ่เ อ, อผมบีสภาวะอะครับคือเมื่อกี้นั่งไปแล้วรู้สึกสงบอะครับแล้วก็พอสงบทุกครั้งก็จะมีความสุขนะครับพอมีความสุขจากแล้วก็ได้พิจารณาปัญญาครับเพราะว่าเห็นว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาทีนี้มันก็รู้ว่าต้นเหตุ คอคือคืออะไรอ่ะครับแล้วต้องทํายังไงแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีแรงครับเพราะเรารักษาแค่สี่ห้าครับมันต้องมีสีมากกว่านี้ะครับก็เลยทําอะไรมันไม่ได้ครั บ, บจริงๆว่าอยู่ที่สีหนังมันอยู่ที่อยู่ที่สติเนี่ยแต่เรารู้ว่าอันนี้คือเหตุที่ทําให้เราทุกข์เราก็ฝืนมันสิอย่ายไปทําตามมันให้พุโทโธพุโทโธฝืนมันไปก็ได้ครับ ส่วนใหญ่คือผมเมื่อก่อนก็เคยนั่งสมาธิได้นานครับสามชั่วโมงเคยนั่งผ่านมาเยอะก็คือรู้เยอะแล้วครับแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้ทําต่อนะครับใช่ไม่ต้องทําต่อเพราะถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวมันก็หมดแรงครัมันก็ไม่มีกําลังครับแล้วที่พระอาจารย์ที่เทศคุยกับพี่หมอครับผมก็เข้าใจทั้งหมดครับก็ดีแสดงว่ามีปัญญาแต่ยังไม่มีสมาธิอ่อที่จะ หยุดความอยากต่างๆได้ครับผมต้องเพิ่มเพิ่มตรงไหนคือคือตอนนี้ก็อยากริ่มรู้สึกตัวว่าเออถ้าเราจะไปทางโลกเราก็คือความสุขจากปัญญาที่เราได้พิจารณามันเป็นความสุขมากแล้วก็สุขสมาธิก็สุขมากครับแต่ว่าอผมไม่ไม่ไม่รู้ต้องทําไงอาจารย์ช่วยช่วยบอกก็ต้องทำสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็ฟัาเทศฟังธรพิจารณาปัญญาให้มากขึ้นทั้งสองอย่างครับ ก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําเรื่อยๆใช่ไหยครับใช่พยายามทําสมาธิครับแม่ว่าเพราะว่าถ้าไม่เจอพระอาจารย์ผมก็ไม่ได้นั่งทําแต่พอผมนั่งทําผมก็เข้าใจอะไรได้เร็วอะครับผมใช่พยายามทําสมาธิเยอะครับดับพอคุณครับโอเคท่านต่อไปคุณโกเดียอยู่ที่ไหนคุณโกเดียเปิดเปิดไม่หน่อย มีปุ่มบอกอนนบิโอเควันนี้ครับพูดดังๆหน่อยเสียงค่อยไปหน่อยได้ยินไหมครับโอเคข่าวก็อยู่พัทยาใต้ครับพัทยาใต้นี่เองครับวก็ไม่ได้ไปสอนนักศึกษาที่โรงเรียนครับเพราะว่าโรงเรียนปิดแล้วก็สอนออนไลน์ครับที่ใส่มาที่บ้านเพื่อตอนเช้านั่นแหละใช่ครับที่มาหายหน้าไปใช่ไหมหายไวครับเห็นมาสายทุกเช้าช่วงนี้หายไป ครับก็ครับมีอะไรัหยก็เห็นหน้าพระจารยร์ก็ดีใจนะครับไม่มีอะไรครับก็ดูต่อไปงั้นครับ Stay t u n e ครับติดตามบุดต่อไปครับฟังไปเรื่ยถ้ามีคำถามก็ถามทีหลังก็ได้นะครับขอบคุณครับโอเคท่านต่อไปคุณจิ๊บจากแมคเลนคุณจิ๊บเชิญ ถานามนสกค่ะพระอาจารย์โอเคมามาพอดีว่าทำกับข้าวให้เสร็จให้ลูกเพิ่งเสร็จ hmm. จมก็ปฏิบัติก็พยายามอังสิตตั้งใจปฏิบัตินะคะแต่เราแล้วก็มีเหตุคือวันนั้นก็ตั้งใจดิษฐานว่าสิ่งใดที่พระอาหารหันต์ได้รับรู้ได้ได้เข้าใจได้เข้าถึงปัญญาใดที่ท่านเข้าถึงขอให้ลูกได ได้มีส่วนเข้าถึงปัญญานานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอวันนั้นโยมไปเดินซื้อของทั้งแต่เดินเข้าร้านเลยนะคะก็จะมีแบบเหมือนคนข่าวเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมคะก็จะมองมองแล้วก็แบบเหมือนพวกเขาก็จะเป็นอีโ ก, โ ก, มก้มากๆเลยพยมไปจับของคือเวลาเราซื้อของเราก็ต้องเลือกหน่อยถึงแนมะ้มันจะเป็นโควิดแต่เราก็ไม่ใช่ว่าหยิบชิ้นแรกแล้วก็จะต้องเอาเลย ยมก็แบบว่าเออหิบชิ้นแรกเอามันดูมันช้ำช้ก็เลือกใหม่ฝรั่งคนหลังก็บอกนี่ยูจะหยับยูจะจับทุกชิ้นเลยใช่ไหมฮะ ย, mm hmm. <laughs> ยมก็บอกว่าขอโทษค่ะแล้วก็เดินไปแล้วก็พอเดินไปอีกก็เข็นรถไปเสร็จก็ไปเจอฝรั่งที่คือโยมโยมจะเลี้ยว อ, อึกยมมาทางตรงแต่เขาจะเลี้ยวเขาก็ไม่ยอมให้ยมไปแล้วเขาก็มองหน้าโยมเหมือนว่าโยมเป็นคนผิด อะไรแบบเนี้ยคือมันหลายอารมณ์มากเลยค่ะโยมก็แบบเริ่มมีอารมณ์แบบเอ๊ะทําไมเอ๊ะทำไ ม, อำไมพอกลับมาที่รถอะไรนึกขึ้นได้อ๋อสงสัยพาาาระอรหันท่านคงจะตัดกิเลสแบบอารมณ์ได้ทุกอย่างมั้งเนี่ยเราแบบเจอนิดนึงเจอครั้งที่หนึ่งก็เริ่มมีระดับ 0.5 เจอครั้งที่สองก็เป็นระดับหนึ่งมันยังตัดไม่ได้ทําไมมันไม่เป็นแบบว่าเจอครั้งที่หนึ่งก็ลบเปลบ 0.5 ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโยมก็เลยบอกว่า เธ อ, อสงสัยเราคงต้องปฏิบัติอีกเดียวแล้วมันก็สว่างว่าความคิดมันก็เหมือนกับว่าสว่างว่าพลังเลยเออจริงเนาะถ้าเราตัดอารมณ์การรับรู้ได้อ่ะมันก็จะช่วยให้เราสงบใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าคงต้องปฏิบัติอันนี้มากขึ้นก็เลยพยายามตัดแล้วก็เออให้อโหสิให้อโหสิแล้วมันก็ช่วยได้นะเจ้าคะใช่ฝึกสมาธิให้มากขึ้นฝึกสมาธิให้มากขึ้นฝึกสมาธิให้มากขึ้นใช่ไหมคะฝึกสติฝึกสมาธิ พอจิตมีอารมณ์ก็หยุดมันพุทโธพุทโธอยกับกิเลสนี่เหมือนกันไ้มเจ้าคะอะไรนะคนเวลาเรามีอารมณ์กับเราเวลาเรามีกิเลสนี่คือตัวเดียวกันไหมคะอารมณ์อารมณ์โกรธก็กิเลสอารมณ์น้อมก็กิเลสอ่าถ้าเราตัดได้มากๆเราก็ต้องนั่งสมาธิเยอะๆมันจะได้รับรู้แล้วมันจะได้ตัดเร็วขึ้นรับรู้เฉยๆได้ไม่ไม่ไปมีปฏิกิริยาไม่ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ รับรู้แล้วเราก็วางไว้ตรงนั้นเฉ ย, ยๆปล่อยเขาเขาจะพูดแล้วก็รับฟังแล้วก็โอเคผ่านไปเขาจะทำอะไรก็รับรู้แล้วก็ผ่านไปจริงๆค่ะเรารู้สึกว่าช่วงหลังนี้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าเขาโมโหโกธาทากันหรือเปล่าเป็นพวกทำสพอร์ตหรือเปล่าเจอคนต่าานี่จะต้องปั้กันก็มีประมาณทุกสองคนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งที่เป็นพวกเขาล่ะอธิบหหลายคนเลยค่ะคนข่าวแทบ ในริกาตอนนี้มันแบ่งเป็นสองสองซีกอ่ะห<ช>้าสิบห้าสิบหรือสี่สเก้าห้าสิบเอ็ดเนี่ยคราว น, นี้ทางทางซีกของพวกเราห้าสิบเอ็ดเขาเขาสี่ิบเก้าเขาก็เลยแพ้ไปไม่นะแต่วันนี้คือวันแต่งตั้งประธ า, านาธิบดีคนใหม่ก็พอดีว่าว่าจะแต่โรงเรียนเขาก็ไม่ให้หยุดนะคะเขาก็แบบอันนี้กำลังถ่ายทอดอยู่ใ <มา S 1> ง <จะ S 1> ใช่ัหยน่าจะใช่ แต่เดี๋ยวยมต้องไปหาหมอไปตรวจร่างกายประจาปีอะคะ่ะก็เลยมานั่งมองว่าเออจะอะไรจะเกิดในร่างกายเราก็ปล่อยเหมือนที่พระอาจารย์คุยกับคุณหมออะคะ่ะก็เลยว่า <Yeah. S 1> ถ้าเรานั่งสมาธิฝึกความเจ็บปวดไว้ถึงเวลาเราต้องรับรู้กับอารมณ์ความเจ็บปวดจริงๆเราก็ค ง, ท, งทนทานได้ก็ไม่เอา <Yeah. S 1> จิตไปติดตรงนั้นอ yeah. ต่ไม่ไปแบกบไม่ไปไปไ ป, ไปต้านปล่อยมันไปเฉย แต่ถ้าเวลาเราล้างแกาเราเจ็บปวดแล้วถ้ามันมียาที่สามารถรักษาได้เร า, าจะรักษาไปรักษาได้ไม่ไม่จาเป็นต้องทนให้มันเป็นถึงสุดๆใช่ไหมค ะ, ะนอกจากถ้านอยู่ในช่วงที่อยากจะฝึกจิตก็ต้องก็ต้องไม่ใช้ยาใช้ใช้ธรรมโอสถใช้ธรรมแทนแต่ถ้าเราถ้าเราฝึกผ่านไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทรมานนั่งทรมานนั่งกายไปเปล่าๆมียารักษาได้ก็รักษาไป <c oughs> อ่าแล้วอีกคำถามค่ะพระอาจารย์ถ้าโยมจะส่งของไปให้พระอาจารย์นี่ต้องส่งไปที่ไหนเจ้าคะพรอย่าส่มณีกามันยุ่งยากลำบากจะส่งส่งเป็นตัวเงินมานีกาง่ายกว่าค่ะโยมมันไม่กล้าถามเพราะว่าโยมอยู่ตากโยมก็พยายามจะส่งคิดตลอดเลยค่ะเราจะทําบุญกับตากติดติดตาอคุณหล้าก็ได้คุณหล้าจุนเฉลเนี่ยคุณหล้าคุณหล้าอยู่ข้างบนเนี่ยใช้บ้านอยู่ อ๋อถ้าคตาเดี๋ยวจิตไม่รู้จิตตอบเดี๋ยวไปทางอินไปเฟซบุ๊กละกันได้ไหมคะได้ส่งนมดเสดไปทางเฟซบุ๊กก็ได้คือนี้เลยเหรอค่ณฝากทําบุญผ่านแกไปก็ได้แล้วแกก็มาให้เราทีหลังก็ได้อ๋อได้ค่ะโอสาธุค่ะพระอาจารโยมนั่งคิดเดือนๆเลยทํายังไงดีเราก็ไม่กล้าถามเขาบอกว่าถักบัตรอย่าถามพระก็อะไรก็บางอย่างมันก็ต้องถามถ้าไม่รู้วิธีจะทําังไงก็ต้องถาม ก็ตอนแรกจะถามพี่พ <liksom> ี่คนที hey, kızım, Thompson, ่เขาอยู่สเปนนะค่ะก็ไม่ถามอย่างนี้ถามว่าท่านอยากได้เท่าไหร่ไม่ให้ถามตามนีตามเกิดไม่จะถามว่าหลวงพ่อต้องการเท่าไหร่อะไรหลวงพ่อต้องการอะไรไม่ให้ถามอย่างนี้แถามถามว่าทําบุญได้ไหมทําบุญอย่างไรนี่ถามได้ถ้าเราไม่รู้จะทํำยังไง ค่ะ <là> ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเย็นมากที่เมืองไทยค่ะก่อนที่จะไปที่คุณสุพัฒนาไปที่คุณเอมไอก่อนได้ไหมเพออยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอ็มไออสองไลน์เนี่ยที่อยู่ติดกับคุณลาข้างบนเน่ยมุมอยู่ที่มุมซ้ายข้างบนคุณเอมที่ที่ยกมือนะฮะเออเชิญอ่ะคุณได้เลยคุณเอ็มไบครับ สวัสดีครับจับน้องจุางครับพ่ออาจาเอ่อเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่อยู่สงขล์ผัดใหญ่ครับผัดใหญ่อา่ามีอะไรไหมก็ก่อนหนึ่งขอคำาพ่ออาจารย์ก่อนแล้วก็ขอเวลาบกับพ่ออาจารย์ด้วยครับคือก็พยายามฝึกอธิบัติมาสี่ห้าปีครัอาจารย์ทีนี้สองปีแรกก็จเจริญดีอยู่ครับแต่ก็ได้ไปบวชแล้วก็ สองีที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่าภาวนาเมันเสื่อมไ ป, ไปหมดเลยครับเพราะไม่ทำต่อเนื่องไงต้องทำต่อเนื่องพอพอพ อ, พ อ, พอมันหยุดมัน ก, ก็จะเสื่อมลงถ้าทำน้อยลงมันก็จะถอยหลังลใช่ครับก็ทำน้อยลงด้วยแต่ก็พยายามฝึกสติระลึก ร, รู้ในชีวิตจำวันครับได้เรื่อยอยู่ครับอืมก็พยายามฝึกสติและต้องหาเวลานั่งสมาธิด้วย ก่อนนอนหรืออะไรก็นั่งสมาธิก่อนหรือตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมาลุกพอพอตืมตาขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยไปทําอะไรต่อครับอต้องหาเวลานั่งมันถึงจะได้กําลังถ้าใช้ใช้ใช้เฉยงเดียวมันยังไม่พออือครับใช่ครับเพราะว่า ร, ร, รู้สึกว่ากําลังคืออยู่กับทางโลกมันก็เหมือนว่ะ โลกมันวุ่นวายค่อนค่อนข้างที่จะทำให้เราสงบยากอยู่ครือยังจบจ้าโลกมันร้อนเนี่ยโลกมันทุกข์ครับเลยต้องพยายามปิดตัวเองออกจากโลกบ้างโลกเหมือนกองไฟแล้วต้องถอยออกจากกองไฟมันจะได้ไม่ทุกข์ไปปีกวิเวกบ้างไปอยู่วัดบ้างวันพระนี่ยนี่ก็ให้มีวันพระไว้เพื่อให้เราไปปีกมิเวงกันไปอยู่วัดไปหาที่สงบกัน ครับก็รู้สึกเวลาภาวนาเหมือนจเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมันได้น้อยเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกมันกำลังน้อยแลวก็ไม่ต่อเนื่องครับใช่ก็รู้สึกมันได้แค่แต่งๆครับไม่ได้่ากา็ดีก็ไม่ดีก็ไม่ทำนันแหะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มากหรอก ก็พยายามาเวลาไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ฝึกได้แต็มที่หน่อยส่วนตัวเหมือความผมนี่น่าจะก็ต้องขาดสมาธิอยู่เยอะถึงใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ทั้งสองอย่างอะสมาธิก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็เข้าสมาธิไม่ได้อยู่ดีครับแล้วต้องฝึกสติให้มากแล้วก็ต้องนั่งเพื่อจะได้เข้าสมาธิได้ เพราะว่าเหมือนรู้สึกเหมือน ต, อ, ตอนที่อยู่คนเดียวก็แต่ว่าเข้าสมาธิไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อได้ครับเข้าสมาธิแบบลึกๆตรงนี้ครับยังก็ตงสติยังมีกําลังไม่พออ๋อครับสติยังกําลังไม่พอครับต้องฝึกสติให้มากขึ้นตอนก่อนที่จะมานั่งสมาธิก็ต้องฝึกสติยพยายามพยยามหยุดความคิดให้ได้ก่อนครับแล้วนี้แหละครับโอเคนะกันดีครับ อะที่ท่านต่อไปคุณสุภาธนาเ<ม>ชิญ<ม>คุณสุภาธนาจากบอวินเสียงไม่เข้าอา่อาราวัติการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจากบอวินเจ้าค่ะอมีมีมม้แค่ว่าตอนนี้พยายามหยุดความอยากอยู่แล้วก็ฝึกเรื่องสติที่พระอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันมันหลับอะค่ะ ก็พยายามจะไม่ให้ไม่ไม่ให้หลับแล้วก็เหมือนเหมือนว่าพอเราเงียบปุ๊บแล้วเราลุกขึ้นมาหายใจอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราถ้าเราเข้าใจว่าเราหลับอย่างเนี้ยค่ะตอเรารูกก้เราก็ขึ้นมาหายใจแล้วก็ยืดตัวได้ไหมคะแต่เราไม่ขยับอือคือไม่เป็นไดนะ้่ะเพราะว่ามันก็มันถ้าหลับมันหลับมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีก็เออก็จะยืดตัวจะลุกขึ้นมาเดินก่อนก็ได้เพื่อให้มันหายง่วงก่อนก็ได้ เดี๋ยวมายืดย kind of ืดชักปั๊เดี๋ยวมันก็ง่วงมันก็หลับไปอีกได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเคยชินหรือเปล่าที่แบบพอเราพอเราเงียบไปเนี่ยมันเข้าใจว่าเข้ารวังแต่คือที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นการหลับก็เลยพยายามจะตแล้วีกำลังไม่พอกำลังไม่พอค่ะลุกขึ้นมาเดินก่อนนะลุกขึ้นมาตกสติขึ้นให้มากขึ้นก่อนเดินจงกรมไปก่อนถ้ามีที่เดินก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนแล้วค่ะ อันนี้กลำลังพยายามฝึกนั่งสมาธิแบบให้ดูตัวแล้กินข้าวกินให้น้อยหน่อยก็ได้ให้มันหิวมันจะได้ไม่ไม่ง่วงมันได้ไม่หลับค่ะอลองถามคนที่เขาเขาไม่กินข้าวเลยเขาจะเส็กว่ามันไม่ง่วงเลยมันไม่หลับนะคะทุกวันนี้ก็พยายามก็เหมือนกับทานข้าวก็แค่วันละสองมือ้ออก็คือคือทานแค่ว่าถ้าหิวค่อยทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองอาวันเว้นวันดูสิลองทานวันเว้นวันดย ยังยังไม่ยังไม่เคยนอกจากว่าอยู่วัดอย่างนั้นก็พอได้เอถ้าอยู่บ้านก็ยังยังวันเราอย่างน้อยต้องมือ้อนึงค่ะพระอาจารย์ก็อย่าให้จะมากเคยกินสองชามก็แค่ชามเดียวะถ้ามัน ห, หิวหิวให้มันกิน <ขา S 2> แบบไม่ถ้ามันไม่หิวแต่ไม่ใ ห, ม ห, มหม้มันไม่อิ่มไม่อิ่มแต่ไม่หิวไม่หอยู่กลางมันจะน่าไม่ม่วแล้วค่ะก็ตอนนี้พยายามจะ ทีพ่พะอาจารยว่าสติน้อยก็พยายามฝึกสติแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้ให้ดูตัวอย่างเงี้ย้าค่ะเออได้พยายามฝึกสติก็ควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยไปก็ค่ะอ๋อก็หยุดอยากก็หยุดอยากนี่ตอนนี้พยายามหยุดอยากให้มากๆแล้วก็เนี่ยมานั่งสมาธิให้มีความรู้ตัวเนี่ ย, ยค่ะอาจารย์เออดี้็ค่ะเรขอบพระคุณพอาจารย์เจ้าค่ะมาสักการพอาจารย์เจ้าค่ะโอเคอคุณนอะรที่คุณนอร์ที่จากนักเกล้าพัทยา มาสักการ์ดค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามาฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรอกับพระอาจารย์ที่ที่วัดค่ะคุณมีวันพะโอเคพรุนี้ไปนั่งสมาธิที่วัดนะค่ะเมื่อวันจันทร์ก็ไปวัดมาค่ะในนั่งสมาธินะดีไหมสงบไหมสงบค่ะเดี๋ยวนี้หนูสวดมนต์ทำวัดเช้าก่อนประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วค่อยนั่งสมาธิก็จะได้ด้านดีค่ะโอเคค่ะ ทำไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งนะไม่ทิงค่ะก็พูดโธรตลอดอะค่ะท่านึใดก็พุดโธรอย่าประมาอย่าไปคิดว่าทําได้นะว่าหยุดทําแล้วมันจะอยู่หรือไม่อยู่นะพอหยุดมันก็จะหายนะค่ะเข้าใจค่ะฟังจากที่หลายๆท่านบอกแล้วหนูก็เชื่อค่ะเพราะว่ามันมันขาดไปได้มันหายไปได้กําลังมันหายได้รอตอนนี้ก็เริ่มมาแบบว่ามองมองแฟนตัวเองทุกวันเป็นกระดูกเขาก็ว่าหนูมองอะได้อร แต่ว่าก็ก็พิจารณาเขาอะค่ะว่ามองเขาแล้วก็มองอเราด้วยจะได้จะได้ไม่หลงเห็นก็าเป็นกระดูกว่าเราเราก็เป็นเราก็เป็นกระดูกเหมือนเขานะค่ะใช่ใช่มองตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าเวาเหมือนนั่งทันข้าวเนี้ยมันตรงข้ามกันไงคะ ดูก็กินข้าวไปแต่ก็มองไปด้วยว่าอันนี้เนี่ยนี่ก็คือกระดูกปองเข้าไปนี่ก็คือเป็นอันนี้ก็จะเป็นจมูกอีกหน่อยก็จะโบอะไรเงี้ยตาโบมองไปอย่างเงี้ยเลยนี่ยพ่อจารย์แล้วก็มองตอนขนาดกาลังกินข้าวด้วยก็มองมองสองคนเลยมองเห็นโครกระดูกสองคนนั่งกินข้าวกันอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพยายามค่ะเพราะตอนนี้หนูก็พยายามดูรูปพวกอนาโตมีอยู่นะคะเวลาเวลามองแล้วมันจะได้ขยายมองได้เห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่มองแล้วา ม, ามันมัแล้วมันเพียงแค่มันฟังอยู่ในใจจดจําให้มันอยู่ในใจเราค่ะมีมีวันหนึ่งนะคะอาจารย์อยู่ๆมันจะคิดขึ้นมาเองนะคะอุ๊ยถ้าแม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นแม่นะคะหมายถึงอยู่ๆความค<ม>ิดหนูขึ้นมาเองว่าอุ๊ยถ้าแม่ตายแฟนหนูตายหนูจะทำํำยังไงอ่ะอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองเอแล้วหนูก็ตอบตัวเองในใจอะคะ่ะ<ม>คือคือถ้าเขาตายแล้วหนูต้องร้องไห้แล้วถ้าวันนึงที่หนูตายก่อนหนูเขามต้องานั่งร้องไห้กับหนูเปหลหรอ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องตายเหมือนกันเท่านั้นหนูก็เลยหยุดเลยเอออย่างนี้เลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็แบบตัดไปเลยเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะเออดนี่ต่อไปไม่ต้องไม่ร้องไห้นะใช่ไหมค่ะคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าท่าถ้านหนูเขาตายเขาหนูเขาตายหนูร้องหนูตายเขาจะร้องไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหะทุกคนต้องตายอะ่ะออก็เลยหยุดความคิดเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะไม่ไม่ถูกเลยแบบเออตัดไปเลยตายก็ตายอะเนาะอย่างค่ะ ลงได้ก็ดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกราบพระอาจารย์ค่ะไปรอกราบที่วัดนะโอเคสาวเจอจ่านคุณพิมพิดาธนรัตน์ไปยังไงที่อยู่วอรจิเนียใช่ที่กลับมาอยู่บางไทยใช่ไใช่ค่ะพระอาจารย์กลับนมัสการค่ะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเท่าเหรอค่ะกลับมาจากวันที่วัดทำแล้วค่ะกี่ีวันะไปอยู่ที่วัดได้ยังสองเดือนยี่สิบวันค่ะพระอาจารย์โอ้อยู่ได้ยาวเลยนะค่เป็นยังไงดีไหม ดีมากเลยค่ะก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานค่ะก็รู้สึกว่าอทั้งเรื่องสติแล้วก็สมาธิปัญญาก็รู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอตอนนี้กลับมาก็พยายามรักษาแล้วก็กลับมาปรับเข้ากับชีวิตประจําวันค่ะพยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะมัคงจะสู้ตอนที่เราไปอยู่วัดไม่ได้หรอกแต่ก็ก็อยากทิ้งมันค่ะ มีอะไรจะทำไหมวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามารายงานตัวค่ะ <Okay. S 2> ว่าหนูกลับมาแล้วค่ะก็ยังไม่รีบกลับสหรัฐใช่ไหมค่ะหนูจะกลับสหรัฐประมาณมบ่ายเดือนกุมภาค่ะจริงๆตั้งใจว่าอยากจะไปกราบพระอาจารย์ที่ที่ชนบุรีก่อนแต่ว่าโควิดก็ไม่แน่ใจว่า อ, อั<ะ>อนนี้ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะ ก, ก็ก็กราบตรงนี้แหละเหมือนกันกราบทางซูงนเจอกันอยู่ ค่ะเวลาจะไปก็มาเซอร o กูตบาหน่อยก็แล้วกันค่ะถ้าค่ะถ้าถ้าไปเราก็จะยังฟั่งพ้าจารอยู่ได้ติดตามได้อยู่ที่ไหนยันนี้ติดตามได้ทุกคนทุกแห่งค<า>่ะพวกเรายุคนี้โชงดีนะที่มีพวกนี้ยงั้นติดต่อกันไม่ได้ในช่วงนี้ถ้าเป็นเจอโควิดนี้บ้านใครบ้านมัน<ช>แต่นี้เรายังสามารถทํางานได้ติดต่อกันได้ไปเรียนหนังสือได้เราอยู่ในยุคที่โชงดีมีอินเทอร์เน็ต มาเป็นตัวให้เราสามารถดําเนินกิจการของเราต่อไปได้ถ้าถ้าถ้าสิบปีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีทางเลยไม่มีทางที่ยัง<ช>มีพวกนี้มาให้เราทํารายได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวถือว่าโชคดีค่ะพระอาจารย์โอเคนะงนั้นกลับไปที่ท่านต่อไปค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคุณจอยจากพัทยาจอย อันนี้หมดหรือยังออกจากควอลันทีนนด้ยังสิบสี่วันได้ยังออกแล้วค่ะอาจารย์เราก็เลยเราไม่มีใครเป็นอะไรในบ้านทุกคนไม่ใครเป็นทุกคนหรูอเป็นเป็นแต่ไม่มีอาการไม่มีอาการไม่มีใครเป็นแต่ไม่เชื่อเหรอเคยไปตรวจเจอเชื่อไม่มีแล้วคิดว่าไปติดเชื้อมาไปนนทบุรีมาเขากลัวว่าเราไปที่สูงเสี่ยงค่ะอ๋อก็เลยให้กักตัวไว้ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีใครเป็นอะไร พรุ่งนี้จะไปใส่บาตรค่ะอ่อไปได้ทั้งเลยได้ค่ะพรุ่งนี้จะไปกับแม่แล้วก็กับเด็กๆโอเคได้เจอกันวาไงองน้อยพรุ่งนี้มาเอานมใช่ไมเรียอาจารย์เรียแล้วแล้สอดีครับอพนี้มาเอานมหมเอานมป่าแล้วคนโตสองคนไปได้ไปด้วยกันหมดเลยพรุ่งนี้มาเร็ว น้าามากบทีมเลยยังไงทางกานบ้านอยู่แล้วองเราค่ะโอเคนอนคุยกันอยู่ค่ะพยายามั้าใจในทุกเสกันนะโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคสาธุสาธุท่านต่อไปคุณจินนาชมกลิ่นเชิญคุณจินนา ไม่จำอยู่ที่ไหนถามนวัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่เอ่อลงไม่ขีดค่ะลงไว้ขีดขีดบาละมุงอ่ะใช่ค่ะอเคการวัดช่องลมแล้นะค่ะใช่ค่ะเอ่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะอต่อยากจะฟังไปเรื่อยๆก่อนค่ะได้เชิญงั้นก็เชิญฟังไปก่อนนะแล้วมีเวลาค่อยถามทีหลังก็ได้ คุณทวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญคุณทวิสากล่าวธรรมสการ์าจันค่ะอ่าวันนี้มาเปิดร้านนั่นเลยค่ะวันนี้เปิดร้านทํางานค่ะก็เลยเข้ามาช้าค่ะตอนนี้ที่ที่ท่านกี่มองว่าเนี่ยตอนนี้เอ่อจะบ่ายสามแล้วค่ะจะบ่ายสามครึ่นะต่างกันอีกต่างกันหชั่วโมงนะ ใช่ค่ะ6ชั่วโม ง, โมงเดี๋ยวสักประมาณเดือนเมษาเนี่ยมีนะเมษาก็จะเปลี่ยนเป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมง d ดลิเวอรี่เซอร์ค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เข้าเข้ามารับฟังค่ะกำลังลมีลูกค้าบ้างไหม ว, วันหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีมีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลให้ให้ใ ห, ให้ให้ร้านนวดร้านเทลปี แล้วก็ร้านตัดผมเปิดได้ค่ะจนะถึงจนถึงเดือนสิ้นเดือนกุมภาแต่ว่าร้านอื่นปิดหมดเลยเป็นอร<พ>อว่าเป็นเหมือนเป็นการรักษาตัวนะค่ะค่ะเขาก็เลยให้แบบว่าให้ให้ให้แบบอะไรที่จะที่จำเป็นกอดกอบกดได้ค่ะส่วนร้านอาหารหรือว่าอย่างอื่นร้านขายเสื้อผ้าช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ก็ปิดหมดค่ ะ, ะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่สิบแปดค่ะ ก็จนถึงจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ต้องมีโัวกาเยอะๆนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็เอาทำเท่าที่พระอาจารย์บอกอะค่ะคือจะเอาทาไปทำาปเอาไปทำไมอะไรเงี้ยเอาแบบแค่แบบเราเรามีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาบริหารเวลาเอาอะค่ะท่านได้เอาความสบายใจดีกว่านะคะเอาเงินมากบ้างมันทุกข์ใจเพราะมันเครียด ใช่ค่ะก็เลยว่าคือแบบบางครั้งก็คิดคิดคิดก่อนหน้านั้นกันเออเราจะทำไปลูกก็ไม่มีเราก็เออเราจะทําไปเพื่ออะไรเราก็เลยคิดว่าเราทําที่แบบว่าเออจังหวะที่รอให้ทุกอย่างเข้าที่อะไรเงี้ยเราก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยการทำเข้าที่ทําได้ค่ะอย่างนายกราชการีที่กล้าต้องสอนให้เอาเศรษฐกิจพอเพียงนะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท่าไได้ก็พอค่ะครับ เขาคิดว่าจะทําแบบนั้นนะคะ <Okay. S 2> คือตอ น, นก็ก็พยายามต่อสู้กับความขี้เกียจของตัวเองอยู่ค่ะคือตอนนี้ตอนเช้าปฏิบัตินั่งไม่ได้แด้แค่ก็ตอนคืนพอเช้ามามันตื่นค่อยตื่นยากค่ะท่านก็ <c ười> <c ười> เลยพยายามพยายามจะเพิ่มเวลาให้มากขึ้นนะคะคือ <c ười> <c ười> มาให้เป็นสักประมาณสามช่วง <c ười> เหมือนที่ท่านพระอาจารย์บอกค่ะก็ <c ười> <c ười> แต่ว่ายังไม่ได้เลยตอนเช้า ได้จะลกังวลให้คิดว่าเรากำลังไปกรอบกกยเงินทองที่มีค่าอย่กางเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เนี่ย ม, มันจะได้มีกําลังใจว่าเราไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้อะไรเรากำลังจัดสมริยัสรัพย์อยู่ ม, มันนักมันจะทำให้เกิดความปรัญญาขึ้นมาได้ค่ะให้คิดแบบนี้นะคะเกิด คิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นการสร้างอริยทรัพย์ค่ะซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้เราในโลกนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่อริยทรัพย์นี่เราเอาเอาเอ า, เอาติดตัวไปได้พยายามทำก่อนนะค่ะช <นะ S 2> ูะ เ, เ, ก, เก่าขอบคุณค่ะขอบคุณเอกตอนนี้ทดลองอีกครั้งดูดิเสียงมาไหมวันนี้ กลับน้มักการพระอาจารย์ครับผมอ่มาแล้วเชิญเลยมีอะไรไหมครับผมก็กับเรียนรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ออก็เป็นห่วงสัปดาห์ที่การต่อสู้กับเวทนาครับพระอาจารย์ในช่วงตอนเช้าเกือบทุกวันครับก็น้ำหาวมันหนาวมันมันไม่หนาวครับมันปวดครับพระอาจารย์ออก็ช่วงชั่วโมงแรกไม่ไม่ปวดครับปวดโล่งเบาครับหลังจากนั้นก็เริ่มปวดขาครับ ก็พีนาไปก็ทวนก็เดี๋ยวนี้มันมันมันเกือบจะชินแล้วครับอาจารย์แต่ก็สู้สู้อยู่ครับกำลังใจยังดีอยฮะก็นั่งตีสี่ถึงหกโมงอะครับมันช่วงประมาณห้าโงครึ่งถึงหกโมงช่วงนี้ฮะมันจะปวดะครับ mm hmm. มันมีหายไปบ้างครับอาจารย์แล้วก็หายไปนิดหนึ่งหายไปไม่ไม่เยอะแล้ว ก, กลับมาอย่างเงี้ยฮ mm hmm. ก็ ก็ทนทนนั่งจนถึงให้ครบสองชั่วโม ง, ค, โม ง, ง, โมงครับสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยครับก็อย่าทนาเฉยๆนั่งนะให้มีสติพนะยายามขยันท่องพุโทโธไปแล้วขยันสวดท่องอาการสาสิบสองไปดีกว่าออจไัไผมจะได้ไม่ทรมานะถ้านั่งเฉยๆแล้วสู้กับเวทนามันจะทรมานใจครับผมใช่ครับให้ลองท่องพุทโธไปสวดอิติปิโสไปแล้วอาการสาสิบสองไปดีกว่า ถามันจะเบามันจะไม่รู้สึกทุกข์ครับความเจ็บของทางร่างกายครับผมเพอพอพอตอนนี้ก็เพิ่มเช้ากลางวันกลางวันก็ฟังเทศทาราจานแล้วก็ตอนเย็นก็ปฏิบัติเหมือนเดิมมาฮะตอนเย็นก็เริ่มประมาณสักทุ่มเดินจุ ก, กมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อมีเบกเบรกขึ้นไปห้องนอนก็นั่งต่ออยประมาณสักอีก ชั่วโมงเนี่ยครับอาจารย์แต่ช่วงตอนเย็นอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเวทนาสัเท่าไหร่ครับอาจารย์ออืมจะจะมีช่วงเช้าครับช่วงเช้าหกวันก็เจอเวทนาวันนึงด้ันมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ครับจะมาตอนไหนก็ต้องยอมรับสภาพของมันไปแต่เราไมต้องไปทุกกับมันได้เราก็หัดอยู่กับมันไปครับ ครับผมไม่มีอะไรบ้างวันนี้ีไม่มีฮะเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้เทศให้กับญาติธรรมเอก่อนหน้านี้ไปก็เยอะแล้วเกี่ยวกับเวทนาครับพระอาจารย์พ่อพงน้องนําผมพระอาจารย์ไปปฏิบัตินะครับเดี๋ยวก็กลับในงานพระอาจารย์ในสัปดาห์ต่อไปครับผมได้เชิญครับกลับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับสาธุครับท่านต่อไปคุณหมอพีระพันธ์คุณหมอเชิญ กล่าบหลวงพ่อครับหลวงพ่อได้ยินไหมครับได้ยินยินชั้นดีเชิญเลยโอ้ครับครับหลวงพ่อสบายดีนะครับสบายดีครับก็หลวงพ่อครับคําถามอยากจะถามเกี่ยวกับขันห้าครับของเ อ, อของของผู้ที่ไม่มีกายเนื้อ ท, ที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์นะครับหลวงพ่อเขามีขันครบไหมครับหรือ <ใน S 1> ว่าเขามีแค่ 4, สุ่สี่ขันมีนมามขันจิตตอนนั้นไม่มีไม่ไม่ได้ไปกาะเกีดยวกับยูประขัน คือถ้าไม่มีอายตนะก็คือว่าไม่มีรูปปันหารก็ก็าอาศัยก็อาศัยความจําที่ไปจดจําอายตนะต่างๆมามาฝันมามาเล่นมามาเสพเป็นความฝันไปเสพความฝันเหมือนตอนที่เรานอนหลับนี่เราก็ไม่มีร่างกายเพระฉะนั้นจิตก็ไม่มีร่างกายเพราะร่างกายหยุดทํางานร่างกายพักผ่อนรูปเสียงกิ่นรสก็ไม่เข้ามาทางทวารจิตก็เลยอาศัยสิ่งที่ได้ไปทําไว้ ที่มีเก็บไว้เป็นสัญญาเอามาเสร็จแทนเสร็จเป็นรูปแบบของความฝันไปเหมือนเปิดเปิดวิดีโอดูหนังเก่าอ่าดูหนังเก่าไม่ใช่ดูหนังส่งอือเพราะฉนั้นเพานั้นเราไปถ่ายหนังแบบไหนมามันก็จะให้เราดูแบบนั้นไปถ่ายหนังดีมันก็ได้หนังที่มีความสุขก็จะมีความสุขไปถ่ายหนังที่มีความทุกข์มันก็จะมีความทุกข์คือถ้าไปทําบาปมันก็จะไปบันเทิงเรื่องราไม่ดีไว้ ถ้าไปทําบุญมันก็จะบรรทุกเรื่องราวที่ดีเลยแล้วมันก็จะมาฉายฉายตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราไม่มีร่างกายฉายแล้วเราก็ปรุงต่อไปเรื่อยใช่ครับห แ, แล้วก็ปรุงเน่นไปกับมันไปอืมโดยใช้ subject โดยใช้ subject เป็นเป็นหนังเก่านี่แหล ะ, ะหนังเก่ามาแล้วมากระตุ้นให้เรามามีปฏิกิริยากับที่หนังเก่าที่เราไปเจอไปเห็นเข้าอโอ โอก็เพลินถ้าเป็นเทวดา้ก็เพลินไปทั้งวันก็คือเพลินไปทั้งวันท <นะ S 1> ั้งคืนมันได้ไปเที่ยวไปทําเที่ยวไปทําอะไรสิ่งที่ดีต่างๆไปเพราะนั้นถ้ า, ถาไม่ไมีมถ้าไปมีเรื่องมีลามันก็จะมีเรื่องเวลาให้ออฝันอยูอย่ครับเพราะนั้นถ้าไม่มีอายตนะนี่ก็ไม่มีทางปฏิบัติ ท, ทําได้เพราะว่าต้องใช้ใช้กายใช้ใช้ใช้ทาศีนั่งพ่อก็ ทำธรรมได้อยู่ถ้ามีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือว่าหลานแสดงธรรมแล้วเราจใจเราใฝ่ใฝ่ทำธรรมเราก็จะไปฟังธรรมได้แล้วในช่วงนั้นก็จะปฏิบัติตามที่ทํามธรรมที่เราฟังได้คือ ป, ปฏิบัติเกียตอ่าปฏิบททัติเกตเช่นฟังธรรมไปบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ได้อย่างแม่ของพระพุทธเจ้านี่อืมวันนี้เป็นกรณีที่เอ็กเซปชันมากนะคุณหลวพ่อถ้าต้องมีบ้านหลานไป ท, ที่ที่มี ทีมีความสามารถติดต่อกับกายคิดได้ถึงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้เรียนเรียนทำได้หมายความว่าถ้าเกิดสามารถบรรลุหมายความว่าทิ้งละสักยทิถีได้โดยไม่มีร่างกายเนี่ยคือต้องต้องต้องผูง้นั้นต้องถูกสอนด้วยผู้พิเศษนะครับหลวงพ่อคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเพราะรว่าใช่ต้องมีคนสอนเพราะไม่รู้วิธีละศักยทิถีจริงๆว่าเป็นยังไง เช่นว่ า, า จ, จะฝันว่าเราไปเจออุบัติเหตุจะตายอย่างเงี้ยตายเราก็ทุกข์ขึนมาได้แต่ถ้าเราได้ยินมีธรรมะมาบอกว่าร่างกายไม่ใช่เรามันจะตายก็ปายมันตายไปเราก็อาจจะบรรลุปเป็นโสดาบานขึ้นมาได้ในขณะที่เราไม่มีร่างกายก็ได้คือละล ะ, ละด้วยจิตละละด้วยท่านรู้เลยใช่ไหมครับหลวงพ่ อ, อก็ละตัวด้วยสังขารไงสังขารการเคลื่อนตัวแต่ที่คิดไปทางปัญญาที่ไปทําตายนะ เพราะเวลาที่เราฝันที่ความจริงเราไม่รู้ว่าเราฝันนะเราเหมือนก็นเราตื่นนะเหมือนกันเราอยู่กับเหตุการณ์จริงๆอ่ะจริงครับใช่ไหมเราจะมารู้ตัวตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไอ้เมื่อกี้ฝันแไปฝันโอ้โวิ่งหนีคนจะมาทำร้ายเราวิ่งหนีถ้าเป็นแทบตายเงี้ยเหนื่อยมากอเหนื่อยมากครับแต่ถ้าเรามีปัญญาช่วยน่าแต่ว่าถ้าหนีไม่พ้นมันจะฆ่าแล้วก็ให้มันฆ่าไปว่าตายก็ตาย ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็บรรลุได้อืเหมือนจะยอมตายในฝันนะครับเราก็ยอมตายในฝันเหมือนกันเลยเพราะมันตอนนั้น ม, มันไม่ได้เป็นฝันะ่ะในความรู้สึกของเราเนี่มัเราที่าเรากําลังอยู่ในโลกของความตื่นของความจริงครับ น, น, นะครับที่ไม่มีร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาที่นอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายตายไปจิตก็จะอยู่ในโลกของความฝัน ฝันดีก็เพราะบุญที่เราสะสมไว้พาฝันไปฝันร้ายก็เพราะบาปที่เราทําไว้เป็นเป็นผู้พาไปถึงไม่ได้ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยฝันร้ายก็เป็นพวกเปรตพวกอสูรร่ากายเป็นพวกนรกไปฝันนี้ก็เป็นพวกเทพพวกพรหมไปพวกพอให้ฝันพวกพรมไม่ฝั น, พ ว, มมฝนพวกเทพฝันแล้พวกพรหมนี้เขาได้สมาธิจิตเขาเน่งเขาเป็นฌานไป ไม่มีไม่มีความคิดไม่มีความคิดแต่มีความสุขที่กระจากการมีฌานก็ติดติดฌานไปอก็อยู่อย่างนั้นไปเสดงว่าเสดงว่าแล้วทําไมพระพุทธทำไมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าพบภูมิมนุษย์เนี่ยปฏิบัติปฏิบัติทําง่ายกว่าง่าย<ห>กว่าเพราะว่ามนุษย์นี่มันมีมันการรับรู้เยอะกว่ารับรู้วิทยาทนต่างๆเข้ามาแล้วก็มีมีทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นเทวดานี่มันต้องอาศัยจินตนาการจินตนาการของใจถ้ามันไม่มีจินตนาการที่มาทําให้กระตุ้นให้มันใช้ปัญญามันก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาอืมเพราะว่ามนุษย์มันมีทุกข์ใช่ไหมว่ามันมีทุกข์มนุษย์นี่มันมีทั้งสุขทั่งทุกข์เนี่ยมันมันมาได้ทุกเวลา ครับวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาไม่รู้จะเจอสุขก็จะเจอทุกข์ก็ได้ใช่ไครับแต่เทวดานี้แฮปปี้อย่างเดียวถ้ามันเป็นช่วงของของบุญมันก็ไปแต่เรื่องดีๆให้ให้ฝันมันแต่เรื่องสุขไปถ้าเป็นช่วงของบาปก็ทุกข์ไปถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักวิธีแก้ก็ต้องทนไปกับความทุกข์ที่มันปรากฏให้ให้รับรู้ไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนครอภูมิไปใช่ไหมครับผมก็จนกว่าจนกว่าจะได้น่างกายใหม่มันก็มันก็ ก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ครับอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากครับน้องเนี่ยคือท่าเรื่องของท่านรู้ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่เชื่อมติดกับท่าจีนน้ำโลภไฟมันก็จะเป็นท่านรู้ล้วนๆอยู่ตามลาําพังถ้ามันก็อาศัยสัญญาสังขารนี่ยเป็นตัวสร้างภาพสร้างเรื่องราวขึ้นมาเป็นเหมือนเสมือนจริงไงโดยใช้โดยใ ช, ยใช้ไอตัวที่เป็น ตัวสัญญาก็เป็นตัวฟีดตัวฟีดเ <feed S 1> ข้ามาใช่ใชสัญญาเป็นเหตุการณ์ที่เราไปทํามามันบันทึกไว้หมดเลยทําบุญไว้มันก็วันทึกไว้ทําบาปไว้มันก็บันทึกไว้เอามาเป็นข้อมูลมันเป็นข้อมูลแล้วก็มาแล้วสังขารก็มาปรุงแต่งอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเทวดาที่เขาสามารถทิถีเนี่ยเขาก็สามารถฟังทำได้อย่างที่หลวงพ่อว่าถ้าเขาไม่เคยฝึกไว้ก่อนเขามีความสนใจธรรมะเขาก็จะสวา่างไง ถ้ามีผ้าหลานที่ไหนแสดงธรรมก็จะไปฟังธรรมกันเหมือนพยายามจูนคลื่นไปหาผ <พา S 2> ้าหลานาาาที่ท่านส่งกระแสจิตมาอืมในระดับของเขาเขาก็สามารถที่จะเข้าไปรับกระแสของธรรมที่ท่านแสดงได้คล้ายๆหลวงพ่อซูมเนี่ยนะครับสูมไปทั่วโลกเนี่ยอก็เหมือนกันถ้ามีถ้ามีเครื่องเครื่องสูมก็สามารถที่จะเชื่อมเข้ามาได้อืม แล้วเขามีการแสดงธรรมอยู่เป็นเป็นแบบหลวงพ่อไหมครับเป็นประจําไหมครับหลวงพ่อก็พระอรหันต์แต่ละรูปน่าแต่ว่าท่านมีมีมีพลังจิตหรือไม่คือมีอุปจารสมาธิหรือไม่ท่านต้องมีอุปจารสมาธิถึงสามารถที่จะแสดงธรรมให้ผู้กายทิพได้อืาอย่างนั้นบางรูปก็ไม่มีอุปจารสมาธิเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องมีในการที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เลยไม่ไปฝึกทางอุปจารสมาธิกัน ใช่สวดตามอัปปนาสมาธิคือต้องมีอุเบกขาต้องมีอุเบกขาแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาได้แล้วก็ ล, ลักิเลสได้ก็บรรลุเป็นท่าอรหันได้อุปจารสมายที่นี่คืออภินยาใช่ไหมพ่อที่พ่ อ, อ พ, ญญพูดอภินยาใช่<ะ>แล้วลึกล้ำได้ติดต่อกายทิพได้อ่านวาลาิจของผู้อืน่นได้เป็นตอนนี้ญาติโยมนันนเฉยนี่อาจจะไปรู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ก็ได้ถ้ามีมีอภิญยาอันนี้ ครับต้องระวังความคิดครับก็สมัยที่พาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเขากลัวมากเวลาท่านแสดงธรรมนี่เขาต้องจิตใจต้องนิ่งตั้งใจฟังไม่กล้าปล่อยให้ใจไปเผลอไปขึ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสมัยที่ครับตอนที่หลวงปู่มั่นแสดงธรรมท่านบอกว่าท่านส่งจิตมันดูจิตคนอื่นไม่ได้เพราะต้องอยู่กับเรื่องธรรมก็เลยต้องอาศัยลูกศิษย์ที่มีพลังจิตคอยให้ทําหน้าที่แทนอ๋อ ถ้ามีครูบาอาจารที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ที่มีพลังจิตเวลาท่านแสดงธรรมท่านก็ฝากให้องค์นี้คอยส่งมาดูสอดส่องดูว่าองค์ไหนทะเลยทะลาย ไ, ไปคิดเรื่องมันเห็นหรือเปล่า อ, อ๋อครับคอยคอยถือไม้เร็วนะครับะจะได้เกินได้ทําไมไปคิดอะไรทําไมอ๋อครับครับครับสาธุขันหลวงพ่อใ ห, ให้ให้ท่านอื่นบ้างครับขอบพรคุณครับ ค, ครับอคุณสุภัพตาเชิญจากดาร์ลัสเท็กเป็นยังไง กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าง่มีอะไรไหมวันนี้ขอขอถามต่อจากคุณหมอนะนะคะคะว่าแล้วแล้วอย่างงี้ท่านนิพพานแล้วเนี่ยก็ยังมีขันตีอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะมีแต่มันแต่มันจะไม่ทํางานมันมันจะเลิกมันจะมันสั่งได้สั่งให้หยุดทําก็ได้สั่งไม่ให้ทําก็ได้เพรมันไม่มีความมันไม่มีตันหาตัวกระตุ้นให้มันเป็นมันไปทํา แต่ถ้าเจิตที่ยังมีตันหาความอยากอยู่มันก็จะไปกระตุ้นให้สังขารเนี่ยไอวิชาปัจจยาสังข า, าราบุ่มแตกมันก็จะบุ่มแตกหาลูกเสียงกลิ่นโน้นหาหาน้นหาเนี่ไปแล้วมันก็ไปหาหาลูกเสียงกลิ่นโน้นที่มันหาได้ถ้าไม่มีร่างกายมันก็หาในสัญญาในความจําของมันที่เคยไปเที่ยวที่นั่นเคไปทำอะไรมามันก็จะเอาเอาลูกเสียงกลิ่นโน้นที่มันบันทึกไว้ในใจนใี้มาม า, มาเสกใหม่ ก็แปลว่าธาตุรู้คือประกอบด้วยด้วยขันขันสี่ขันสี่ใช่มันเปับธาตุรู้ไม่มีวันตายไม่มีวันไม่มีวันเวลาเจ้าค่เวลาร่างกายตายตายไปขันเดียวคือรูปะขันรูปะขานกับเขสูดินน้ำลมไฟือแต่ธาตุเสียก็ไปกับธาตุรู้อยู่ในธาตุรู้แล้วแล้วที่ดู เอ่อที่สติประธานสุดคือดูจิตในจิตก็คือเหมือนกับว่าถ้ารู้ก็ดูขันศีรษใช่ไหมเจ้าคะก็ได้แหละดูอาเรมณ์ดูความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตอารมณ์วันนี้เศร้าหมองหรือเบิกบานอารมณ์วันนี้หงดเหงื่อเรื่อสบายนี่ก็เป็นอารมณ์นี่คือการดูจิตคําว่าดูจิตก็คือดูอารมณ์ของจิตดูแลปล่อยวางก็ให้เหมือนว่ามันเป็นอนนี้จังอย่าไปยึดอี่าไปติด แต่มักแคชอบอารมณ์ดีพออารมณ์ไม่ดีก็ยิ่งไม่ยิ่งยิ่งไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันดีมันยิ่งเครียดใหญ่มันยิ่งทุกข์เป็นใหญ่แต่ถ้ามีสติรู้ทันก็มันไม่ดีก็รู้ไม่เป็นไรมันก็เหมือนดินฟ้าอากาศวันนี้แดดออกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะมืดขึ้นก็ได้สดับกันไปสดับกันมาพิจารณาให้มันเหมือนว่าเราพิจารณาดินน้ําบบพิจารณาดินฟ้าอากาศไปเราจะไม่ทุกข์กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น บาทีาันแต่มารู้สกอารมณ์ น, นี้หมดเย็ดขึ้นมาแต่เช้าเลยก็มีใช่ว่าวันนี้มันหมดเย็ดก็รู้วเฉยๆอย่นมนเกิดกับมันอย่างรตาง น, เนะเราผรู้ก็ให้รู้เฉยๆไปนี่ก็การดูจิตแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิดูไม่ทันหรไม่ได้ละเพราะมันจะตอบมันจะมีปฏิ ปฏิกิริยาทันทีพราะหงุดหงิดปั๊บเนี่นหาทางมันจะแก้ความหงุดหงิดก้ดีว่าหากาแฟมากินดีไหมหาขนมมากินดีไหมเปิดทีวีดีไหมอะไรมันจะหาทางแก้ทันทีแต่ถ้ามันมีสมาธิมีสติมันก็ใช้สติสมาธิแก้ให้รูกเฉยๆไม่จะไม่เหนื่อย อืมเจ้าค่ะเจ้า ล, ลูกก็พยายามฝึกต่อเนื่องอ่ะเจ้าค่ะก็ก็พยายามฝึกสติทั้งวันแล้วก็แล้วก็สมาธิสวดมนต์ฟังเทศ น, นะเจ้าค่ะก็ตอนนี้พยายามแก้คือลูกชอบเข้าไปอยู่ในห้องตอนบ่ายๆนะเจ้าค่ะทีนี้ก็พอวันไหนที่มีอะไรมาขัดจังหวะไม่ได้เข้าไปตามเวลาที่อยากเข้ามันก็จะหงุดหงิดอยา่างนันเมื่อเข้าไมได้ก็อยา่าไปอยากเลยต้อง แบบด้วยตา บ, บใจให้เข้ากับความจริงอย่าไปให้มีเข้ากับความอยาอก็พยายามก็ในเนี้ยเจ้าค่ะก็พยายามฝึกอยู่ว่าอ๋อแบบคือมันจะชอบหงุดหงิดมากเจ้าค่ะเพราะว่าอยากจะเข้าไปในห้องแล้วก็ไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็หงุดหงิดมันก็เลยจะเสียอารมณ์แบบวันนั้นก็จะแบบเอ้ยทําไมต้องมีอะไรมาขัดจังหวะแล้วนะเราเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พยายาม ฝึกอยู่ว่าก็แล้วแต่ละกันเอาวันนี้ได้ก็ได้วันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ดก็ต้องอย่างนั้นต้องเปลี่ยนความเปลี่ยนความอยากไปทิ้งความอยากไปเ้าค่ะล้วก็พิจารณาความเกิดดับเกิดดําความคิดมาก็ไปมาก็ไปพยายามฝึกเจ้าคะ่ะฝึกต่อเนื่องเจ้าค่ะอเ<จ>ะออฝึกให้จิตอยู่กับความจริงอย่าให้อยู่กับความอยากตอนนี้บบความจริ ง, รงอะไรก็อยู่กับความจริงมันก็ไม่ทุกตอนนี้ไม่นั่งนั่งสมายที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องมานั่งมัน อาก็ชออชอบเดี๋ยนี้ชอบชอบอยู่ในห้องคนเดียวชอบครับมันก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้นะอ่าเจอค่ะเจ้าค่ะปลื้มยอมรับความจริงเจ้าค่ะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านต่อไปโทนี่พีอยู่ที่ไหนคุณโทนี่ปิดไม้ก่อน หาสวัสดีครับโอเคการน้ำมัตการครับผมครับพอดีเพิ่งมาใหม่นะครับผมพระอาจารย์ครับผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ตรงกรุงเทพแถวดอนเมืองนะครับผมมีอะไรไหมก็ผมก็อยากสอบถามเรื่องการภาวนานะครับผมผมก็ภาวนามาหลายปีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการเข้าไป รู้ความรู้สึกข้างในนิ่งๆเวลานั่งภาวนานะครับไม่ได้มีอโอ้อานาอะไรนะครับผมก็สามารถอยู่ได้ไม่ไม่ไม่แบบไม่หลงได้นะครับผมแล้วก็ผมก็พอออกจากสมาธิผมก็ใช้ชีวิตประจําวันก็จะทําอะไรมันก็เหมือนก็จะรู้ตัวอยู่นะครับผมก็อ่าก็ภาวน า, างเงี้ยมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะห่างจากสิ่งภายนอกเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์ ครับก็เมื่อกี้ผมได้ฟังคุณหม อ, อคุยสนทนากับพระอาจารย์นะครับที่พระอาจารย์บอกว่าพ ร, พระอาหารบางองค์ก็ไม่ไม่มี อ, อุปจาระก็เลยอยากสอบถามว่าอุปจาระนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิที่ต้องสุดด้วยหรือเปล่าครับผมมันเป็นสมาธิที่ต่อเนื่องจากอัปปนาสมาธิตอนจิตสงบแล้วมันไม่อยู่กับความสงบมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่าง ทอ๋อก็คือต้องสงบก่อน ต, อต้องต้องสงบก่อนแต่อันนี้มันเป็นเรื่องอุปณิสัยของแต่ละจิตที่ไม่เหมือนกันจิตบางดวงก็มีนิสัยที่จะออกไปรับรู้บางดวงก็ไม่มีส่วนใหญ่จะไม่มีพวกที่จะมีนี่มีน้อยเห็นท่านบอกว่าร้อยละห้าที่จะมีมีพลังที่จะไปมีอภิญญาเมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ครับ ยอยา่างนั้นจะไม่สําคัญต่อการที่จะปฏิบัติเพื่อล้ออากิเลสมันจะเป็นจะต้องมอีปัจจารสมาธิครับอยากสอบถามเพิ่มเติมระหว่างฌานสี่กับจิตรวมหนี่ครับมันคืออย่างเดียวกันอันเดียวกันฌานสี่กับจิตรว ม, มเป็นอัปปนาสมาธินี่ตัวเดียวกันครับจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิก็สงบได้นานถ้าเป็นคณิกาสมาธิก็สงบได้ชั่วคราวเดียวเดียว ถ้าเรามันมีเทคนิคอะไรพิเศษนะที่จะทำให้จิตรวมได้นะครตัต้องดูลมต้องต้องดูลมหายใจนะจดจอดดูลมอย่างเดียวอย่าปล่อยให้จิตไปคิดไปรับรับเรื่องราวต่างๆช่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่างได้อย่างหนึ่งดูลมก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิาเข้าสู่ฌานได้ถ้าไม่มีมันจะจิตมันจะไม่รวม จิตเปนยังจะไปรับรู้เป็นคิดปูนแต่งแต่สิ่งที่เราไปรับรู้ไปเห็นอยู่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในแต่ละครั้งที่จะสามารถรวมจิตได้นะครับผมถ้าสติดีดีห้านาทีก็ลมได้ถ้าสติอตอนนี้ไม่ไปคิดอะไรเลยถ้าจดจ่อยอยู่กับลมจดจอยอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวอ๋อครับผมแต่ถ้าไม่ดีนั่งเป็นชั่วโมงบางทีก็ไม่เข้าพุโทโธได้สองคำอ่านรับไปคิดเรื่องนั้นนะดูลมได้สับปบหนึคิดเรื่องนั้นหนะึ่งะ ถ้ายนี้มันก็ยากมันต้องอยู่แบบต่อเนื่องเลยมันจะมีเป็นว่าบางครั้งเข้าได้บางครั้งเข้าไม่ได้เป็นไปได้ไหมครับผมก็มีมีโอกาสมีส่วนอยู่ที่สติของเราในแต่ละครั้งว่ามันมันดีหรือไม่ดีถ้าช่วงไหนสติ ด, ดีมันก็เข้าได้ช่วงไหนสติไม่ดีก็เข้าไม่ได้อืมครับผมและสติของเรายังไม่ไม่มั่นคง ย, ยังน้องนู่คุกคาอยู่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี ครับผมก็ฝึกไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปท้อแท้เหมือ น, น่ายอย่าไปอยากเวลายังไม่ได้ก็อย่าไปอยากอย่าไปท้อแท้ต้องมาฝึกสติให้มันว่าขึ้นเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยววันนี้คืนนี้มันจะเข้าไปเองถึงเวลามันก็เข้าไปได้อืครับผมโอเคนะมีอะไรมครับไม่มีแล้วครับก็ขอบ ข, ขอบคุณพระอาจารย์ครั บ, ครบใครต่อไป พวกไวยกภูผามูกใหมายได้ยินไหมอ่าแล้วเข้ามาสมาชเิเล็กน้อยเล็ก น, น้อยฝนก็ใจหมดแล้วโ้น่ามาสักการเออวั น, นยังไง มีอะไรเจรัยงานหรือเปล่าภูบ้าอือไม่มีครับอันนี้ไม่มีอะไรไม่ ม, ม, มีการบ้านประสงค์นะมีกันบ้านไหมมีครับก็ปกติครันนบปกติยังไงเหมือนเดิมโอเคแล้วมุกง<า>หมายมีมุ่งหมาอะไรเปล่าก็าคือว่าแล่นนังสมาธิอะ ห น, นูอยากมาเปิดเทสให้ฟังหนูชอบฟังเทสมากกว่าพุทโธอ่ะอ่าได้ฟังเทสไปก็ได้ฟังเทสก็สงบใจก็สงบได้ฟังเทสสบายกว่ า, ไ, ไ, ไ, ว ไ, าไม่ต้องมาดูลมไม่ต้องมาพุทโธเองแต่ฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้ฟังเสียงทําไปเราประโยชนว่าย่งไรประโยช หอ บ, บหลบให้เรียบเข้ามากันว่านหนูมระสงค์ก็คือว่าวันนี้มันเหตุเกิดจากวันนี้อะค่ะตอนเย็นหลังอาบน้ําเสร็จแล้วอยู่หนูก็ร้องเพลงเลยร้องไปแล้วลว่าเนี่ออาจจะเป็นเพราะว่าหนูสวดมนต์อิติปิโสร้อยแปดจบกับคุณแม่ใช่ไหมคะหนูก็เลยติดแล้วยอยู่ก็ท่อมอิติปิโสขึ้นมาเลยหนูก็ฮะอะไรหนู ท่องอิติอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันไปถูกทางแล้วหรือเปล่ารู้ว่ามันเกิดจากไม่มสมดีถูกทางแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องบังคับต้องผักสายให้มันท่องพุทโธอ่ะสวยอย่างนี้มันสวยจนกระทั่งมันมันชํานาญแล้วมันก็เลยพออยู่ดีๆมันก็สวยของมันเองได้มันต่อไปเวลาจะสวยวนก็ง่ายสวยอิติโสไปก็ง่ายไม่ต้องมาบังคับ ถ้าเป็นรถก็รถเครื่องเตดแล้วไม่ต้องมาคอยเข็นให้มันให้มันวิ่งเริ่มมันเริ่มวิ่งของมันเองได้แนละ้วนพะออยากจะสวดบนปั๊ก็อิติมิโสภะกังวานังสัมมาไปเลยนะนี่ฝึกไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆนะสวดได้ทุกเวลาถ้าสวดในใจนี่อยู่ตรงไหนก็สวดได้สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงถ้าออกเสียงนี่ต้องอยู่ในในสภาพที่เรียบร้อยเช่นนั่งสวด เพราะคนหนุ่งงเห็นแล้วก็จะตำหนิว่าส่วนมนทำไมไม่อยู่ในนั่งให้เรียบร้อยแต่ถ้าสวดเพื่อเป็นจงรูงสตินี่สวนในใจนี่สวดที่ตรงไหนก็ได้เดินก็สวดได้นั่งก็สวดได้ยืนก็สวดได้อ๋อค่ะสาธุค่ะน่นะอมีท่านี้นะทั้งสามคนสบายดีนะอย่าลืมนะ เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะตอ น, น้าน่ผูาดื้อค่ะเอออาผาต้องต้องเปลี่ยนตัวเองหน่อยนะอย่าดื้อนะว่านอนสอนง่ายดีกว่านะสบายอาอนหลังคุณแม่สั่งอะไรบอกครับผมรีบทำทันทีเลยคุณแม่บอกให้ทำเลยครับผมเลยอ่ ครับผมนะคอชอบไม่ชอบไม่ต้องสนใจแต่แม่บอให้ทําอะไรทําเลยนะคุณแม่บอกให้ทําอะไรก็หยุดเลยเรืองอืนเ่นนี้แหละผู้พาดีหมดทุกอย่างแล้วเหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวอผูุ้บาจะเป็นเด็กตีหน้ารักนะจะเป็นที่รักที่เช่าของคนละคนอะไรพี่บอเตย โยมนมัสกาค่ะโยม <brig. S 1> ของหนูก็ก็คือเหมือนเดิมก็พยายามมวนปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแต่แ <ism> ว่าก็ตอนนี้อาทิเพิ่มขึ้นจากจากอาทิตย์ที่แล้วคือหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วก็พยายาม ตลอดทั้งวันก็พยายามมีสติอย่างเงี้ยค่ะพยายามดึงสติให้อยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแบบบางทีเข้าห้องครัวอะไรเงี้ยทางลำไกยืนเดินนั่งนอนก็พยายามคือมันก็หลุดตลอดนะคะแต่หนูก็โยมก็พยายามแหะพอเรารู้ตัวว่าเราหลุดก็อ๋อให้เรามองว่านี่เราหลุดแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็กลับมาที่สติพุโทโธใหม่อย่างเงี้ยค่ะดเน่ทำนี้ถูกต้องนะทําไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างเวลา ดููกก็อย่างเงี้ยก็บางทีก็ถ้าถ้าอยู่กับลูกถ้าไม่มีสติก็โผมโผมไปบ้านก็คือสลับไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ก็อย่าไปเครียดกับลูกเวลาที่ลูกเกี่ยวเลี้ยงเลี้ยงลิงสามตัวก็ต้องใจ ต, ต้องยอมรับว่ามันมันก็กลุมยาก <laughs> ลิงจริงใจค่ะจับปูใส่กระโดงจับตรงนี้จับปูใส่กระโดม ม่โยมก็คิดว่าโยมคิดจริง ๆ, ๆเลยค่ะโยมก็คิดว่าเมื่อไหร่น้อจะมีแบบมีโอกาสไปแบบขึ้นโตแล้วเราก็จะได้หมาแบบว่างมาสมาธิได้ทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยไปเกินแล้ดี๋ยวพอถึงเวลาก็ไปจริงๆก็เหงาเอีกแล้วเดี๋ยวพอเวลาเขาไปจริงๆก็เหงาอีกแล้วเดี๋ยวตอ <c oughs> ่อเ่า้ยตอน น, <c oughs> อนี้อยู่กับเข้าได้ก็อยู่ไปก่อนเถอะนะ เดี are, ๋ยวถึงเวลาเขาไปเอไม่ต้องปหยัดให้เขาไปแล้วเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดแลค่ะอย่างอีกคถามหนึ่งค่ะานงีอ่าะเจ้าผู้ดังๆก็คือว่าพระซจ้ชาตเคยบอกว่าถ้าถือสนหลงตาสุชาติเคยบอกว่าถ้าถือสินแปดชาวบา กอดเท่าคมได้แต่ว่ามันไม่กิเลสขึ้นเหรอคะอะไรนะสามารถสามารถาารถือศีลแปดทำไม<ส>นะคะให้น้องคือศีลแสามารถกอดเท่าคมได้แล้วมันไม่กิเลสขึ้นอ๋อการถือถือศีลแปดสามารถกอดเท่าคงได้อย่างนี้เป็นกิเลสไหมคะคุณรูอ๋อถ้ามันเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บคไายได้ป่วยก็ไม่เป็นกิเลส ใช่เพื่อให้สุขสบายอ๋อโยงเข้าใจแล้วคะ่ะคื อ, อคนเนี้ยเขาติดพระห่มคะ่ะเขาเป็นคนมีพระห่มผืนเดิแล้วเขาติดเขาก็ลังถามหาข้ออ้างใช่ไหมว่าถ้าถือศีลแปนดหนูจำผ้าห่มไปก่อนนะคะหนูคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามันจําเป็นถ้ามันจําเป็นย่งนี้จถือมันศีลแปดถ้ามันจนําจเป็นก็ไม่เป็นกิเลสถ้ามันจำเป็นจะต้องห่มก็ไม่เป็นไร ผมได้ไม่เป็นไรผมพาได้หนูหนงตาคหนก็มีอีกคำถามหนึ่งคะ่ะก็คือหนูช่วงนี้อะอยู่อยู่หนูก็ชอบ ช, ช่องสองผี แล้วทีนี้ดูตอนแรกก็อยากดูนะคะอยากดูก็อยากดูแต่ว่ามันกลัวค่ะพอดูเสร็จมันก็เลยแบบว่ารู้สึกรู้สึกกลัวกลัวไม่กล้าเดินไปไหนเลยค่ะหนูก็เลยอยากรู้วิธีแก้ค่ะผีตกใช่ไหมลูกอย่าไปดูมันเถอะก็อยากรู้อย่าไปดูมันคว า, า, ามาจริงมันไม่ใช่เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่จริงอ่ะผีจริงมันไม่หลอกเข้าใจไผีหลอกมันไม่จริงนะผีจริงๆนี่มันไม่หลอกโมก็เป็นค่ะ อผีเราไม่ใช่เป็นผีจริงโยมก็เป็นค่ะหลวงพ่อโยมโยมที่กลัวเหมือนลูกค่ะกลุ่ที่กลัวเหมือนกันว่าใจเราหลอกดูวเองไม่ใ่ถ้าใครถ้าพอเรปุงแต่งไปเองเพราโยมรู้ว่าค่ะเพราะโยมรู้ว่าใครเสียมีคนเสียโยมจะกลัวไม่กล้าไปงานส่งศพอะไรอย่าง่งขึ้นมยพี่กลัวนี่แหลักคือผีแล้วต้องต้องทํายังไง มีตัวเราใช่ไหมคะก็มันก็เหมือนเราเราก็มีผีแล้วก็ร่างกายแล้วก็เป็นผีเหมือนกันแต่เรานนี่มันยังหายใจได้เท่านั้นเองแล้วก็อยู่กับผีมาตั้งนานค่ายมก็พยายามคิดยมก็พยายามคิดกับตัวเองว่าคือก็เพียงตัวเราก็มีกระดูกเราก็เป็นเหมือนเหมือนซากศพอันนึงเพียงเดินอยู่แต่ว่ามันยังไม่ทําใจไม่ได้บอกไม่ มันเหมือนกับว่ามันยังไม่สามารถตักให้ขาดได้น่ค่ะใช่ค่ะระหว่างคนเป็นกับว่าคนตายมันต่างตรงไหนล่ะก็เหมือนกันมีอาการชาร์สิบสองเหมือนกันทางตรงที่คนตายไม่หายใจนั่นีอคนตายเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับคนเป็นนะคนเป็นเนี่ยทําทําร้ายเราได้ฆ่าเราได้แต่คนตายไม่เคยไม่เคยมีข่าวว่ามันทําร้ายเราได้ะใช่ไหม มีใครทีข่าวไม่ว่ามีศพมีศพ ม, มวิ่งไล่ฆ่าคนนั้นฆ่นาคน น, านี้มีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะมีแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นศพเนี่ยจะไปวิ่งไล่ฆ่าคนนั้นไายฆ่าคนนี้กันใช่หมาดูสิ แ ล, แล้วแล้วเวลาที่เราเกิดจิตหรือเกิดความรู้สึกกลัวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเวลาคือโยมมาพิกพยายามพิจารณาอะไรบางทีโยมก็เอาหนังสืออ่าที่ผ่าผ่าศพใช่ไหมคะที่เป็นข้างในร่างกายเอาไว้ว่ามาดูเพื่อพิจารณาเนี่ยบางครั้งโยมดูดูแลโยมชอบจิตตกค่ะบางทีดูดูไปบางที <c oughs> ก็ย่างดู <c oughs> ถ้าจิตตกก <คน S 2> ็อย่าเพิ่งดูไปสวดมนต์แทนดีกว่าสวดมนต์ดีกว่า ส่วนีทีพีส่วนอาการ 3.2 ดูก็ได้ผมขนเล่นปั น, นหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก่อนทําจิตให้เข้มแข็งก่อนแล้วค่อยไปดูของจริงผมเคยดูหมายความว่าเวลาที่ยมเคยตอนที่โยมก่อนจะดูยมก็จะส่วนค้นใต้อาการขัน2อะการก่อนแต่แล้วยมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจิตใจเข้มแข็งแล้วแล้วยมก็เลยไปดูรูปพอดูรูปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกกลักวเพราะกลักลัว กลัวก็เลยหยดตกก็คือหมายความว่าหยุดหยุดกันยังไม่แข็งยังไม่แข็พอก็กลับมาสรวจใหม่ก่อนกลับมาสรวจก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราค่อยไปดูใหม่อย่างนั้นใช่ไหมคะก็บอกไอ้ภาพที่เราไปดูมันก็ในร่างกายเราไม่ก็มีทุกอย่างอยู่ไม่ใช่หรือทํำไมเราไม่กลัวร่างกายเราอ่ะใช่ค่ะ นั่งไปเห็นภาพในน้นใะนนะกระดาษก็ไปกลัวมันแต่ของจริงเราอยู่กับมันมานั้งแต่เกิดไม่เห็นกลัวมันเลยลองใจเหตุผลเปรียบคิดดูสิยมก็พุ่งคิดได้ค่ะก็ยมก็มพุ่งคิดได้ในทิตศนี้เหมือนใจค่ะว่ายมกลยมไปป่าช้าไปงานศพยมกลัวแต่ว่า ช่วงนี้ยมสวดมนต์ใช่ไหมคะแล้วยมก็มันตอนที่เราสวดมนต์มันเหมือนกับมีบางอย่างสะท้อนมาที่กิตของเราอ่ะค่ะว่ากูทําไมศพเรากินศพกินอาหารเข้าไท้องท้องเราก็เหมือนฝ่าช้าอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเ้าก็เป็นศพเดินได้ไม่เห็นพยายามพยายา ม, ม, ม, มคิดเราอยู่เร า, าอยู่กับสมมาตั้งแต่เกิดแล้วร่างกายก็เป็นเป็นแต่มันยังหายใจได้ท น, นั่นเองเราถึงไม่เรียก ว, ว่าเป็นศพ พอมันอยู่ท้ายใจปั๊บก็กลายเป็นศพทันเท่ใช่ไห ม, มก้านเดียวกันแนะล้ร่างกายเดียวกันเป็นศพหรือไม่เป็นศพมันก็ร่างกายเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างมีอาการใจ้เหมือนกั น, น, นก<ต>มันดีมม น, ก, น, นกลัวโยมเป็นคนกลัวเกินไปด้วยอะค่ะแล้วก็กวนขนาดว่า เคยมองสา ม, ามาีแล้วคิดๆว่านอนอยู่บนเตียงด้วยกันใช่ไหคะแล้วเกิดวันหนึ่งสามีไม่หายใจขึ้นมาแล้วตื่นมาเขาแข็งยมหน้าทงเะตกใจกลัวมากยมคิดแบบนั้นนะคะอเลยยถ้ากลัวก็ส่วนบนไปก่อนถ้าัก็ส่วนบนไปก่อนยมก็เลยอยากได้อยากของกายกันตายยมว่ะ โยมจะทำยังไงดีให้โยมตัดความรู้สึกแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าลดทําุรโธไปก็บบ้ได้ทําพืาลดคามร้สึกแบบนได้คอ่ะลดคาพรู้สแบบไว่ดวนมนู้สก่อนค่ะเอาแค่นี้ก่อนี้ได้ะหดค้ไปใหน้คนอื่นเคามีเไราอยู่แล้วค่ะขอบ่าลความ้สีคหวาความสุขสกันทุกคนคะหอ่้เป็นเด็กะอด้นีได่ดคม้นดคือ่าคนคะ ท่านต่อไปคุณวัดิษอุณวัษณวิษเชิญกลับเข้าหองโอเคครับสองชั่วโมงพอดีเลยครับเข้าห้องมาโอเคอมีอะไรบ้าง <c oughs> มีครับปกตินั่งสมาธิไปรู้สึกติดอิม่มเอมพออิม่มเอมเสร็จแล้วต้องให้มันพอเลิอกอิม่มเอมแล้วค่อยมาพิจารณาหรือให้อิม่มเอมไปเรื่อยๆครับอิม่มเอ็มไปเรื่อยๆก่อนฝึกสมาธิให้มันสงบไปนานๆสงบบ่อยๆไม่ต้องมาพิจารณาตอนนี้ยังไม่จำเป็น แล้วควรพิจารณาตอนไหนครับแบบก็ตอนไม่ได้นั่งสมาธิแล้วตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนเดินจมกรมตอนทําอะไรตอนนี้ก็นั่งพิจารณาได้เนะทำไมไม่พิจารณากลับไปดูทีวีแทนไปดูให้นู้นนี่อทนพิจารณาได้มันไม่พิจารณาตอนที่ให้พิจารณามีเวลาให้พิจารณาไม่พิจารณาเวลานั่งไม่ให้พิจารณากรับจอยากจะไปพิจารณาตอนนั้นอืม วันวันนี้เห็นเป็นวันเออวันครบรอบวันเกิดหลวงปู่มั่นพอดีเลยครับร้อยหสเอ็ดปีก็เลยพออัานปรวัติท่านแล้รู้สึกมีกําลังใจในการอย่างในเรื่องพวกนี้เยอะเลยครับเด็กเด็กครูบาอาจารย์เนพอเราเลิกถึงท่าน้วก็ละละจะเกิดกําลังใจขึ้นมาครับวเวลาแบบรูบ้สึก น, นั่งสมาธิแล้วมันเออแบบถ้าสมมติได้กราบแบบรู้สึกไม่ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือรได้กราบพวกเพื่อนลูกสวยๆแล้วเวลาจะมันจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นนะครับเออได้อันนี้ก็เป็นส่วนช่วยในการปฏิบัติได้ ทำไมการถึงแบบนึกถึงคูบาอาจารย์กับกราบพระสวยๆแล้วมันนั่งสมาธิได้ดีขึ้นนะครับก็จิตเราชาอบอย่างนะาั้นจิตเราชาบอะไรมันก็จะมันก็ยินดีมีฉันทาโอเคครับเดี๋ยวพิจารณาคือพิจารณาได้ทั่วไปก็แบบเออร่างกายนี้มันเ อ, อพิจารณาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลานั่งสมาธิกันหนึ่ง ท่านเรื่องไม่ใช่เรื่องปฏิบัติธรรมก็มีเรื่องเครียดคือทางโลกแหละเขาก็แบบเออก็เลยหางานไม่ได้ทันทีมันก็เครียดก็ไม่แ น, น่ว่าอันนี้จางไม่เที่ยงในโลกนี้เรื่องราว ต, ต่างๆมันไม่ของไม่แน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงนี้ไม่มีงานเดี๋ยวเมื่อก่อนมีช่วงมีงานก็มีช่วงไม่มีงานก็มีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของโลกธรรมนี่ก็เป็นอันนี้จางทุกขงังวนตาตา ถ้าอยากได้งานมันก็ทุกอยากไปได้งานตอนที่ไม่มีงานมันก็ทุกตอนมีงานก็อยากจะออกก็ทุกเอกไม่อยากทํางานเวลามีงานก็กลับไม่อยากทํางานก็ทุกเอนทุกอยู่ที่ความอยากของเรางั้นตอนนี้ไม่มีงานก็อย่าไปอยากมีเลยหารงานที่เราหาได้งานกรรมฐานนี่ไงกรรมฐานนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งสร้างอาริยสัพเพนิบาลเก็บออริยสัพเพเป็นเงินเดือนไม่ดี罢了 Okay, นะจริงนะครับหรือีกข้อหนึ่งครับการถ้าเราขับรถเรามี GPS รู้ว่าเราอยู่ไหนแต่ถ้าการภาวนาอะไรคือ GPS ของการภาวนาครับอะไรคืออะไรนะ GPS ครับ GPS GPS ก็สติไงแล้วก็ลมหายใจเนี่เป็นเป็นเป็น GPS ของเราให้ก็ติดอยู่กับลมหายใจไหมนึก<อ>พุโทโธนี่ก็เป็น GPS อพอคิดถึงว่าถ้าขับรถไปเชียงใหม่มันรู้ว่า กี่กิโลเมตรถึงแต่ว่าถ้าเาการทอนยาวมแบบมันตึกมันแบบมันไม่มันมันอยู่ที่สติว่าดีหรือไม่ดีถ้าสติดีมันก็ใกล้ถ้าสติไม่ดีมันก็ไกลอครับขอบพระคุณมากครับโอเคท่านต่อไปคุณไอโฟนอ้อมคุณอ้อมอ่านี่ไหนครับพระอาจารย์บอวินบอวินค่ะบอวินอ่ะมีอะไรไหมวันนี้ อมีเรื่องหนึ่งค่ะคือเหมือนเราวางแผนว่าเราจะนั่งสมาธิวันละยี่สิบเอ้ยวันละสามสิบนาทีแต่ความเป็นจริงคือเรานั่งได้แค่วันละสิบนาทีแล้วคือพอถึงเวลาปุ๊บเหมือนเราแพนว่าสองทุ่มครึ่งเราจะมานั่งสมาธิแต่คือความเป็นจริงคือสองทุ่มครึ่งเรายัง เหมือนเล่นมือถืออยู่คือมันไม่มีมันก็มีความอยากแต่ว่ามันมีความอยากไม่มากพอให้เรามาทําตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ชนะี้แนะให้ให้แนะนํำมาค่ะก็อยากที่แนะนำบว่าเราต้องมอ ง, มองเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้จากการปฏิบัติมันดีกว่าสิ่งกับกับการปไิธรรมอะไรต่างๆอย่างอื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราติดตัวไปกับเราได้เป็นทรัพย์ภายใน เป็นความสุขใจที่เป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่สะสมไม่เวลาไปใจเราจะไม่มีสุขเรายังต้องมารอรับส่วนบุญของคนอื่นคนที่ก็มีชีวิตอยู่คิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางเตรียมเหมือนกันถ้าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินต่างประเทศไว้ใช่ไหม<ฆ>เราเงินในประเทศไทยเราไปใช้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยว เวลาเราตายเวลาก็ต้องอาศาัยบุญที่เราปฏิบัติเนี่ยไปติดตัวไปกับเราถ้าเราไม่รีบทําเสียเดีย๋ยวเวลาไปมันจะไม่มีอะไรติดตัวไปเราต้องคิดเหมือนว่าเวลาเรามีน้อยไหมคะ่ะก็อันนี้ก็มีส่วนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมถึงแม้เราอายุน้อยแต่เราจะตายอายุน้อยก็ได้ งั้นความตายจะมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เห็นตอนนี้เรามีเวลาที่จะตักตวง บ, บุญผลประโยชน์ก็รีบตักตวงเสียตั้งแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจนะไม่วันเราไปเที่ยวนี้มันตั้งใจไปได้ทันทีเลยเห็นไหมพอให้มาทําปฏิบัติทำเลยโอเอโอเออ่างนู่อางนี้ มันเหมือนมันไม่มีแรงดึงดูดเท่าไหร่อะค่ะเพราะมันยังไม่ได้ผลเลยแต่ถ้ามันได้ผลแล้วต่อไปมันไม่ต้องบังคับมันอยากจะปฏิบัติของมันเองไปเพะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามันช่วงที่มันต้องคอยเข็นมันต้องคอยเคี้ยวคอยเข็นมันต้องบังคับต้องมีความสัจจะว่าเราตั้งเวลาจะปฏิบัติเวลานี้ถึงเวลาแล้วต้องรีบทําทันทีพม่งั้นถือว่าเราไม่มีสัจจะ ค่ะะอานี้นะค่ะขอบคุณค่ะโอเคคุณนรเจินา่ลาลีอยู่ที่ไหนรมก่อนแต่มาที่การทาจันท์ค่ะอล้พูดดังๆหน่อยพูดเข้ามาใกล้ๆอยู่ไต้หวันเจ้าค่ะออที่เคเข้ามาหะครัเจิมีอะไรไหม ถามพระอาจารย์คุณเช้าเลยใช่จ้ะค่ะเช้าปิดเรียนค่ะปิดเติมปิดเรอืมก็คืออยากอาทิตย์ที่แล้วที่ถามพระอาจารย์ที่คุยกับพระอาจารย์เรื่องว่าสุดเออปว ก, การสูญเสียค่ะแล้ววันพฤหัสเช้ามาพ่อสามีก็เสียชีวิตนะคะอ่อก็<ต>ลรห้ามได้เปล่าหามไม่อ่า ห้ามไม่ได้แต่ว่าคืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเขายังไม่ถึงอายุไขแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาจะไปดีไหมคะ ด, มดีไม่ดีไม่ดีอยู่ที่ว่าจะถึงอายุไขไม่ถึงอายุไขอยู่ที่บุญที่บากราทำนะถ้าทบุญมากกว่าบาปก็ไปดีถ้าทาบาสมากกว่าบุญก็ไปไม่ดี พย<ไ><ม>ายามทำบุญนั้นมากๆทําบาปให้น้อยน้อยแล้กไปดีไปเวลาไหนก็ดีทั้งนั้นแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เสียเองโดยโดยไม่จําเป็นเน่ยเสียแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ไม่สําคัญมันก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำเนี่ยแล้วอาจารย์แล้ ว, ลวรู้สึกเหมือนตัวเองผิดนะเจ๊ะไม่ทราบว่าจะทํายังไงรู้สึกเหมืนอนกับถามตัวเองว่าเราผิดอะไร่ะเราทําอะไร ผิดไว้ล่ะถ้าผิดคราวหน้าเราก็แก้ไขาเสียอย่าไปทํามันเองไงที่อดีตผ่านมาแล้วเอมันเป็นบทเรียนสอนใจอะไรองเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วอดีตที่ผ่านมาได้แร้วเราเปลี่ยนอนาคตได้เปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยทําปัจจุบันให้มันดีอนาคตมันก็จะดีเ่ะแล้วพอเมื่อวานนี้ก็ก็เผาเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตัวเองก็ยังรู้สึก ยังรู้สึกเสียใจอยู่จ้ะค่ะก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็หายเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่ได้ฝึกมันก็อ่อนไหวไปตามเหตุการณ์เวลาสูญเสียอะไรมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็เลยมันก็ผ่านไปนะเวลาไปที่ที่ร้านอะค่ะแล้วลูกค้าเขาห่วงเนี่ยเขาก็จะมาถามเราแล้วคือจะเป็นคนลักษณะว่า ถ้าเกิดเสียใจเนี่ยไม่อยากให้คนเหมือนเหมือนกับมาถามมาห่วงอะไรมากมันจะทําให้เรายิ่งอ่อนแอเจ้าค่ะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกก <c oughs> ็เราปล่อยเพราที่ยิ่งไปอยากไปห้ามเขาเรายิ่งเครียดใหญยิ่งทุกข์ใหญ่ใช่ไหมคะคือ <c oughs> พอเขาถามแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับยิ่งทุกข์ไปอีกอะค่ะยิ่งทุกข์ไปใหญ่เลยเจ้าค่ะอก็ออเพราะว่าจิตใจเราอ่อนไหวพอไปคิดถึงเรื่อง ที่ทําให้เราทุกข์เราก็ทุกข์เป็ น, น่อไรเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเราพยายามฝึกสติไว้พุโทโธพุโทโธเวล้วจิตจะเข้มแข็งจะมีพลังที่จะทําให้แม่อ่อนไหวได้ง่ายเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอย่างอย่างโยมเนี่ยจะต้องจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างก <c oughs> ็เนี่ยฝึกฝึกสติไปวันวันหนึนน่งไม่ต้องทำอะไรพุโทโธพุโทโธไปชวนมนต์ไปภายในใจก่อน แล้วดี๋ยวจิตใจจะมีกําลังมากขึ้นจะเข้มแข็งมากขึ้นไปจะไม่อ่อนไหวเรารู้สึกอ่อนไหวก็พูดโทพูดโทไปเลยก็ได้ช่วยดึงใจให้มันเข้มแข็งขึ้นมาได้เจ้าค่ะเพราะว่าตัวเองก็ก็พยายามพยายามพอก็พยายามอยู่กับกับกับไม่อยู่กับลมหายใจตลอดค่ะที่นึกขึ้นได้เจ้าค่ะออหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยค่ะพยายาม พูดโทรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็ได้แล้วไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอ่อนไหวเจ้าค่ะ mm hmm. อย่างอย่างบางทีอย่างวันเนี้ยค่ะพอบางทีจะพูดว่าจมเข้าไปในความคิดหรือเปล่าไม่ทราบนะเจ้าค่ะคือคือคือเห็นความคิดเขาคิดแล้วทีนี้เสร็จเรามารู้สึกตัวแล้วก็บอกตัวเองว่าเอ๊ะเราเราคิดอยู่ก็ก็คือปล่อยให้เขาคิดอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาคิดนะคะคือรู้รู้ว่าเขาคิดแล้วเราก็มันกับดึงตัวเองออกมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ไม่ได้หรอกเราดึงออกไม่ได้หรอกความคิดมันจะดูดเราไปไปกลับไปกับมันเราต้องหยุดความคิดดีกว่าใช้พุทโธหยุดมันดีกว่าใช้พุทโธหยุดดีกว่านะจ๊ะค่ะอย่าไปตามความคิดมันไม่มันจะลากเราไปยาวเลยใช่ค่ะบางทีไปไปกับเขายาวเลยเจ้าค่ะพอจะจบตัวนี่อีกอีกทีนึงก็ก็นานเลยจ๊ะครับางทีใช่ใช้พุทโธหยุดมันดีกว่าเจ้าค่ะพุทโธถอดมันไป ก็ับกลับเดินถามพระอาจารย์ก็คือคือสามีเนี่ยขาเพิ่งหักแล้วก็ดื่มเหล้าหนักแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็แผลยังไม่หายดีแล้วพ่อสามีก็เพิ่งเสียแล้วเรากับพอเลิกงานกลับมาบ้านแล้วมาเห็นสภาพเขแบบนี้บางทีมันก็ทําให้ใจเราห่อลงมาอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ต้องโทษตัวอะไรไม่เลือกเขามาเป็นแฟนเราเอ่ใช่จ้ะไม่ฉลาดใช่จ้ะไม่ ไม่ฉลาดเลยเจ้าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกสองคนก็เรียนมหาลัยก็อยู่ที่อื่นหมดเลยถึงจะทําได้ก็ทําใจนะเขาเป็นอย่างนี้ก็เ่องของเขาไปใชแแ่แต่แต่แต่ถ้าไม่เห็นนี่ก็คือจะไม่ไม่เป็นไรนะเจ้าคะ่ะเออ<ต>ใช่เพราะมันไม่เห็นมันก็ไม่มีเรื่องให้เราคิดพอเห็นไปมันก็คิดขึ้นมาใช่เจ้าคะ่ะอยังก็เวลาคิดก็บอกช่างมันมันเป็นเรื่องของมัน S <S เร่ของเขาไม่ใช่เรื่อง<ช>ของเราเจ้าค่ะศาัตราจารย์มีกรรมเขององคตนเขาจะจะสอนให้คิดอย่างนี้ใช่แล<ค>้กรร ม, ดมใดไหวก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปใช่แล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็สอนตัวเองแบบที่พระอาจารย์พูดนะคะทาค่ะว่ากรรมของเขาแต่ว่าใชของเราใช่ค่ะ แ, แ, แต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เผาพ่อสามีแล้วญาติทางพ่อสามีเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ย จะต้องให้เราอะดูแลครอบครัวแล้วนะพ่อก็ไม่อยู่แล้วแล้วสามีก็ก็กขาตั้งขาหักตั้งเบาหวานทั้งตั้งดื่มเหล้าอ่ะค่ะเราก็ดูไปดูได้กนดูไปดูไม่ยากก็ดูอาการตัวมันไปเ <c oughs> <c oughs> จ้าค่ะเหมือนกับเขาฝากความหวังไว้กับเราแล้วเราก็ไม่เป็นไรเขาก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็รับทาบไว้ก็ลับกันเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องเอาไว้ที่เอา ต้องมาแบบไว้ไม่ต้องไว้แบงหรอกก็เขาพูดอะไรก็รับทราบไว้ก็เราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามหน้าที่ของเราไป<ช>เราเป็นภรรยา<ช>มีหน้าที่ดูแลสามีก็ดูแลไปดูเท่าที่เราทําได้ทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ก็พยายามอยากช่วยเขาบางทีเขาก็ไม่ค่อยรับความช่วยเหลือจากเราเท่าไหร่ก็ดีเลยเพราะรับก็ดีเราจะได้ไม่ต้องช่วย แล้วเราก็ทุกข์ว่าจะทำไม่ทุกข์ทาไมใ ห, ให้จะช่วยเขาแล้วเขาไม่ให้ช่วยก็ดีไม่ทุกข์ให้คนจะสบายใจเอากูจะได้สบายได้ทีถ้าเขารับเนี่ยคนจะเสียใจถ้าเขารับการช่วยเดีหลือนะซวยแล้วกูก็ต้องช่วยเหลือเขาจะหลอดเวลาอันนี้เขาไม่รับกลับไปทุกข์มัคนควรจะดีใจแว่าเราใจเขาไม่รับความช่วยเหลือเราเราก็สบาย เหมือนเหมือนเหมือนกับเราบกพรองในหน้าที่อะเจ้าค่ะเหมือนกับใช่แล้วก็เราทําแล้วหน่อยแล้วมันจะช่วยเขาแล้วหน่ยไม่ใช่ระบกพรงองในไหนเขาไม่ยินดีเขาไม่อยากให้เราทําก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเจ้าค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งไงเจ้าค่ะหมายถึงว่าการที่เราอยู่ในสังคมแบบว่าคนเยอะๆอย่างนี้เจ้าค่ะหมายถึงว่าทุกแต่ละวันเนี่เราต้องเจอคนเยอะมากอ่ะเจ้าค่ะเราเราจะได้รับกระแสไม่ว่าจะกระแสทั้งดีหรือไม่ดีของของคนเนี่ย เข้ามาในตัวเราแล้วมันจะทําให้เราแบบว้าวุ่นเพิ่มมากขึ้นไหมเจ้าคะก็อยู่ที่เราอ่ะถ้าเรารู้จักทําใจก็ไม่ว่าวุ่นฟังแล้วก็ปล่อยวางใครก็จะมาเล่าอลไรให้ฟังเออเอเสร็จแล้วก็ปล่อยยอาวมาแบกยาวมาคิดเรื่องทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องสุข ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ต้องมาเอามาใส่ใจเราแต่แต่แต่มันจะมีลักษณะว่า เ, าาเา่แเต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่กต่แต่แต่แต่แ่แ ถ้าเราคุยพอคุยกับไปเนี่ยนะชานแล้วพอผ่านไปสักหมายถึงว่าสักพักหนึ่งหรือว่าสักเลิกงานเนี่ยเรื่องที่เราคุยกับเขาเนี่ยมันจะเอามาเหมือนกับเอามาเช็คตัวเองว่าเออเราพูดดีหรือเปล่าเราพูดถูกหรือเปล่าเราพูดทําให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่มันคือไม่ต้องคิดแล้วมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปคิดเหมือนกันเจ้าค่ะพุโทโธพุทโธหยุดมันดีกว่าพุโทโธหยุด หยุดอย่างเดียวเลยนะเราจะับค่ะการขอบพระคุณค่ะอันนี้ก่อนนะถ้าการขอบพระคุณค่ะโอเคไปให้คนอะไรกมลเหรอมีชื่อคุณราินทอนนะฮะก่อนคนจเลนทานมีคนอะไรกมลอยู่นี่มีอะไรเด่นนะฮะ AL ศูนย์หนึ่งศูนย์สผมเห็นแต่ภาพพื้นหลังเานะฮะเดี๋ยวลองลองเปิดให้เขาพูดดูนะ คุณ a อลศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามาสามเงียบครับพรอาจารย์โอเคคุณจะลินทรอนต่อครับเป็นยังไงเพื่อนฟูงเข้ามาน้ำวัสการพระอาจารย์จิ้มเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกเลยวันนี้วันนี้ยมเข้ามาสายเพราะว่าเมื่อเช้ายมดูข่าวเรื่อง ประธานาธิบดีอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ามาช้าหน่อยอตอนนี้เขาเสร็จพิธีไว้ดีตกเรเกชั่นน่ะน่าจะเสร็จแล้วงช่วงนี้ยังค่ะเขาเริ่มสิบเอ็ดโมงเริ่มสิบเอ็ดโมงะค่ะอีกอีกชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ก็ยมก็ดูข่าวเมื่อเช้านี้ก็เลยเข้ามาช้าหน่อยแต่ยมฟังพระอาจารย์แล้วยมสบายใจเพราะว่าไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ยมก็คือทั้งกายทั้งใจพราะเรารู้สึกว่าเราถูกดึงไปดึงมา โ mm hmm. ยมก็ยังคงอยู่ที่โดมินิกันอยู่แล้วก็คนนั้นก็อยากให้ทําอย่างนี้คนนี้ก็อยากแทนอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เรา mm hmm. วุ่นวายทั้งทางใจทั้งทา ง, งกายแล้วก็พระอาจารย์บอกบอกอน้องคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องทํางานทํางานเยอะก็ไม่อยากทําทํางานน้อยก็ไม่อยากก็ไม่อยากทําไม่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น mm hmm. พอดี mm hmm. เพื่อนที่ทํางานโยมเพิ่งจะลาออกไปโ mm hmm. ยมคิดว่าเขาคงมีงานเยอะค่ะแล้วก็เ mm hmm. จ้านายเขาก็ แบ่งงานให้ทุกๆคน่วยทั่วหน้ากันเราก็ได้งานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมจะอะไรกันให้เราทำงานกันเยอะแยะงานก็เยอะเวลาก็น้อยปฏิบัติทําก็ได้น้อยลงแล้วตอนนี้พอมาดูลูกลูกก็เขาก็ดีขึ้นค่ะพรอาจารย์แต่ว่าเขาก็ยังยังมีอาการของเขาอยู่ยังไม่ยังไม่หายเท่าไหร่อะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า อ้ยนี่เราจะไม่มีเวลาเพราะเราต้องมานั่งทํางานมากขึ้นแล้วเราก็ต้องคอยดูจิตใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้โยมคุณจะทํายังไงดีคะพอโยมคิดอย่างนี้ปุ๊บโยมก็เศร้าพรโยมรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันมากดูความจริงไว้เต้นดูไปก่อนยังยังไม่ทันเหตุการณ์ยังไม่เกิดเลยก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วชอบวุ่นวายเมื่อตอนเมื่ออยู่อเมริกาก็วุ่นวายใจกับการที่จะมาที่นี่ แ้วพอมาที่นี่เป็นไงมันก็อยู่ได้ใช่ไหมมันก็มันก็ปรับตัวเข้ากับสภาพได้งัน้นงานก็ไหน่ยไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอกที่เลร ม, มันเป็นตัวสร้างสร้างสร้างภูเขาขึ้นมาจากอจอมปลวกอะใช่ไหมแค่<ว>จ<อ>เดินจงกรมอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์เดินจนกว่าจะสงบแต่ว่าพอเดินจงกรมเสร็จปุ๊บมันก็ฟุ้งซ่านอีกเหมือนเดิมมันมันคือความเป็นจริงที่มาเจอกับชีวิตจริงแล้วเราต้องคอยอคอยอาศัยคนต่าง ต่างๆที่มาคอยช่วยเหลือเราเพราะเรายังทําอะไรไม่ได้ก็เราดูเหตุการไปก่อนก็ถึงเวลาก็ดูไปทําไปแล้วก็อาจจะเป็นช่วงช่วคราวก็ได้มันจนกว่าเขาจะได้คนใหม่เข้ามาทําต่อก็ใช้คับพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากก็ต้องคิดว่าชีวิตก็อย่างเนี้ยมีมีมีหนักมีเบามันก็บาเทีก็ต้องช่วยกันไป แลา <c oughs> เขาเดือดร้านเราก็ช่วยเขาเวลาเราเดิอดร้อนเขาก็ช่วยเราเราคิดอย่างนี้ป่ะถูกจะจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองคนเดียวใช่ไหมต้องมีการเสียสละด้วยได้รับประโยชน์ด้วยก็ต้องรู้จักเสียเสียสละด้วยเนี่ยอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างเนี้ยน้ำพึ่งเรือ <c oughs> เสือพึ่งป่าผัาดกันดูแลกันไปผัดช่วยกันไป <c oughs> เป็การ <c oughs> ทำบุญไปที่ว่าเป็นการทําบุญไป ก็ได mm. ้ปฏ oh, mm. mm. ิบ hmm. ัต e, so mm ิธรรมแต่ปฏิบัติธรรมขั้นขั้นขั้นบุญไปขั้นทําทานไปอ๋อค่ะพระอาจารย์เด้วก็เด้ก็ทําำนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าองมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยแต่ก็ายอมรถ้าชีวิตเรามันีนจจ์มันไม่แน่นอนไงมันมีการเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกไปพลิกมาเราก็ต้องปรับใจเราให้ลเข้ากับสภาพของมันไปอย่าตั้งอยู่บนความอยากวันนี้ก็สานวันนั้นแล้วว่า ตั้งอยู่บนความจริงตั้งใจงอยู่บนความจริงอันนี้เหตุการณ์จริงเป็นไงก็ต้องอยู่กับมันไปไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นมันก็ทุกข์เลยใช่ค่ะตายเลยค่ะโยมถึงนี่บอกว่าฟังพาาระอาจารย์แล้วสบายใจเพราะาเหมือนไม่เหมือนเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเหมือนเหมือนพระอาจารย์มามาโปลดชี้ความจริงให้เห็นว่าเอออยู่ตั้งอยู่ในความจริงสิเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทํายังไงแล้ว แล้วอยู่มันก็จะผ่านไปทุกอย่างมันไม่แน่นอนครับเราชอบไปตื่นเต้นกับอนาคตเนี่ยอยู่ที่อเมริกาก็ตื่นเต้นกับที่นี่นี่ก็ตื่นเ ต, นต้นกับที่เนี่ยอเมริกามีงานให้ทําเพิ่มเหรอนั่นสิคะมันเซอร์ไพรส์มากจังยังไม่ยังไม่ได้ทําเลยก็ตื่นก็ตื่นมีก่อนทำแล้วค่ะพระอาจารย์เขาพูดปุ๊บเขาก็ให้ทำปั๊บเลยค่ะพอาจารย์เขาไม่ให้เวลายมตั้งตั ว, วเลยมื่อเมื่อต้องทําก็ทำเลยจะทําไงได้เราไม่มีทางเลือกเลย ก็ต้องทํำค่ะพระอาจารย์อืมอือที่ว่าเป็นการทําบุญไปที่ว่าเป็นการทําบุญเป็นวิธีทําบุญทานที่ว่าน่าสมาธิก็มาทํางานให้คนรวยนั่าไปก่อนค่ะค่ะเป็นการบริจาคใช่ไหมบริจาคบริจาคเวลาบริจาคเวลาครับบริจาคความรู้เวลาไปเป็นวิทยาทานไปเป็นธรรมทานเป็นเอ่อเป็นการรับใช้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นไปก็เป็นการทําบุญอืมอือ แต่เราก็มีเวลาปฏิบัติน้อยลงใช่แล้วเวลาที่โยมน้องคกบุมเหตุการไม่ได้แต่าอยากจะปฏิบัติมากเข้าไม่บวถ์ในบวถนี่ก็มีได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยอืมอมืค่ะก็นั่นแหลคะค่ะพระอาจารย์โยมก็รู้สึกดีขึ้นค่ะฝั่งพระอาจารย์พูดทำให้เรารู้สึก มือนตื่นนะคะเหมือนเหมือนเข้าใจเข้าใจเป็นจริงอย่าไปยึดติดกับความอยากของเราต้องปรับตัวกับเหตุการณ์ให้ให้เราอยู่กับเหตุการณ์ตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราต้องแก้ล้วก็เปลี่ยนนะค่ะค่ะอันนี้ก็ปฏิบัติน้อยนมทํางานมากขึ้นกระทงนั้นเองอืที่มันต้องเพความอยากเนื่องจากเราแต่เพราะคิดแล้วเพราะคิดเราก็เสียใจค่ะเพราะอาจารย์ว่าเราจะต้อง มีเวลาน้อยลงมีแสดงเราสอบตกวันแสดงเราไม่ได้ปฏิบัติถกรอกค่ะถ้านะเลาปฏิบัติแล้วก็เล้วอ๋อเก่งแล้ต้องเปลี่ยนนะต้องปรับนะนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะค่ะลดควาอยากต้องให้พระอาจารย์ต้องให้พระอาจารย์เตือนสติค่ะพอมีข้อสอบมาทีไรก็สอบตกทุกทีตกทุกรอบเลยค่ะตกตั้งแต่มาก็ตกแล้วแล้วก็ไปทําไปปฏิบัติ ปฏิบัติพอเจอข้อสอบอะไรก็ตกทุกทีหรือปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างนี้ไม่ให้พระอาจารย์มาตรวจข้อสอบแล้ว็อ้าวสอบตกอีกแล้วขอบพระอาจารย์ไม่เปนไรครับวนนี้ก็เป็นบนเรียนอย่าซ้ำสองกัล้วกันอย่าซ้ําอย่าซ้ําชั้นกันแล้วกันค่ะหลายรอบแล้วค่ะพระอาจารย์นั่นะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะพรอาจารย์พอได้สติแล้วก็มาคิดได้โอ้ดีขึ้นละค่ะพระอาจารย์ ค่ะวันนี้ยังไม่มีอะไรนะคะกับนมมัสการพระอาจารย์นะคะครับที่ะเมื่อกี้คุณอ้อมที่กาแล็กซี่ A51 ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนของคุณซิรินทร์เนี่ยอยู่ที่แมนยูแองเลด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าคะยมไม่แน่ใจอะค่ะไม่รู้ว่าใช่เพราะว่าเห็นมีมีสองมีสองอ้อมอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่น่าใจ ไม่เป็นไรก็เอาคุณ Galaxy A5 1นางไปอยู่ข้างบนครับปด้เสธยกมือได้เชิญพูดได้คุณกาแล็กซี่พูได้เลยเปิดไมค์ก่อนกดกดอ่านมิวนะฮะยังไม่อ่านมิวเลยต้องอ่านมิวก่อนโอเคไอ้เข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงมันไกลนิดหนึ่ง อ่าไหมสกักการ์โอเค okay. อยู่ที่ไหนอ่าอยู่กรุงเทพค่ะเคยไปฟังธรรที่อาจารย์หลายรอกแล้ค่ะโอเคมีอะไรไหมอ่าวันนี้มีคำถาม ค, คือเวลานั่งสมาธิแล้วค่ะคือชอบแบบเหมือนดิงลงไปแล้วคือมีอาการของตัวไปยกตัวไปมาแล้วก็ไปอยู่นิ่งสมง็คือก็เลยอยากจะถามวิธีที่แก้อาการแบบนี้ค่ะว่า เรสมควรที่จะต้องยกตัวขึ้นมาหรือว่าเราอยู่ในอาการที่มันสงบแบบนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าเข้าไปอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยตัวมันก็จะงอลงไปมันไม่เวลาไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายเวลาภาวนาให้อยู่กับใจค่ะแล้วเราจําเป็นที่ต้องยกตัวขึ้นมามนไมาไม่ไม่ไม่ไม่ต้องปล่อยมันงอไปเอ อ, อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าอะไรก่อนจะออกจากสมาธิมาแล้วค่อยมาขยับร่างกายต่อไป ถ้ามันจิตสงบได้มันนิ่งเฉยๆไปไม่ต้องไปทําอะไรก็คือว่าไม่ต้องไปอยู่ไปยุ่งไปยุ่งของเขาเคยสังเกตอาการแบบนี้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในบริการผูโทรค่ะก็จะถ้าไปอยู่อย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่เพราะมันเพรมันขาดสตินะมันก็มันก็ให้่าำกายกลับไปอยู่ในท่าที่มันเคยถนัดอยู่ก็คือว่าถ้าเราบริการไปได้ก็จะดีกว่าใช่ไหมคะ ก็เราบริการเพื่อให้จิตนิ่งถ้าจิตนิ่งแล้วก็ต้องอยู่ก็ไม่ต้องบริการมชวนร่างกายมันจะเป็นงานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือไม่ต้องสนใจร่างกายเลยไม่ต้องสนใจอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เราอยากจะอยู่ได้เลยใช่ไหมใช่ให้มันนิ่งนานๆค่ะไม่ไม่ได้มีคำถามค่ะโอเคได้ขอบคุณค่ะท่านต่อไปเมื่อกี้ คุณพัทลาพรบัวสุกพีคุณพัทาพรจากอินดิซาสเปนอยู่ในล้นยนนะกับคุณชายมิวส์ยังไงสบายดีเหรอกับน้องสการครับนี่งตาโอไม่ได้ยินเดี๋ยวๆครับอาจารย์ให้กดกดอันมิวก่อนฮะโอเค กดิดนผมผมาการัข่าหลวงพ่อเชิญ<อ>เป็นยังไงสบายดีเหรอสายดีครับตอนนี้กลับจากโรงเรียนเหรอครับแม่เพิ่งมรับกลับจากที่รเรียนคนระับโรงเรียนมเด็กนักเรียนเยะไหมที่โรงเรียนประมาณ400คนครับ400คนนะมี12ชั้นนะครับระบบ ส3ารบะบบอังกฤษสิบสามชั้นระบบอังกิษนะครับเดียวแต่ว่าฝั่งไฮสคูลจะมีแค่ประมาณ1้อยห้าสิบคน1้0ยห้าสิบคนอยู่ไฮสคูลอีกสองร้อยห้าสิบอยู่อยู่ชั้นสามอยู่พาร์ทแล้วตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นจกเกรดหนึ่งขึ้นมาเลยนะเยาวเยอะหนึ่งขึ้นมาเลยนะ เยียร์1ึถึงหครับเป็น 1> year 1, primary school แลเยียร์7็ดถึงสิ high school secondary <High> school s e c n d r y school โอเคแล้นี่อยู่ชั้นไหนล่ะ12บสอครับสิบสองแล้วใกล้แล้วนะใกล้จะจบแล้วครับมีอะไรไหมคุณแม่มีอะไรจะคุยจะถามไหมไม่มีอะไรจ้าเจ้าค่ะเข้ามากาล่าวมาสการเข้ามาฟัง อรู้สึกว่างเกล่าจะค่ะหลวงพ่ออ่าโลกนี้มันมีแต่ความว่างเราไปหลงกับมันเองนั่นครับอช่ครับโลกนี้ไม่มีของจริงของแท้เป็นแต่ของปลอมเป็นเหมือนเมฆหมอกเป็นเหมือนเงาสิ่ทุกอย่างเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับดังนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ มายึดทำดีกว่ายึดความสงบดีกว่าของแท้ของจริงคือความสงบนีะครัสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพยายามทำสมาธิมากมากเนี่ยนั่นแหละคือของแท้ของจริงความสุขแท้คือความสงบสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีในเรานี้ความสุขทั้งหลายที่มีเนียโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ เราเป็นความสุขที่อยู่อยู่อยู่กับเราติดติดไปกับเราแต่เขาอย่างหนึ่งเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุอะไเงี้มีอะไรใช่ไ้มจะได้ไปที่ถ้านึ่งตอน่าสองชั่วโมงขึ้ะสาธุณประวิทย์เชิญคุณประวิทต์อจาก d a l l สเ t ็ x ซ s ส การมนุษการเพราะถ้าพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์เหนื่อยไหมครับผมก็ไม่เหนื่อยแหละแต่ก็ก็มันก็จะหอบจะว่าจะหอบมันก็ไม่ได้วิ่งแต่มันเมื่อยปากมากกว่าครับก็มีมีข้อข้องใจของผมข้อหนึ่งครับคือมีคนอ่ะโทรมาถามผมอินโฟเมชันแบบคือมันก็คือการเล่นการพนันก็คือการเล่นสต็อกเนี่ยครับคือเข้ามาถามอยู่ด้วยเราก็พยายามหนีเขาไม่อยากตอบเพราะรู french, ้ว่า เขาขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าคือครอบครัวเขาชอบเล่นสต๊อกแล้วก็เสียไปเยอะแยะให้ลูกชายลูกเคยอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะบอกอินโฟเมชันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการพนันแต่เขาก็โทรรับแม้เสร็จเราไม่รับก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันให้อินร์เมชันเขาไปเนี่ยมันมันจะเป็นบาทกับผมไหมครับถ้าเป็นความจริงก็ไม่บาป ก็สต๊อกมันก็เป็นการซื้อขายสินค้ายอย่างอึงแต่มันตรงกับถ้าเป็นความจริงมันก็ก็ไม่ไม่เสียหายตร่ไหนอคื อ, ค, อคือช่วยเหลือเขาในด้านจิตใจ<ม>แล้วก็ช่วยเหลือเขาในที่ว่าเขาจะไปช่วยลูกเขยลูกลูกสาวเขาอะไรเงี้ยคือ<ม>ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าเขาเล่นแล้วเสียเยอะแยะแล้วก็ให้อินโฟเมชันที่ให้เขาสโลว์ดาวให้เขาใจายเย็นๆ<ม>ให้เขามีสติอย่างเงี้ย อันนี้มันก็ยังเป็นการพนานอยู่ในจิตใจของผมก็คือบอกว่าเราให้อินโฟเมชันเขาเราช่วยเหลือเขาไม่ใช่การได้ให้เ็เล่นแบบการลงทุนแต่อย่เล่นแบบการเก็งกำไรอันนั้นให้ให้ให้อินโฟเมชันเขาแบบนั้นคือให้เขาใช้เงินของเขาเองซื้อขายไม่ใช่ไปเอาเงินของกองกลางมาใช้แล้วต้องต้องขายคืนภายในสามวันอะไรแบบนี้ แต่ว่าในจิตใจของผมผมไม่บอกเอ๊ยมันก็ยังเป็นการพนันนะพยยามหลีกเลี่ยงไม่ให้อินฟโฟเมชันไม่ให้คําแนะนําเลยครับแต่ว่าก็ทนไม่ได้เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็มาขอความช่วเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าในจิตใจผมผมบอกเอ๊ยมันเป็นการพนันนะเราไม่อยากช่วยเหลืออะไรนะเพราะว่าเขาเสียไปหรือลูกสาวเขาเสียไปหรือลูกชาลูกเขยเขาเสียไปเนี่ยเราจะเป็นบาปไหมถ้าเราให้แบบเชิงเก่งกําไรมันก็มันก็เป็นการพนันนะแต่ถ้าเราบอกว่ามันอ่เป็น ตามข้อมูลของที่เขามีอยู่หรือว่าปริษัทนี้ดีไม่ดีหุ้นตัวนี้ดีไม่ดีนี่ก็ไม่มันก็ไม่บาปเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกับส่วนใหญ่ผมจะให้แบบนี้คือไอ้คําว่าเสียเสียหรือได้นั้นผมไม่ได้บอกผมบอกดูว่าในสิ่งที่จุดที่เขาควรจะทําแล้วทําแบบนี้แล้วโอกาสที่มันจะได้กํำไรมันมากกว่าที่จะเสีย อ, อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเ ป, เป็นการบอกสินค้าว่าสินค้าชนิ้นี้เป็นยังไงโอกาสที่จะได้กําไรมีมากน้อยอะไรก็ เ, รเป็นเรื่องธรรมดาของการทำมาค้าขายอันนี้อันนี้มันมันจะสบายใจผมไหมครับว่าโอเคเราให้ข้อม่ลเขาไปแล้วก็หุ้นก็เป็นเหมือนสินค้ายอย่างเนี้ยไม่ใช่นหรอืมแล้วก็แนะนำา่าหุ้นตัวนี้ดีบริษัทตัวนี้มั่นคงมีรายได้ดีมี มีอะไรยังงี้ก็บอกไปตามแนวโน้มของที่เขาเขาเขาเขาเป็นกันในในโลกของตลาดหุ้นเนี่ยคนก็ทุกคนก็เล่นตลาดหุ้นก็กลายเป็นเล่นการพนันไปหมดเนยไม่ใช่หรอกเขาก็เล่นไปเแต่เขาจะเล่นแบบฉลาดหรือเล่นแบบโง่เท่านี้ใช่ไหมถ้ามีข้อมูลเขาก็เล่นแบบฉลาดถ้าไม่ถ้า ม, ามีไม่มีข้อมูลก็เล่นแบบคนตาบอดสู่ไป มันจะทําให้ผมสบายใจขึ้นครัว่าที่ว่าคือเราจะได้ให้ เ, <ร>ใหเขาเมีความรู้เขาจะได้สามารถตัดสินใจได้ถูกว่าเขาจะซื้อตัวไหนดีไม่ซื้อตัวไหนดีตอันนี้ไม่ใช่เป็นการพนันหรอกเ่าสมัยก่อนผมก็ทําแต่ว่าสมัยนี้เราคิดได้มากขึ้นเราก็ใช้อนุริตีเข้ามาช่วยเหลือมันก็เลยดีขึ้นกับครอบครัวเราแล้วเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายอันนี้ว่าเขารู้ว่าเราทําได้ เขาก็เลยมาขอคําแนะนําอะไรตรงนี้แต่ว่าก็ไม่บังไม่เขาอยากให้เอก็ถ้าอยากจะช่วยก็ให้ก็ไปเลยเมื่อเราเราสบายจากการทําแบบนี้เราก็บอกเข้าไปเราทําแบบนี้เราจะไปทําต่อก็ไม่ไม่เห็นจะเป็นไรอ๋อมันมันมันมันไม่เป็นแคนั้นเขาเของกลัวก็ว่าเอ๊ยมันเป็นการพนันเราจะไปทําบาปหรือเปล่า ถ้าคุณเชื่อวเป็นการพนันคุณก็อย่าไปอย่าไปส อ, อนเขาอยู่ที่คนคิดเนะี่ยเพาว่าการซื้อหุ้นนี่มันเป็นได้ทั้งการพนันแล้วเป็นการแบบการเป็นการลงทุนก็ได้ใช่ไหมครับผมอีกอีกข้อหนึ่งครับที่พระอาจารย์ตอบหมอว่าในขณะที่เราหลับไปเนี่ยร่างกายจิตเราเนี่ยไม่มีไม่มีกายไม่มีกายหยาบจิตเราอยู่ขณะนั้นน่ะเราอยู่ในจักรอะไรครับ ก็อยู่ในสภาพความคิดปรุงแต่งนีอยู่สภาพจิตล้วนไม่มีร่างกายมาเกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่มีข้อมูลที่ฝังอยู่ในจิตเราที่สัญญาความจำเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทำมามันก็จะเป็นตัวมาแสดงให้เราให้ให้เราได้สัมผัสรับรู้แทนแทนข้อมูลที่เราจะได้รับจากผ่านทางตาตาหูจมูกนิ้งกาย ก็ <cript> <ó> เป็นเหมือนกับเราเร า, เราก็อยู่ในโลกของความฝันที่เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในโลกของความจริงตอนที่เราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันมันมันต่างอะไรกับการที่เราตายไปแล้วครับก็ไม่ต่างเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้นอนมันตายชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยวพอร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาึงรับข้อมูลผ่านทางร่างกายใหม่อันแล้วีข้อนึงครับที่ พระผู้เปฏิบัติดีประบัติชอบเนี่ยท่านดูจิตของท่าน24ชั่วโมงในลักณะที่ว่าดูจิตจิตของท่าน24ชั่วโมงในขณะที่ท่านหลับท่านดูยังไงครับอ๋อท่านาไม่ดูยกไว้เวลาหลับท่านาไ ม, ไมน่อยู่เวลาหลับท่านก็ไม่มีสติเหมือนท่านก็พักผ่อนไม่ต้องดูก็ปล่อย<า>ปล่อยให้จิตว่างไว้เฉยๆว่างแล้มันจะแสดงอะไรก็เรื่องของมันแปลงเป็นเรื่องของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ อ๋อเข้าใจแล้วครับพระอาจายครับถึงถึงที่ว่าเขาเข้าใจว่าเอ๊ปะป้าพูดบทดีดูแลจิตเวลาตื่นโมงเวลาตื่นเวลาตื่นเว ล, เวลาหลับนี่ก็เหมือนคนทั่วไปนอนหลับเหมือนกันไม่มีสติเหมือนกันอ๋อเข้าใจครับเ ข, ข, ข้าใจเข้าใจแล้วครับเข้าใจครับถึงข้อข้สงสัยข้อนี้เอ๊ะท่านดูได้ไงยี่บสี่ชั่วโมงอืมไม่ได้หรอกยกเว้นเวลาหลับยี่สิบดูจิตตลอดเวลาวงนีงยกยกเว้นเวลาหลับอืม ขอพบพระคุณครับพระอาจารย์โอเคสาธุ okay. เนนยงเนนอยากจะถามอะไรไหมเนนอยู่ที่ไหนทานวสการ์บอาจารย์อยู่ที่ไหนพน้นองพน้องเป็นเนนคนเล่าคนนั้แต่มาเรีย น, นตอย่ออยู่ทีโดยอยู่กรุงเทพหรอือมาเรียนต่ออยู่นครนพนมนนครัอนครพนมได้ได้ได้ได้ปรบมือได้ยัง อันมาเรียนต่อปอตีเะหน่อยปอตีพออยู่แลโดยหยุดหยุดล่าย่งเงนยังย่งบบมีองินโรงเรียนเอาประโยคน์อย่างนี้นะครับต้องมาเรียนเอ า, ยายเอยู่ได้ครับคือยนทางลเลือกหรอือปอตีเนี่เรียนปัจจุบันก็น่อยเรียนจกครับพุทธศาสนาปีสองเถะน่อยเออจากมหาลัยที่ไหนนะมาลัยวิทยาสงขลาครนพนมครับมาวิทยาสงขลครับผมได้ยังไงมีอะไรไหมวันนี้ คือขน่อยปฏิบัติธรรมอยู่เล่านะเขาหน่อยขน่อยเวลาขน่อยนั่งสมาธิยึดขน่อยก็เลืง่งจีตังงบมาเลขน่อยมีความสุขในการนั่งสมาธิเลยก่ะห่างกายเขาเง่ากับเบานะครับเบาะและที่นี่สักพักดนไปดนไปเลยเยงปืนมันดังมันดังในหูเลยค่ะมันเหตุในอันออกจากสมาธิกะท่านนั้นนะครับอาจารย์เราจะเข้าไปใหม่ไม่เป็นไร บางทีมันก็มีอะไรมันออกไปแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้แลอ ะ, ะเลอะเลยในเทาเหนื่อยครับอาจารย์ใจใจเอาเต็มปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้ท่องพุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปครัอบอาจารย์เละอาการเลอะนี่มั็นเป็นว่าอะไรครับอาจารย์เป็นอาการของจิตนะจิตมันบางทีมันก็มีอาการอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้ดูแล้วก็ปล่อยวา่าแล้ว กลับมาทำสมาธิต่ตอแต่ว่าอันผมถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงปืนไหมเพื่อนก็ บ, บอกไม่ได้ยินครับผมใช่มันจะเสียงในใจเสียงในใจ โ, โดยขอบคุณครับโอเคบวชได้กี่พันซ้าแล้วล่ะตนนี้บวชสี่พันช้านี่อะไรตอนนี้มันมันอยู่ท่าไหรันอายุยังไม่ได้ยี่สิบเลยอายุยีย่สิบอะไ อายุยี่สิบเอ็ดย่งเขายี่สิบสองนะครับอาจารย์ยังไม่ยอมบวชบวชข้างเลยยังยังยังยังไม่ได้บวชครับอเขาไม่ให้บวชนี่เราไม่ยเราไม่อยากบวชเองยังยังเน้นยังบวชอรัอาจารย์ยังยังอยากเป็นเน้นอยู่ครับเราอยากเป็นเน้นอยู่โอเคดอวยก็บวชไปเน้นก็ได้พ้างก็ได้นะขอยปฏิบัติแล้วกันครับสครับอาจารย์คุณยืน คุณหยุด Y U N เอิญเปิดไมคก่อนนะฮันมิวโอเคอยู่ที่หน้า Namaskar พระอาจารย์เจ้าค่ะไม่เห็นพระอาจารย์เลยอ่ะเดี๋ยวนะคะเอออยู่ที่หน้าต้องไปไปที่หน้าหนึ่งพระอาจารย์หายไปไหน <laughs> ไม่เป็นไรเราได้ยินเสียงโอเค okay. พูดได้อ่าโอเคค่ะค่ะพรอาจารย์เออ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนูวันนี้อยู่กรุงเทพค่ ะ, อ, ะอยู่รามคำแหงค่ะเครเข้ามาแล้ววันนี้กลับมาบ้านล <laughs> ุกทีจะอยู่นอนค่ะนออยู่นนค่ะ okay. มีอะไรไหมค่ะพระอาจารย์วันเออวันนี้หนูขอโอกาสค่ะขอถามคำถามหนึ่งค่ะอเออการที่เห็นสภาวะของ วิภาวะตัณหานะคะค่ะ ม, มันยากกว่า ว, วิเอมันยากกว่าวภาวะตัณหาหรอคะก็ <Renaissance> แล้วแต่แล้วแต่ว่าเรญญาอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินได้ยินแล้วปะได้ยินใช่ไหมได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะคือตัณหาทั้งสามเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่สติปัญญาของเราว่าจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าสติปัญญาน้อยก็ไม่เห็นถ้าสติปัญญามากก็จะเห็น เห็นถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าสติเรายัางน้อยอยู่ต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนค่ะคือปกติแล้วหนูว่าหนูจะเห็นเอ่อความอยากง่ายกว่าความไม่อยากความไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่มามาวันวันสองวันเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าเอยเราเห็นแล้วอ่ะเราเห็นความไม่อยากเราไม่อยากให้เขา ท, ทํางนั้นทํานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่อันนี้ก็ใช่ก็แสดงว่าเห็นนด้ค่ะหนูหนูก็เลยเ อ, อ๊อมาคิดในเออนี่วั น, นวันนี้เราเห็นตั้งไม่ทุกทีเราไม่เห็นแล้วก็ไปทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเราไม่เห็นอ้อหลงหงุดหงิดเพราะเราไม่เห็นนี่เองแต่พอเวลาเราเห็นความอยากแล้วเนี่ยแล้วเราหายอ่ะใช่แต่แต่เหตุการณ์นั้นทําไมเราไม่ห<ๆ>นูอ่าใช่มันหนูมากลับมาทบทวนอ๋อนั่นคือความอยากเราเราเราไม่เห็นมันนี่น่า ก็เลยความอยากกับความไม่อยากนี่มันเห็นยากกว่ากันเหรอคะก็อยู่ที่ว่าเราดูอะไรก็เราดูถ้าเราไปดูข้างหน้าเราก็จะมองไม่หการที่เราไม่เห็นความอยากหรือหรือเลยะหรือเขาเรียกอะไรอ่ะพระอาจารย์มันเห็นยากกว่าความอยากหรือเปล่าคือความอยากนี่อาจาจะเห็นเพราะว่าเรากลับมองมองที่ใจมองข้างในถ้าเราไปมองของที่เราอยากเราก็จะมองไม่เห็นความอยากของเรา เห็นเราเดินไปช้อปปิ้งเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าก็อยากได้ขึ้นมาแเราก็จะเห็นแัดตัวกระเป๋าตัวเสื้อผ้าแต่เราจะไม่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราที่อยากจะไปได้มันขึ้นมาแล้ถ้าเราฝึกสติเราจะมองใจมองใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเรจะอยากอะไรพวกมันก็จะเห็นทันทีจะอยากหรือไม่อยากก็เหมือนกัน ใช่น้อ <het> ยนี้แสดงว่าสติของเราบางเวลาก็มองเข้ามาที่ใจบางเวลาก็มองไปมองไปข้างนอกเวามันเามองไปข้างนอกก็จะไม่เห็นความอยากเวลามันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าช่วงไหนที่เรามีสติมองเข้ามาข้างในเวลาเกิดความอยากเราก็จะเห็นขึ้นมาทันทีอจารย์เนี่ยเ <c oughs> ข, ข้าใจค่ะไม่คือคือคือหนูว่าปกติถ้าความอยากเนี่ยหนูหนูจะเห็นได้ง่ายกว่า กับความที่ไม่อยากก็เป็นเวลาก็ร่วงเป็นอย่างนั้นก็รักกันร่วงเราเป็นอย่างนี้ก็รักกันเวลาอาจจะไม่ค่อยทำานดูความไม่อยากแสดงว่าความไม่อยากมันจะเห็นยากกว่าใช่ไหมคะไม่จําเป็นหนะแต่เรานะแต่คนบางคนชอบดูความไม่อยากมันก็เห็นไม่อยากง่ายกว่าเห็นความอยากก็ได้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเอไม่ไม่ไม่ต้องกังวลยากง่าย ปัญหาคือขอให้เราเห็น อ, อ๋อคุณอาจารย์คะเดี๋ยวขอขอถ่ายอีกข้อนึงค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเวลา เ, เราตอนอ่เสียงหายไปคุณยืนค่ะอาจารย์ได้ยินนะค ะ, ะได้ยินพูดต่อค่ะเวลาพอ nang สัมมาธิแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูมาพิจารณาอสุภะนะคะอืมนี่มันอเอเ เดีย๋ยวเนี้ยเวลาพิจารณาอสุภะแล้วเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรมันมองได้ไม่ตลอดมันจะชอบแบบหลบเข้าไปในสมาธินะคะก็อย่าไปทําตอนที่เรานั่งสมาธิทําตอนที่เราไม่นั่งสมาธิตอนเนี้ยตอนที่เราไม่นั่งสมาธิกับพิจารณาอสุภะได้ค่ะเวลาทําสมาธิมาแล้วมันก็จะเข้าไปในสมาธิท่านนั่นเวลาทําสมาธิเราจึงไม่พิจารณา แรอเวลาออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาอืมับทุกทีหนูก็หนูก็จะทําอย่างนั้นแต่ว่าเม่อตอนที่หนูนั่งสมาธิก็เหมือนว่าตัวเองอ่ะมันมันออกมาแล้วอะพรอาจารย์แล้วก็เลยนั่งนั่งต่อนั่งนั่งพิจารณาต่อถ้าออกจากสมาธิก็พิจารณาได้อา่านั่นแหละค่ะตอน ถ, ถ้ามันจะเข้าสมาธิก็หยุดพิจารณาแค่ปล่อยมันเข้าสมาธิไปเท่านั้นเอง อ๋อนตอนนั้นควรปล่อยดีกว่าใช่ไหมคะให้มาอีกว่าได้ถ้ามันอยากจะสงบก็อย่าไปบางคราวให้มันพิจารณาอ๋อโอเคค่ะเข้าใจเพราะเวลาพิจารณามีเยอะแยะไปเวลาจากสมาธินี่ทั้งวันพิจารณาได้ทั้งวันเลยค่ะนะโอเคการจะสามเท่าตัวมันต้องรวบล่านานนะเหลือกี่คนที่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ถาม คุณไทยรานทีเอใช่ไหมครับเดี๋ยน้องดูคุณไทยรานได้ยินไหมอ่าเปิดเสียงแล้วได้แต่เน่มามามนยมจากสงขาใช่ไหมคนที่เกลถา ม, มเสียงมีปัญหานะหนูเสียงเดาเสียงมี ม, มืนกับมันมีปัญหาไม่ยินไหมคะ ได้ยินด่าขาดขาด ห, หายหาพูดไปเลยมีอะไรจะพูดถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากถ้าเกิดว่าเราอยากมองเห็นโทษของการมาเวียนว่ายตาเกิดในวัฏสองสารเราต้องพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไปดูคนแก่ไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาลไปดูคนตายแล้วบอกต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิดไป ม, มาหาเรื่องเราเราไม่ค่ยได้ยินเลยเนาะแม่ป้าอาจาได้ยินไหมเ้าคะเอ่อกายกาะเอาเอากายกลยหน่อย ถ, ถ้าเกิดว่าในตอนนี้ที่ว่ า, า, าวสัญญาณหนูไม่ดีเลยขาดขาดนะหายหายได้ยินไหมเจ้าคะเออตอนนี้ได้ยินนะเดี๋ยวก็หายไปอีกนะ วันนี้ต้ อ, อาแค่นี้ก่อนนะหนูนะว่ามีปัญหาหนูต้องหาหหาหาที่ที่มันสัญญาณดีๆวันนี้สัญญาณของหนูไม่ค่อยดีโอเคนะไปที่ท่านต่อไปว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเกือบสามชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณวิลลยจนทะลิ้นท้อยวันนี้จะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดกับปิดไมา์ขึ้นมา ไม่ไม่ไม่น่าจะพูดนะครับอาจารย์งั้นคุณเอคุณเอ๋คุณเอมันดีลาวันเชิญเปิดไมค์ขึ้นมาถ้าต้องการพูดหลวงพ่อค่ะกลับนมัสการค่ะอาเชิญโยมยังทําใจไม่ได้เรื่องบีดาเลยค่ะหลวงพ่อเวลาตอนเย็นกลับจะทํางานจะไปอะไรก็ถ้าอยากจะร้องก็ปล่อยมันร้องให้มันเต็มที่ไปเลยน้องให้มันเหนื่อยไปเลย ไม่ต้องไปห้ามมันถ้าอยู่คนเดียวร้องให้เต็มที่เลยถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ยุย่มันเลยบางมึงอยากจะร้องร้องให้เต็มที่เลยโอ้โหให้มันเหนือ่อยให้มันหมดแรงไปเลยบันที้มันก็จะได้เลือกร้องให้ได้แหละรู้ว่ามันหมดแรงแนะล้วร้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ต้องไปห้ามมันถ้ามันอยากจะร้องปล่อยมันร้องไป เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หยุดแดงอะ่ะเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองอะ่ะแต่ยมแบบคุยกับเหมือนที่พวกพี่พี่เขาถามหลวงพ่อค่ะพวกพี่พี่เขาดีจังเลยที่นั่งสมาธิได้แต่ว่าหนูได้แค่สวดมนต์เองค่ะหนูยังไม่ถึงขนาดก็ยังดีงดก็สวดไปสวดได้ก็ยังดีเวลาเศร้าใจก็สวดไปมันก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจได้เ แต่ถ้ามันอยากจะล้อจรินๆเงามันอยากจะล้อล้อให้เต็มที่เลยให้ล้ออย่างเดียวนั้นแต่ไม่ให้ไปทําร้ายตัวเองไม่ให้ไปทําร้ายเข้าของอะไรทั้งนันอยากจะล้อล้อไปเลยค่ะยอมอยากทราบภพภูมิพ่อแต่หนูงพ่อเคยบอกยอมว่ามันขึ้นอยู่กับบุญที่เขาทําด้วยเราไม่สบุญที่หนูส่งไปก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาอยู่ภพภูมิไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเออล้วก็มีหน้าที่ส่งก็ส่งไปก็อะไร เรามีหน้าที่รักเขาปล่อยเขารับไปเขารับได้เขาก็รับเขารับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะนะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจเลยบอกเศร้าโศกเสียใจแล้วมันมันทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมาดูของหนูมาค่ะหลวงพ่อหนูก็ด้านจะเสียจากโลกอต่ท่านมาเสียวัฏเหตุหนูก็เลยรับไม่ได้ค่ะ เ, เ, เ, เดี๋ยวก็รับได้เองเดี๋ยวระยะหนึงเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆเบาลงไปเองนะ ค่ะวันสาร์นีเชิการคานเดีย๋ยวยมจะไปใส่บาตรที่บ้านน้ำเคือค่ะเออดีใส่บาตรไปทาบุญไปไหว้พระส่วนมนต์ไปนะแล้วมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้นะค่ะโอเคอยากละรักาการค่ะสาคุณชเวนนี่โดนนี่โดนวายอสวัสดีครับบาอาจารย์น้ำส ก, การครับอยู่ที่ไหนอยู่ อ่าอยู่หน้าแอมบัตเตอร์ครับแอมบัตเอร์นี่จำเทียนนะวอต้าครับอ่วาวอต้าช่วงนี้พระอาจารย์จะเห็นหนะผมอยูอ่ที่สายบาตอนเช้าเลยใช่ครับอ่าพอดีอยากจะสอบถามเรื่องอ่าการนั่งกรรมฐานนะครับเอออ น, นั่งไปตอนแรกเราจะรู้สึกสงบครับพอตักพักหนึ่งมันก็จะมีจิตก็จะไปแวบไปคิดเรื่อง อื่นนอกจากกรรมฐานนะครับคือคิดเรื่องในปัจจุบันที่เคยผ่านมาแต่ว่าย้ายมันคิดเสร็จบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันคิดไปครับแล้วว่าพอเรารู้แล้วมันก็จะกลับมาอยู่กรรมฐานเหมือนเดิมเออ่านั้นี่พอจิตมันชอบทะเลทลายไม่ชอบทางานกรรมฐานครับเราก็ต้องคอยดึงมันกลับมาบังคับมันให้มันทํางานกรรมฐานต่อไปอือครับ อ่าแล้วก็เดือนหน้าครับผมจะบวชปลายเดือนครับดีบวชได้ก็ดีใช่ครับผมช่วงนี้ผมก็จะพยายามเข้าถึงกรรมฐานจะพยายามเข้าพัฒนาตัวเองให้ให้ใหมากขึ้นครับเพื่อจะดี่ผมต้นเดือนวันที่สองผมก็จะกลับไปกักตัวในเวลาที่กักตัวนี่ผมก็จะทำกรรมฐานทุกวันเด้นี่พยายามทำกรรมฐานอยูน่นี่ทำใจให้สงบ เราจะมีความสุขนะครับครับจะก็ผมก็จะน่าจะได้ลาหลวงพ่อไปประมาณสักเดือนครับได้เสรแล้วก็กลับมาทำงานต่อนะครับผมครับครับสาธุครับโอเคน้าญาติโยมนี้คิดว่าทุกคนได้ถามกันกันกําหมดแล้วมันสามชั่วโมงแล้วต้องขอขออภัยไม่สามารถจะให้ถามต่อได้แล้วนอกจากคุณคุณคุณหลามีคำถามก็มาทางเฟซบุ๊กก็แบบ คำถามจากหบท่านมาจากทางเฟซบุ๊เจ้าค่ะอ่าสรุปมีหกคำถามมาแล้วกัน<า>คำถามแรกจากคุณหนูหนึ่งพอดีเพื่อนบอกนั่งสมาธิแล้วชอบเวียนหัวเหมือนจะล้มตลอดเลยพอเวียนหัวเขาก็ลืมตาเลยหนูเลยอาสาถามให้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าถ้าถ้านั่งละเวียนหัวก็ลองนั่งส่วนบนไปก่อนอเพราะว่าบางทีสติเรายังมีกำลังน้อยแล้วตีเลนึงะ มาสร้างอาการปวดให้กับเราได้ก็ลองสวดมนตน์ไปก่อนค่ะคำถามต่อไปจากคุณอุบาสกพงศ์กราบขอโอกาสถามคําถามดังนี้ขอรับขณะที่นั่งสมาธิแล้วฟังธรรมะไปด้วยควรวางจิตไว้ที่ใดขอรับถ้าฟังธรรมก็วางจิตไว้ที่เสียงธรรมนะไม่ต้องไปอยู่ที่พุโทโธไม่ต้องไปอยู่ที่ลมหายใจให้อยู่ที่เสียงธรรมฟังแบบที่เราคุยกันตอนนี้ย หาใจอยู่กับเสียงฟังไปเพื่อจะได้เกิดความเข้าเข้าใจด้วยคาถามต่อไปจากคุณจิ๊บอีแวนขอแบ่งคำถามออกเป็นสองช่วงเจ้าค่ะขอกราบนมัสการเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะคือเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นประจำแต่กับคนบางคนที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบเอาเปรียบพอเขาขอความช่วยเหลือจากเราจิตเรามันคลาน ไม่ให้เกิดความอยากที่จะช่วยอันนี้แสดงว่าจิตของเราเกิดอกุศลขึ้นในใจใช่ไหมคะแสดงว่าใจมีเมตตาไม่พอไม่เป็นอุบัติอุเบกขาใช่ไหมคะไม่องไม่จาเป็นหรืว่าการมีเมตตาบางนีก็ต้องมีปัญญาด้วยถ้าให้เลือกช่วยเหลือคนดีช่วยเหลือคนไม่ดีล้วก็ต้องเอาไปช่วยเหลือคนดีเอไปช่วยเหลือคนไม่ดีก็ไปส่งเสริมหก็ไปทําร้ายผู้อื่น ไปสร้างความเสียให้ยกับผู้อื่นก็ไม่เราก็ไม่ช่วยเหลือเขาการปรินเมตตามันก็ต้องมีเหตุผลกลกลับด้วยถึงจะเป็นเมตตาที่ที่ถูกต้องยกเว้นเราเป็นนายการณดใเรื่องของมนุษยธรรมเช่นเรื่องเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะดีไม่ดีเราก็ต้องช่วยเขารักษาพาเขาไปหาหมอหรือหายาให้เขาอานีแต่ถ้าเขาถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการ การดำรงชีพไม่ใช่เรื่องเกี่ยวเรื่องปัจจัยสี่นี่เราเลือกเลือกช่วยหรือได้เลือกช่วยเลหลือคนดีคนที่ไม่ดีก็อย่าไปสนับสนุนเขาคําถามต่อเ น, นื่องคือเวลาจิตมันเกิดเช่นนี้ขึ้นมารู้สึกอึดอัดสับสนและมันเห็นชอบเห็นตัวว่าชอบใจไม่ชอบใจชัดขึ้นค่ะต้องแก้ไขยังไงคะถ้ามันถ้าเป็นด้วย เ, เ, เหตุผลก็ไม่ใช่เป็นเกเลร เพราะว่ามันในโลกนี้ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเราก็ต้องเลือกเลือกสนับสนุนคนดีคนไม่ดีเราก็อย่าไปสนับสนุนคำถามต่อไปจากคุณมาลินีวัดที่หนูไปปฏิบัติหลวงพ่อบอกว่าการแก้กรรมสามารถทำได้โดยการปฏิบัติกรรมฐานและแม่สามารถแก้กรรมให้ลูกได้โดยวิธีนี้จริงหรือไม่คะ กรรมเก่าแก้ไม่ได้แต่แก้กรรมใหม่ได้ถ้าเราจะคิดไปไปเที่ยวนี้แล้วมานับปฏิบัติกรรมฐานเราก็แก้กรรม้วถ้าเราจะคิดไปเล่นการพนันไปเดินชุลาแล้วเราเปลี่ยนใจมานั่งปฏิบัติกรรมฐานนี้่ล้วก็แก้ได้แก้กรรมใหม่ได้แต่กรรมกเก่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไปแก้มันไม่ได้หรอกคำถามต่อไปจากคุณปรางษาเจเ ด, ดบการใช้ความคิดในการพิจารณาหลังจากสมาธินิ่งแล้ว โยมมักจะทบทวนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เช่นอริยสัจ4ี่ขันห้พรหมวิหาร4สลับไปกับการภาวนาพุทธโธอิติปิโสไตรส น, านาคมอันนี้สามารถพิจารณาหรือทบทวนได้ในการนั่งสมาธิได้หรือไม่เจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าพิจารณามันก็ไม่นิ่งนั่งสมาธิไ้มันนิ่งถ้ามันนิ่งแล้วก็ต้องพยายามรักษาให้มันนิ่งไปไม่ใช่เอามาเอามาคิด จะคิดตา้งแเวลาเลิกจากนั่งสมาธิแล้วก็มานั่งคิดทบทวนได้แต่ในขณะที่ทําจิตแท่นิ่งนี้ให้มันนิ่งไปนานๆอย่าไปไปปลุกมันขึ้นมาคิดคำถามสุดท้ายจากคุณพิทักษ์ขอรวมคําถามเด้๋วคะ่ะการถอดจิตออกจากล่างหรือถอดวิญญาณออกจากล่างมีจริงหรือไม่ครับหรือเป็นเหมือนนิมิตฝันไปแต่วิญญาณไม่ได้ออกจากล่างหากถอดจิต ออกจากล่างมีคนทําได้จริงหรือการถอดวิญญาณออกจากล่างเคยเห็นนักปฏิบัติหลายคนเล่าว่าสามารถนําวิญญาณตัวเองออกมาจากล่างตัวเองได้ออกมายืนดูร่างกายตัวเองนั่งสมาธิอยู่นอนอยู่บ้างสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือเป็นเพียงนิมิตจิตปรุงแต่งหรืออุปท า, านครับเป็นอุปท า, านในความคิดปรุงแต่งของจิตจิตจะอจอกจากยากออกจากร่างการแล้วก็ตอนที่ตายเท่านั้น พลังกายตายจิตก็จะออกจากล่างไปแตถ้ายังอยู่จิตก็ยังจะอยู่ติดกับล่างแต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ติดกับล่างเพราะจิตนิยใช้กระแสะของวิ ญ, ญญาณมามาเกาะติดอยู่กับร่างกายหมดแล้วใช่ไหมหมดหมดแล้ ว, ลวจ้าค่ะโอเควันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเหนื่อยลนะสามชั่วโมงสี่นาทีที่เราประชุมกันมาแล้วมีคุณสมยอดอีกคนนี้ยังไม่ได้พูดน้องอ่ะคุณสมยอดมีอะไรไหม เชิญคุณสมยศท่านสุดท้ายม เ, เปิดไมค์ก่อนนะถ้าอยากจะพูดจะพูดจะจะถามอะไรอันมิวก่อนกดอันมิวตรงกลางหน้าจอเลยคนระับจญทวดได้มาสักการครับอาจารย์ครั บ, รรบ อ, อยู่ที่ไหน อยู่สุพรรณบุรีครับสชื่อมบานเวือะไรไหก็ไม่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรครับก็ชื่นใจครับเห็นพระอาจารย์มาตอบคําถามมาสื่อสารมาอยู่ยันดึกนะครับผมโอเคงั้นก็อาแ่านี้ก่อนฮะง่ายครับผมดื่มแล้วอาทุนกข์อาชุกข์ไปครับก็ คิดว่า huh. พอสมควรแก่เวลานญาติโยมต้องขออภัยด้วยถ้าต้องต้องยุติการสนทนาธรรมตอบถามคําถามไม่แค่เพียงแคนี้ไว้โอกาสหน้าแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่อาทิตย์หน้านะเวลาเดิมวันเดิมเวลาเดิมก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด